ไม้กินคนมารียอุทานออกมาแทรกไม่มีเสียงจ้องอย่างท่านพึงไปยังเส้นหนวดที่ยังเห็นทอดย้อยเป็นม่านบกคลุมลงมาอยู่ทั่วไปทั้งหมดงันไปอีกชั่วขณะหนึ่งมันจะกินเราโดยวิธีไหนนี่ชัยยันพึมพำออกมาขนลุกขนชันด้วยความสยดสยองสังเกตไหมครับมันมัดพันเราและพยายามจะดึงรั้งขึ้นไปข้างบน พรางใหญ่พูดอย่างระมัดระวังกับริมฝีปากแน่นการรับของมันนะไม่ผิดอะไรกระูเงงหยื่ออาจตายเพราะอำนาจการรับหรือมิฉะนั้นก็อาจปล่อยพิษให้ซึมเข้าผิวหนังโดยวงเหล่านั้นแล้วคงใช้วิธีดูดเลือดอย่างปริงโดยอาศัยหลอดดูดจากปม่ปมป่มอันมีลักษณะคล้ายหนวดปลาหมึกนี่พอดูดเลือดหมดก็ปล่อยซากทิง้งมันเป็นสองอย่างในขณะเดียวกันคือทั้งพืชและสัต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 เราถอยหลบไปเสทางอื่นท่านายตาพรานเท่าพูดปากสัน่นในกลุมพรานพื้นเมืองพากันขวัญเสียไปหมดเพราะความวิกลวิการผิดประหลัดนั่นถ้าถอยก็อดน้ำตายน้ำจะต้องมีอยู่ตรงหน้าผาที่เห็นนั่นไม่ใช่เหรอขยินหัวหน้าคณะพูดหนักแน่นประโยคหลังก็หันไปถามกระเรียงหลมช้างซึ่งยืนหน้าเขียวอยู่มีน้ารออยู่ข้างหน้าแน่นอนนายใหญ่ แต่เราจะผ่านต้นไม้ผีนี่เข้าไปได้ยังไงมันดักหน้าเราไว้หมดทุกด้านนี่ไหนเชิฐถาหันไปมองจอมพรานเหมือนจะหารือขอการตัดสินใจระพิญยันตัวลุกขึ้นยืนช้าๆหยิบขอนไม้ผูกอันขนาดโคนขายาวประมาณสองฟุตขึ้นมาด้วยท่อนหนึ่งทดลองเหวี่ยงคว้างเข้าไปยังสายหรือรากของต้นไม้ประหลาดที่ห้อยอยู่ทันทีที่ขอนไม้ปลิวเข้าไปกระทบ มันถูกตวัดไว้อย่างรวดเร็วราวกังงวงช้างและม้วนชนิดชักดึงเข้าไปยังกิ่งเบื้องสูงที่เต็มไปด้วยงวงชนิดเดียวกันแต่อวดใหญ่และสั้นกว่าคอยดักตวัดรับอยู่เพียงชั่วพริบตาเดียวหอนไม้อันนั้นก็ถูกบังมิดหายด้วยการรุมรับพันของเถาวัลย์มฤตยูและเห็นเป็นก้อนกระจุกหน้าขนลุกทุกคนเฝ้าจับมองอยู่เบน้าอย่างสยองใจ โชคดีเหลือเกินที่พวกเราดิ้นหลุดออกมาจากงวงขนาดย่อมๆที่ทอดยาวลงมาระดินนั่นได้ซะก่อน้าถูกดึงตัวป้อนเข้าไปสู่งวงใหญ่ข้างบนล้เห็นจะเสร็จแน่ไม่มีทางดิ้นหลุดไอ้เส้นเล็กๆที่ทอดยาวลงมาคงทำหน้าที่ควานหายเยื่อป้อนขึ้นไปสู่เส้นใหญ่อันมีลักษณะเหมือนปากนั่นเองใช้ยันครางออกมาแล้วเขาก็ประทับจุดหนยยไนโตรขึ้นกระดิกไก่ลั่น นัดแรกทดลองยิงเข้าไปตรงบริเวณม้วนกระจุกของหนวดปลาหมึกที่รุมพันขอนไม้ไวเป็นก้อนโตทั้งกลุ่มอันแลเหมือนกระเช้านั้นไหวสถทานเล็กน้อยขณะที่กระสุนทะลวงผ่านไปด้วยความเร็วสเก็ดชิ้นส่วนบางอันฉีขาดไปอูกระเด็นเป็นฝอยแต่มันไม่ได้ผลอันใดขึ้นมาทั้งสิ้นกระจุกอันหนานแน่นที่รับพันขอนไม้ยังคงรวมกลุ่มของมันอยู่ในลักษณะเดิม ไม่มีท่าทีว่ามันจะมีประสาทรับรู้ต่ออำนาจลูกปืนหรือคลี่คลายวงรับออกนาทีสองจากลำกล้องใส่ชัยยันยิงเข้าใส่ลำต้นระดับสูงจากพื้นราว6กฟุตเสียงหัวกระสุนน้ำหนัก900เอยกรนแล่นเข้ากระทบเนื้อไม้ดังได้ยินถนัดน้าตรงบริเวณที่กระสุนพุ่งเข้าเจาะปลิวหัวกระเด็นออกไปพร้อมกับเปลือกหยาบชิ้นโตกฝ่ามือและเห็นแก่นสีคล้า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 เหมือนต้นไม้ธรรมดาเรานี่เองลำต้นของมันมีลักษณะเป็นต้นไม้ธรรมดาครับเฉพาะงูหรือยากรากย้อยเท่านั้นล่ละครับที่มีสภาพเหมือนสัตว์มีชีวิตมันก็คงจะแบบเดียวกับต้นไมยราบหรือสาหร่ายทะเลบางชนิดนะครับพรานใหญ่ตอบด้วยเสียงกระซิบเราจะรู้แน่ได้ยังไงว่ามันเป็นต้นไม้ที่กินสัตว์หรือเปล่า หรือเพียงแต่มีเซนบังคับให้รัตัวอย่างเดียวเท่านั้นขณะที่มีอะไรไปกระทบเข้าแบบต้นไมยราบดารินถามขึ้นอย่างพิศวงก่อนที่ใครจะเอ่ยตอบข้อสงสัยของหล่อนอย่างไรทันใดนั้นเองท่อนไม้ที่รับพินเวียงทดลองเข้าไปท่อนนั้นก็ถูกกลุ่มงวงที่รัฐพันเป็นกระจุกที่อยู่เบื้องบนค่อยๆ ค, คลายวงรัดออกปล่อยให้หลุดตุบลงมากับพื้น เป็นช่วงเวลาที่มันรับเอาไว้เพียงไม่เกินสองสามนาทีเท่านั้นทุกคนมองตากันเองอยู่ไปมาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกมาเรียฮอไหลสิ้วกายน้อยๆมันปล่อยท่อนไม้ของไพรวันละมันคงเพิ่งสัมผัสได้ว่า น, นั่นเป็นเพียงท่อนไม้ไม่ใช่สิ่งมีเลือดเนื้อและชีวิตที่จะเป็นอาหารของมันได้ไม่มีปัญหามันต้องกินสัตว์แน่ๆไม่ใช่เซนบังคับให้รับไว้เฉยๆหรอก เราจะพิสูจน์กันดูอีกครั้งทุกคนรวมกลุ่มอยู่ที่นี่ไม่ต้องตามผมเข้ามาช่วยยิงตัดสายของมันให้ด้วยถ้าผมพลาดจอมพรานสั่งวางไรเฟิลลงฉุวยดาบของสั่งปาขึ้นมาถือกระชับมั่นไว้ในมือและจะลดฝีเท้าอย่างระมัดระวงังเดินย่องเข้าไปยังสายระยางที่ห้อยอยู่นั้นอีกครั้งเชิถาควาดาบยาวของขยินอีกเล่มหนึ่งสาวเท้าตามหลังเข้ า, ขามาติ ด, ตด ระพินเหลือบมาเห็นก็กระซิปเตือนให้ระวังตัวพักพวกที่ยืนรอยอยู่เบื้องนอกขยับไรเฟิลเตรียมพร้อมสำหรับนาทีวิกฤตซึ่งอาจเกิดขึ้นกับบุคคลทั้งสองซึ่งวิธีแก้ไขก็คือใช้ลูกปืนตัดงวงของมันให้ขาดสะบั้นลงอย่างที่เคยใช้ได้ผลกันมาแล้วเมื่อหยกหยกนี้ส่วนพวกพลันพื้นเมืองก็ถือมีดอยู่ในมือตามก็ามายืนคอยระวังในระยะห่างพอสมควรพวกนั้นอยากจะตามเข้าไปด้วย แต่เชษฐาสั่งให้หยุดรออยู่เพียงแค่นั้นทั้งสองเดินย่องอยังแผวเบาตามรอยปรูงโล่ที่เกิดการโรมรันกันเมื่อครู่นี้ล้ำลึกเขามายืนอยู่ตรงแนวหน้ารากไม้มรณะที่ห้อยเป็นม่านกัน้นอยู่ห่างประมาณวาสิจ่องสำรวจเส้นของมันเหล่านั้นอย่างพินิจยารณาแล้วเงยตามสายขึ้นไปยังลำกิ่งไม้ใหญ่เบื้องบน ร่างเรือหนวดเหล่านี้ทอดย้อยลงมาจากกิง่งที่ทอดแผ่ออกไปรอบทิศนั้นมันเป็นต้นไม้ที่ปราศจากใบมีแต่กิ่งและรากซึ่งงอกจากกิง่งทิ้งเป็นสายลงมาเท่านั้นบางเส้นยาวแทบจะหดพื้นดินบางเส้นก็อยู่ในระดับสูงสูงต่ําๆสลับกันไม่มีระเบียบเส้นเล็กจะยาวกว่าเส้นใหญ่และบริเวณที่ติด ใกล้ชิดกับกิ่งเบื้องบนล้วนเป็นรากเส้นอวบใหญ่ทั้งสิ้นยาวเพียงแค่วาสองวาเป็นอย่างมากเมื่อมาเห็นในระยะใกล้เช่นนี้เชถาก็แยกเขี้ยวออกด้วยความขนลุกขนพองอีกครั้งลักษณะของมันเป็นเส้นกลมมีขนเส้นเล็กๆงอกปกคลุมอยู่ทั่วไปดุยทีก็คล้ายบุ่งยักษ์แล้วเขาก็ขยับตัวถอยผงะออกมาเล็กน้อย พร้อมกับเหนียวไหลรบพินให้ถอยตามออกมาด้วยเมื่อเห็นเส้นที่ห้อยอยู่ตรงหน้าใกล้ที่สุดเริ่มมีอาการเคลื่อนกระดุบกระดิบจากตอนปลายของมันเหมือนไส้เดือนหรือ ง, งูที่แขวนห้อยอยู่รับพินขยับดาบค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าไปใกล้ทีละน้อยจ่องสังเกตดูตาไม่กระพริบทุกระยะปลายงวงที่ชี้ลงดินเป็นเส้นรตรงบัดนี้มีอาการยกเหนอยขึ้นเล็กน้อยสายร่อนราไปมา แช่มชาเหมือนงวงช้างสูดกลิ่นแล้วค่อยๆเบนทิศทางมาที่เขากับเชษฐามันสูดกลิ่นเรามันไม่ได้มีประสาทสําหรับในด้านสัมผัสอย่างเดียวเท่านั้นแต่สูดหากลิ่นได้ด้วยไม่มีปัญหาครับมันต้องกินสั์ได้แน่ๆอดีต ท, ท่านทูตทหารบกร้องออกมาอย่างร้อนรน จอมพลานเงยขึ้นไปมองบนยอดตอนปลายของเถาวันเส้นนั้นอีกครั้งเพื่อหาระยะแน่นอนว่ามันมีระดับความยาวเท่าใดขณะที่มันห้อยอยู่เดี๋ยวนี้ปลายยาวทอดต่ำลงมาในระดับเข่าของเขาแล้วก็พบว่าระยะความยาวของมันเฉพาะเส้นนั้นก็มีอยู่เพียงแค่นั้นเองเพราะเห็นส่วนที่ติดอยู่กับกริ่งใหญ่ชัดและระดับการห้อยของมันก็เป็นเส้นตรงไม่มีส่วนเหลืออื่น ซ่อนอยู่ตรงไหนทั้งสิ้นเขาขยับใกล้เข้าไปอีกเพื่อจะล่อดูปฏิกิริยาเจ้าเถาวันมรณะก็มีอาการโน้มตัวเองโยกลำเข้ามาใกล้ยอย่างช่ามช้าดุดอาการดุดของแมลิกถอยห่างออกไปก่อนครับคุณชายรับพินกระซิบจ้องมันขมิงเชษฐาก็เคลื่อนถอยหลังออกไป 3-4-9 สี่เก้งที่เขายือนอยู่ที่นั่นโดดเด่นคนเดียวเพื่อการเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่ว พหัวหน้าคณะเคลื่อนห่างออกไปพ้นระยะฟานใหญ่ก็ค่อยๆยื่นปลายดาบไว้เขี่ยล่อใกล้ๆกับเส้นของมันยังดูปฏิกิริยาต่อไปมันคงทอดสายสงบนิ่งเป็นดุจสนีอยู่เช่นนั้นไม่รับรู้สนใจกับปลายดาบอันเป็นโลหะที่ยื่นแย่เข้าไปใกล้และและ้วทันทีนั้นก็แปะปลายดาบฉับกระทบมันเบาๆด้วยอาการรวดเร็วฉับไวราวกับสายฟ้าแล้ เถ้ามรดย์อยู่ตวัดเส้นของมันไม่ผิดอะไรกับอาการแหวงรัดของอสรพิษพุ่งกันมาที่ระพินจนดูไม่ทันแต่นั่นไม่เร็วไปกว่าจอมพรานผู้เตรียมพร้อมรับอาการอยู่แล้วเขาก็เดิดถอยหลบออกไปพ้นรัศมีอย่างรวดเร็วทันกันพร้อมกับเสียงร้องอุทานอย่างตกใจของพรรคพวกที่ยืนจ้องเหตุการณ์อยู่จอมพรานสุดตัวลงนั่งคุกเขา่าแงนมองดูงวงเส้นนั้น ซึ่งดิ้นควยคว้วาเป็นเกลียวอยู่เหนือสีสะเพราะมันตวัดรัดผิดเป้าหมายอาการรวดเร็วฉับไวก็หมดสิน้นคงปล่อยให้สายไกวเนิบนาบอยู่ไปมาและค่อยๆช้าลงเป็นลำดับเสียงใครต่อใครเบื้องหลังตะโกนเตือนให้เขาระวังตัวและถอยห่างออกมาแซดไปหมดจนฟังไม่ได้สับระวังมันจะยืดลงมาถึงตัวเชิดขารองบอกมาย่อกายลงตา่าคลานเข้ามาที่เขา ไม่รกครับเส้นมันยาวแค่ไหนก็มีรัศมีทาการอยู่เพียงแค่นั้นยืดต่วมาไม่ได้อีกแล้วครับถอยเถอะไม่ได้การแล้วมันไม่ใช่ต้นไม้นะแต่มันเป็นสัตว์ ร, ร้ายชัดๆเลยเดี๋ยวครับผมต้องการทดลองอะไรสักหน่อยบางทีเราอาจพบจุดอ่อนของมันคุณจะทำยังไงระพินระพินไม่ตอบพินิษ ด, ดูมันนิ่งไปอึดใจก็ชูปลายดาบขึ้นกาไว้แน่นกระชับที่สุด ยื่นไปแตะเถาของมันอีกครั้งให้ตาเดียวที่กระทบมันก็แหวงตวัดอย่างรวดเร็วอีกครั้งเช่นกันครั้งนี้พรานใหญ่ไม่หลีกหลบแต่ส่งปลายดาบให้มันรัดอย่างทนหนักที่สุดเพราะมันเริ่มฉุดมวนขึ้นเขาก็ดึงรังดาบลงมาใช้ส่วนคมเฉือนกระเถาของมันอย่างช่ช้าเยือกเย็ดมีรอยบาดเหยืมีรอยแผลเวยอเวอ้อจากความคมของดาบ แล้วใบดาบก็หลุดลงมาจากการรัดมันไม่มีปฏิกิริยาสะดุ้งสะเทือนหรือเจ็บปวดอย่างมิงสิ่งมีชีวิตใดๆเมื่อดาบถูกดึงหลุดออกไปก็คลายโร่งรัดทอดปลายห้อยลงมาตามเดิมพระพิณทดลองทําเช่นนั้นอยู่สองสามครั้งไม่มีประโยชน์มันคงไม่มีประสาทรับรู้ความเจ็บปวดเหมือนกับสัตว์ทั้งหลายหรอกมันไม่มีเลือดไม่มีสมอง มีแต่สัญชาตญาณและเซนบังคับเท่านั้นเสียงดารินร้องบอกเข้ามาขยับจะตรงเข้ามาสมทบแต่เชษฐาโบกมือห้ามไล่ให้กลับไปอยู่ที่เดิมคราวนี้รันใหญ่ค่อยๆลุกขึ้นยืนยกกัดฟันกระนำฟันดาบลงไปสุดแรงเกิดเสียงคมดาบกระทบเผาของมันดังชั่วแล้วมันก็ขาดสะบั้นในพริบตากระเด็นตกตงกับพื้น ทันทีที่ส่วนปลายอันยาวประมาณวาเศษขาดไปส่วนที่เหลือก็ตวัดม้วนหดขึ้นไปพันอยู่บนกิ่งเบื้องบนระหว่างที่แงนดูอย่างสนเท่จอมพรานก็ต้องสะดุ้งเพราะเสียงร้องของเชิดขายังไม่รู้สึกตัวก็พบว่ามีอะไรรัดมัดเขาที่เอวอย่างแรงแล้วก็มีใครเอาเชือกรัดแล้วชักจะเยะื่อเขาดิ้นสุดกาลังเสียหลักตัวหมุนอยู่ไปมาและเห็นเขาอีกเส้นหนึ่งรังกายว้ จึงเอาดาบเฉือนเพื่ช่วยตัวเองแล้วก็เห็นเชือกถากกระโจยเข้ามาพร้อมกระดาบในมือชั่วพริบตาเดียวร่างของเขาก็ลนกองอยู่กับพื้นเพราะเถาวันเพราะเถารัดที่พันอยู่ถูกหัวหน้าคณะฟันขาดลงมันมีอาการอย่างเดียวกับเส้นแรกส่วนปลายที่รัดพันรอบกายเขาหมดกำลังเหมือนเอาเชือกมาพันไวฉะฉะฉะ้เฉยๆแต่ส่วนบนหดม้วนหนีขึ้นไปอีก เชษฐาก้มลงฉุดเขาขึ้นมาอย่างใจหายใจควกมันน่าจะมีประสาทรับรู้ต่อความเจ็บปวดบ้างเหมือนกันนะไม่งั้นพอถูกฟันขาดมันจะหดหนีไปทำไมเขาพูดอย่างใคร่ครวญพยายามจะค้นหาความจริงออกมาให้ได้โดยไม่สนใจนำพาต่อการชวนให้ถอยกลับออกไปของเชษฐาไพรวันไม่มีประโยชน์ที่ชักเข้าไปเล่นกับความตายถอยกลับออกมาเถอะ ฉันไม่เข้าใจนะว่าคุณเข้าไปพิสูจน์อะไรมาเรียบบ้องปากตะโกนลั่นเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นครับนอกจากต้องผ่านมันไปให้ได้และต้องหาทางรู้ให้ได้ด้วยว่าเราจะผ่านไอ้เถาวันนี่ได้ด้วยวิธีไหนกระพินร้องต่อไปแล้วทิ้งกายลงนอนคว่ำหน้าราบกับพื้นใช้ข้อศอกคืบลากตัวเข้าไปนอนอยู่ใต้งวงมริตยูอีกเส้นหนึ่งซึ่งทอดปลายลอยอยู่ห่างศีรษะ ประมาณสอกสิบ่ามกลางสายตาของพวกพ้องที่จ้องมายังหวาดเสียวและไม่เข้าใจความคิดพลางค่อยๆพลิกตัวนอนหงายขึ้นล้วงซิปโปออกมาขีดไฟมันลุกพลึบติดขึ้นแล้วก็ค่อยๆ ย, ยกขึ้นลนเปลวเข้าไปกับปลายส่วนล่างสุดของมันซึ่งบตด น, นี้ห้อยอยู่เหนือใบหน้าของเขาห่างเพียงฟุตสิบพักพวกทุกคนจ้องตาไมาก่กระพริบแล้วครางออกมาด้วยความประหลาดใจพร้อมกันหมดในสิ่งที่เห็น มันม้วนปลายหดหนีเปลวไฟที่จ่อล้นของพรานใหญ่ไม่ผิดอะไรกับตัวทากหดเมื่อกระสาไอร้อนมันกลักไฟมันมีประสาทรับรู้ต่อความร้อนมาเรียอุทานตื่นเต้นออกมาเมื่อนั้นเองเชษฐาก็ร้องเร่งพวกลูกหาให้ค้นหีบห่อสัมภาระหยิบใต้ขึ้นมาแล้วเขาก็โยนใต้ท่อนหนึ่งเข้าไปให้ระพินผู้ยังนอนอยู่ที่เดิม แฟนใหญ่รับไว้ตาเป็นประกายด้วยความหวังจุดไลเตอร์ลนติด ก, กับใต้ลุกโชนแล้วชูขึ้นไปลนอีกเมื่อ น, นั้นเองเขาก็แยกเขี้ยวยิ้มออกมาได้อย่างมองเห็นลูกทางเทามารุตตะอยู่เร่งกันหดหนีเปลวไฟของเขาสูงขึ้นไปอีกอย่างลนลานแสดงว่ามันเกรงไอไฟเป็นอย่างยิ่งยอมพรานกระโดดลุกขึ้นยืนทันทีกว่าใต้อันติดไฟโพง แกงก็ไปยังบรรดาหนวดมรณะรอบด้านที่ห้อยเป็นม่านอยู่ทุกเส้นม้วนตัวหดหนีขึ้นไปในทันทีที่ไอร้อนวูบเข้าไปกล้จนกระทั่งบริเวณนั้นโปร่งโล่งเพราะเถาของมันหดหนีขึ้นไปหมดมีทางแล้วครับไอเถาอุบาที่กลัวไฟแน่มันก็เหมือนสัตว์ไ ร, รธรรมดานั่นแหละครับถูกเปลวไฟเข้าก็ถอยหนีหมดคานใหญ่ร้องลั่นอย่างยินดี กวาดแกงใต้ไล่เถาวันรกเหล่านั้นให้ถอยหดขึ้นไปอยู่กรุกรูดไม่ว่าเขาจะบุกเข้าไปทางด้านใดด้านนั้นก็หดโล่งลนลานขึ้นไปเป็นแทบๆสำเร็จยอดเยี่ยมเลยผู้กองเชิดาร้องอุทานด้วยความสมหวังดีใจเหลือที่จะกล่าวแล้วหันไปร้องสั่งพักพวกเร็วปรือเอาแจกใต้คนละอันจุดไฟถือไว้ทั้งหมดมองเห็นทางอันมืดมนนั้นใสกระจ่างขึ้นในทันที ต่างถือกระชับไว้ในมือหยุดไฟลุกพรึบขึ้นและไม่กี่อึดใจนั้นการเดินที่หยุดชะงักก็เริ่มต้นต่อไปพวกลูกหาดถูกกำหนดให้เดินรวมกลุ่มอยู่ตรงกลางอีกห้าคนเดินรายล้อมถือใต้กวัดแกงเสมือนไบเบิกทางตะลุยเข้าไปทุกคนเริ่มขวัญดีขึ้นเพราะค้นพบจุดอ่อนของเถาหมรณะพวกนั้นได้แล้วว่าไฟเป็นสิ่งที่มันกลัว ไม่บังอาจที่จะกล้ำเข้ามาตอบก่อนด้วยม่านมริตยูก็พลันแหวกลู่เป็นช่องทางปล่อยให้ทั้งคณะผ่านไปอย่างสะดวกที่สุดทุกคนอดเช่ไม่ได้ที่จะนึกชมชยในเชาวปฏิพานของจอมรานซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้ตกทั้งคณะเดินเกาะกลุ่มรวมมู่กันเข้าไปท่ามกลางสิ่งอันน่าสยดสยองโดยปราสาทอันขมิงเกลียวเครียด ใจเต้นระทึกไม่เป็นสัน่นเต็ไมไปด้วยความหวาดเสียวเมื่อหันมองกลับไปเบื้องหลังก็เห็นงวงที่หดหนีขึ้นไปเหล่านั้นค่อยๆทอดลงมาตามเดิมปิดบังทางที่ผ่านเข้ามาไว้หมดทุกด้านเหมือนมีใครมาชักฉากลงดูอีกทีก็เหมือนทุกชีวิตที่ล่วงล้ำเข้าไปถูกห้อมล้อมกักขังไว้ภายในพับาเถอะหวังว่ามันคงไม่ลูกไม้ ทำอุบายหลอกให้เราทันหลอมเข้ามาถูกล้อมอยู่ใจกลางของมันนะเสียงใครคนหนึ่งพูดลอดไรฟันออกมาถือใต้สำรองไว้คนละอันอย่าให้มันดับลงได้เชิดถาบอกหลายต่อหลายเส้นทำท่าเหมือนจะดักรอเล่นงานเมื่อได้กลิ่นมนุษย์โชยใกล้เขา้ามาแต่พอโดนควายกวาดออกไปเป็นกราะ ก, กำบงังก็ตกอยู่ในอาการเดียวกันหมดคือหดหนีมากน้อยเพียงไรก็สุดตรัดสมีไฟจากปลายใต้ จะส่งความร้อนเข้าไปถึงรพินแหวกทางนำไปเบื้องหน้าด้วยปราสาสตอันแน่วแน่มั่นคงไม่ต้องสนใจกับข้างหลังระวังใหญ่ไฟแดดเท่านั้นมันทาอะไรเราไม่ได้แนะ่กราบใดที่เรามีไฟเป็นกรอกกำบังอยู่อย่างนี้เขาร้องเตือนทุกคนมาลึกเข้าไปเป็นลำดับในใจกลางอาณาจักรมริตยูนั่นผ่านไปในระหว่างลำต้นใหญ่น้อย ที่ขึ้นรวมกลุ่มกันอยู่เป็นโดมโดยไม่มีพันุไม้ชนิดอื่นปะปนอาณาบริเวณทั้งหมดมันจะกว้างใหญ่สักเท่าใดไม่ทราบได้แต่เฉพาะเท่าที่ระพินตั้งเข็มเป็นเส้นตรงเพื่อแวดทางให้ทะลุออกไปยังหน้าผาซึ่งเห็นอยู่ข้างหน้าระยะทางประมาณไม่เกินสองรเมตรบางแห่งก็เป็นที่โลดโดยที่กิ่งเถาของต้นไม้มรณะ ซึ่งแผ่เป็นรดสมีไปรอบด้านนั้นไม่สามารถจะปกคลุมเข้ามาชนถึงกันแต่บางแห่งก็แน่นทึบทีกระชั้นอันเนื่องมาจากต้นยืนใกล้เคียงกันครั้นแล้วทันทีนั้นมาริอาผู้เดินอยู่เบื้องหลังชัยยันทางด้านซ้ายก็หยุดชะ ง, งักกึกลงอย่างกระทันหันสะกิดหลังอดีตนายทหารปืนใหญ่โดยตรงเมื่อหันหลังมาเขาก็เห็นแม่สาวกาลังจ้องขม็ง ไปยังโคนต้นแห่งหนึ่งห่างออกไปราวสามสิบเก้าพอมองตามชัยยันก็เกือบสะดุง้งภายใต้ม่านย้อยของงวงแห่งความตายนั้นมีกระดูกกลุ่มหนึ่งกองอยู่ขาวโพลนรับพินชัยยันเรียกพรานใหญ่หนักๆในลำค อ, อยืนนิ่งอยู่กับที่รบพินหันกลับมาและทุกคนที่กำลังเดินรวมกลุ่มกันอยู่ก็พลอยชะงักในสิ่งที่ผิดปกตินั่นด้วย หันมาเห็นพร้อมกันหมดของกระดูกพวกพรานพื้นเมืองอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวกันแม้จะเห็นในระยะห่างและภายใต้เงาสลัวอันคลุมเครือนั้นความรู้สึกชนิดหนึ่งก็แลนเข้าจับประสาทของทุกคนเพราะโครงกระดูกเหล่านั้นมันไม่น่าจะเป็นของสัตว์ใดนอกจากมนุษย์ครั้งแรกกราพินเองก็เกือบจะเลยผ่านความสนใจไปซะ ถ้าไม่ใช่เพราะเหลือไปเห็นสันฐานที่มองใครกระโหลกคนเขามองสบตาคณะนายจ้างแวบหนึ่งไม่เอ่ยอะไรทั้งสิ้นเปลี่ยนทิศเดินถือใต้ตัดทางตรงเข้าไปยังกองกระดูกเหล่านั้นทุกคนเคลื่อนตามมาทั้งขบวนจางวงนรกก็เปิดช่องทางให้ไฟมนุษย์ผ่านไปโดยดุดสนิทด้อำนาจเปลวไฟที่ถืออยู่ในมือของแต่ละคนพอใกล้เข้ามา ทุกคนก็ใจเต้นแรงด้วยสังหรณ์ที่เกิดวูบขึ้นกลางใจพระมองเห็นชัดว่ามันเป็นโครงกระดูกของมนุษย์สองคนกริ้งอยู่ห่างจากกันประมาณสี่ว่าโดยมีกระดูกของสัตว์บางชนิดอีกเจ็ดแปดโครงกริ้งปะบนอยู่ชยันอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งในขณะที่ดารินตัวสั่นเทาเบิกตากว้างส่วนเชาิาหน้าซีดเพื่พอทั้งคณะ เข้ามาถึงบริเวณนั้นม่านเถาวันก็ชักรอกตัวเองหนีขึ้นไปหมดเอยทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ให้เห็นชัดระพินออกคำสั่งให้พวกลูกหาบวางของลงและช่วยกันถือใต้ารายล้อมคอยป้องกันไว้รอบบริเวณนั้นเขาเองกับนายจ้างพรู ก, กันเข้าไปยังโครงกระดูกยังตื่นเต้นร้อนใจอนุชาเอ้ยสวรรค์สงโปรถขออย่าให้เป็นแกเลยนะ เสีงชั ย, ยันครางออกมาเบาที่สุดดารินนั้นความตกประมาททำให้หลอนทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะหนึ่งนอกจากยืนจ้องตะลึงงันไปเช่ดถากับชั ย, ยันก็นิ่งขึงหน้าเครียดเคร่งหม่นมองคงมีแต่ระพินและมาเรียเท่านั้นที่สุดกายลงสำรวจโครงกระดูกของมนุษย์ทั้งสองนั้นอย่างถี่ถ้วนพี่ชายของเธอมากับพรา น, นําทางเพียงสองคนเท่านั้นไม่ใช่เห เสียงมารียเอ่ยถามดารินมาเบาๆขณะที่ใช้ปลายมีดเดินป่าเคลียรที่กระโหลกหนึ่งขึ้นมาจากฝังจมดินอยู่ครึ่งแต่ราชสะกุลสาวมีอาการเหมือนไม่ได้ยินคำถามนั้นจิตใจของหลอนฟอยเหี่ยวไปหมดจนกระทั่งพรานใหญ่ก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าไม่มีพวกเราคนใดที่จะบอกได้หรอกครับว่าโครงกระดูกทั้งสองนี่เป็นของคุณอนุชากนันอินหรือเปล่า นอกจากคุณหญิงคนเดียวเท่านั้นหมอจมัวแต่ยืนตะลึงอยู่เลยครับเมื่อนั้นเองหมอดารินจึงได้สติและทุกคนก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ตามคำพูดของจอมพรานแน่ละคนที่จะพิสูจน์โครงกระดูกทั้งสองนี้ได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงที่สุดก็ควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางมานุษยวิทยาและชีววิทยาซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่น คือแพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์ดารินวาราริตนั่นเองราชสกุลสาวแข็งใจบังคับสติซึ่งกำลังคลอนแคลนสั่นไหวให้มั่นคงแน่วแน่ขึ้นสุดกายลงตรวจ ด, ดูโครงกระดูกทั้งสองอย่างที ท, ที่สุดครูใหญ่ต่อมาทุกคนที่เงียบกริบจ้องจับดูอาการของหล่อนก็เห็นดารินมีสีหน้าดีขึ้นหลับตาลงพร้อมกับผ่อนลมหายใจยาว ยกมือขึ้นเสยเส้นผมไม่ควรจะเป็นอนุชาใช่ไหมเชถาถามมาเสียงแห้งๆซากทางซ้ายมือนี่เป็นคนเอเชียอายุประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิปีสูงห้าฟุตสามนิ้วส่วนทางขวานี่เป็นคนยุโรปอายุระหว่างส5สิบห้าถึงสี่สิปีสูงหกฟุตหนึ่งนิ้วเป็นโครงกระดูกที่ตายมาแล้วกว่าสี่สิบปี คนถอนใจเฮือกออกมาพร้อมกันอย่างโล่งอกชื่ออะไรเสียงเบาๆของใครคนหนึ่งถามสวนมาโดยเร็วนักมานุษยวิทยาหันควักไปทางเจ้าของเสียงจ้องหน้าอย่างพินิษค้นหาก็เห็นใบหน้าขึ้มเป็นปกติจนดูไม่ออกว่ามันหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจหรือเจตนา ย, ยั่วอารมณ์และทุกคนที่แวดล้อมอยู่ก็เปลี่ยนอารมณ์ไปอย่างกระทันหันที่สุด โดยไม่คาดคิดกันมาก่อนปากันหัวเราะขึ้นคนคนนั้นก็เลยมีหน้าตื่นเลิกหลักเล็กน้อยและอ้อมแอมปบนหัวเราะเกอ้อออกมาว่าขอภัยที่ถามโงๆ่ๆความจริงวิชามานุษย์วิทยาหรือชีววิทยานี่ถ้าสามารถจะทำให้ผู้ศึกษาได้อ่านลึกลงไปถึงก็รู้ได้ว่าเจ้าของโครงกระดูกชื่ออะไรก็คงจะดีไม่น้อยนะ มันจะทําความสะดวกแค่การงานค้นคว้าขึ้นอีกมากเจ้าความจริงจะโทษน้อยก็ไม่ถูกนะครับพี่ใหญ่ที่ไม่ได้ถูกชะตากับพรานนําทางคนนี้เลยอะน้องสาวหันไปบอกเรียบๆกับพี่ชายหางเสียงไม่ได้มีความหมายอะไรมากนะักเชษฐาตะชยันหัวเราะลั่นมารียนหน้าเลอะหลาไม่รู้เรื่องหันมาถามเมื่อดารินอธิบายให้ทราบหล่อนก็เบิกตาโตร้องออกมาว่า stupid ถามงง่จริงแหละ แต่ฉันว่ามิสเตอร์ฮันเตอร์ล้อเธอเล่นมากกว่านะอย่างนี้นะไม่เรียกว่าลอ้อหรอกเขาเรียกว่ายั่วโทโสความจริงไอ้โรคนี้นะมันก็หายไปนานแล้วนะแต่ทำไมอยู่ไม่อยู่ ม, มันโผล่ขา้มาอีกก็ไม่รู้สิท่ามกลางหน้าซิวหน้าขวานจะตายไม่ตายแหละอย่างเงี้ยฉันน่ะไม่มีอารมณ์ขันด้วยหรอกปะเดี๋ยวมีดนี่เฉาะหน้าเขาไอ้ตัวนั้นแหละรอนชูมีดโบวี้ขึ้นคนถูกฆ่าโทษทาเป็นไม่เห็นสะวางหน้าเฉย ก้มลงตรวจดูโครงกระดูกสัตว์ที่กลาดเกลื่อนอยู่ในระหว่างกระดูกมนุษย์ทั้งสองและกวาดสายตาไปรอบๆเชษฐาไม่สนใจกับการบอกแวงกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆนั้นจ้องดูโครงกระดูกอย่างพินิษคร่ครวนเมื่อเป็นที่รู้แน่นอนด้วยความสบายใจขึ้นว่าทั้งสองซากไม่ได้เป็นโครงกระดูกของหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริษและหนานอินพรานคู่ใจที่เดินทางมาด้วยกัน ปัญหาใหญ่มันก็ติดตามขึ้นมาในความรู้สึกของทุกคนทันทีในข้อที่ว่าทั้งสองคนที่พากันมาจบชีวิตลงณที่นี้เป็นใครมีความเป็นมาเช่นไรไอ้ต้นไม้ผีนี่กินคนและสัตว์แน่นอนจากหลักฐานที่เห็นอยู่นี่ทั้งสองคนนี่จะเป็นใครมาจากไหนเพื่ออะไรก็ตามได้กระเรากระราผ่านเข้ามาทางนี้จึงถูกงวงนรกของต้นไม้นี่รัดสูบกินเลือดโดยไม่สามารถจะดิ้นรนช่วยตัวเองได้ พอตายมันก็ปล่อยซากทิ้งลงมากลายเป็นโครงกระดูกตามการเวลาที่ผ่านมาหรือคุณว่ายังไงผู้กอชัยยันสันนิษฐานจอมพรานก้มศรีรษะลงนิดนึงก็คงจะเป็นเช่นนั้นแะครับส่วนโครงกระดูกที่เห็นเกลือนปะบนอยู่เป็นกระดูกของเสือหมีอีเห็นและเมน่นจะพวกนี้คงจะเห็นสุดที่ถูกทิ้งลงมานอนอยู่กับพื้นจึงย่องเข้ามาจะกินก็เลยติดกับ พอยถูกเถาวันจับกินซะด้วยกระดูกก็เลยกองทับถมกันอยู่อย่างที่เห็นเห็นนี่มาเรียนแลไปรอบๆอบตัวประกายตาครุ่นคิดกลางขาบริเวณที่ทั้งสองคนมาพบจิดจบตรงนี้มันเป็นใจกลางดงของเถาวันกินคนทีเดียวเราไม่น่าจะบุกเข้ามาพบวรรคสุดท้ายจนถึงที่นี่เลยถ้าเขาจะตายเพราะเถินรกนี่อย่างที่เราเข้าใจ เราก็ควรจะพบซากโครงกระดูกของเขาอยู่แถวริมริมโดงด้านนอกไม่ใช่เลอรวมทั้งซากสัตว์พวกนี้ด้วยจะผ่านเข้ามาจนถึงในนี้ได้ยังไงทุกคนพลอยฉงนไปกับข้อคิดของหลอนแต่พรานใหญ่ตอบมาว่าคุณลืมนึกถึงการเวลาไปซะแล้วเหรอล้วได้คำยืนยันจากข้อพิสูจน์ของหมอดารินว่าโครงกระดูกทั้งสองนี่ตายอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสี่สิบปีในระยะเวลาที่ล่วงมานี่ สภาพของต้นไม้กินคนเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปได้มากทีเดียวแต่เดิมตรงนี้นะอาจเป็นบริเวณชายดงของมันก็ได้ต่อมาก็มีต้นอื่นๆงอกเจริญเติบโตออกไปรอบๆทำให้ขยายอาณาเขตดงของมันออกไปเจ้าต้นที่จับเขากินเป็นอาหารนี่ก็เลยกลายเป็นต้นที่เราดูในขณะนี้ว่าขึ้นอยู่ใจกลางหรือมิฉนั้นคนเคราะหร้ายทั้งสองก็อาจหลวมตัวเข้ามาและถูกรุมเล่นงานเหมือนอย่างที่พวกเราโดนเข้าแต่แรก แล้วเขาก็ดินรนต่อสู้ทำนองเดียวกันที่เราสู้มันตะกี้จนกระทั่งในที่สุดก็มาพบวาระสุดท้ายเอาตรงนี้โดยดินไม่หลุดจริงของคุณแต่ปัญหามันก็มาอยู่ที่คำถามที่ทำให้หมอดารินโมหูมันตะกี้นั่นแหละคือทั้งสองคนน่ะเป็นใครใชัยยันว่าระหว่างที่คนอื่นๆพยายามอ่านรูปการรพินเดินตรวจค้นหาหลักฐานไปตามกองกระดูกขาโพลเหล่านั้นไม่ถึงอึดใจ เขาก็พบปืน2กระบอกจมดินปริมๆริมอยู่โดยมีกองกระดูกสัตว์ทับไว้อีกทีหนึ่งหน้าตาของมันนั้ไม่เหลือความเป็นปืนอยู่แล้วนอกจากสันฐานเท่านั้นเชษ ฐ, ฐากรชายันก็ก้าวเข้ามารับเอาไปตรวจพิจารณาดูคนละกระบอกสำหรับกระบอกของชายันนั้นมองเห็นได้ชัดว่ามันเป็นลูก2องแฝขนาด12นกนอ ก, นอกรุ่นดามัสกัตส่วนอีกระบอกหนึ่งเป็นไรเฟิลแบบลูกเลื่อน สนิมและขี้ดินจับซะจนไม่สามารถจะขยับลูกเลื่อนได้ลำกล้องและโครงเหล็กก็ผุกร่อนจนมองไม่เห็นตัวอักษรใดๆทั้งสิ้นอีกสามคนก็เข้ามามงดูอย่างงงๆเชื่อวาควักมีดพับสปริงออกมาขุดดินและสนิมตรงบริเวณปากกระบอกออกเพื่อให้เห็นรูลำกล้องได้ถนัดปืนอะไรนี่หัวหน้าคณะพึมพำพยายามใช้สายตาวัดดูจากขนาดของปากลำกล้อง จุดสี่ศูนย์สี่ริมเลสไนโอหรือว่าจุด4ี่ศูน c h e s t e r เอตอร์อาจจะเป็นจุด45หถึง70 Government, กัฟวอเมนก็มังยชยันเดาหรืออาจจะเป็นจุด5้าทับสี่ไซลิลมาตินี่เฮนรี่ก็ได้นะเพราะช่วงของลูกเลื่อนไม่ยาวมากนะมาเรียออกความเห็นมาบ้างเมื่อเห็นขนาดช่วงของลูกเลื่อน ที่เชฐดาเอามีดพับขูดสนิมออกแต่ดารินแย้งว่ากระสุนจ .57 หจดเับสีเท่าที่เห็นส่วนมากนะเป็นไรเฟิลแดแต่นี่มันเป็นแบบลูกเลื่อนเคยมีไรเฟิลแบบบอลแอคชั่นผลิตโดยโรงงานใดสมัยใดเพื่อใช้กับกระสุนชนิดนี้เหรอเชษาถาหลบไปทางจอมพรานเหมือนจะหยางความเห็นก็ได้ยินเสียงบอกมาต่าๆว่า 10.7 ห มมเมาเซอร์ครับคงเป็นปืนประจำมือของฝรัง่งส่วนลูกสองแฟดนั่นก็น่าจะเป็นพรานพื้นเมืองที่มาด้วยนั่นเป็นการตัดสินข้อโต้เถียงและกังขาของทุกคนลงเพียงเท่านั้นเกี่ยวกับชนิดและขนาดของไรเฟิลกระบอกนั้นเชษฐาใช้สันมีดโบวีเคาจะจนลูกเลื่อนหลุดออกมองเห็นรังเพลิงอันเกลกรังไปด้วยสนิมได้ถนัดแล้วก็ยอมเห็นด้วยกระสายตาอันชนานาญของพรานใหญ่ สัต์อย่างหนึง่งไรเฟิลอีกอย่างหนึง่งคนยังระพินไครวันจะไม่มีวันอ่านคลาดเคลื่อนผิดไปเลยฝรั่งคนหนึง่งผ่านพื้นเมืองอีกหนึง่งบุกบันผ่านมาถึงที่นี่ก่อนหน้าเราประมาณ4ี่สิปีและได้มาพบวาระสุดท้ายเอาในดงต้นไม้กินคนนี้ทำยังไงเราถึงจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและมาเพื่ออะไรเสียงพึพมพำเหมือนจะรำพึงกับตนเองแผ่วเบาดวงตาหลีลง ขณะที่มองจับนิ่งไปยังหัวกระโหลกของชายชาวยุโรปซึ่งสันนิษฐานผิดไปจากอีกกระโหลกหนึ่งอย่างแน่ชัดทัานใดนั้นอะไรชนิดหนึ่งผ่านแวบไปในความคิดของชายหยัดจำกันได้ไหมข้ายิงเคยบอกกับเราไว้ครั้งหนึ่งว่าสมัยที่มันยังเป็นเด็กอยู่มีฝรั่งนักสํารวจกับพม่า ก, กลุ่มหนึ่งผ่านมาที่หลมช้างแล้วก็เข้านรกดบโดยมีเจตนาที่จะมุ่งไปเทือกเขาพระศิวะ จากนั้นก็หายสาบศูนย์ไปทางคณะโดยไม่ได้ข่าวอีกเลยอะงั้นก็เรียกขยินเข้ามาสอบถามรายละเอียดอีกครั้งสิกระพินเชิฐาสังพรานใหญ่ดีดนิว้วเรียกเจ้านายบ้านหลมช้างเข้ามาสอบซักอะไรอยู่ครู่ก็บอกว่าคณะนั้นมีอยู่หกคนครับเท่าที่มันจำได้เป็นคนผิวขาวสามพม่าอีกสองแล้วก็พรานน้ทางเป็นชาวขชินถ้งนั้นก็ไม่ควรจะเป็นคณะนั้นแน่ เพราะเราพบโครงกระดูกแค่สองเท่านั้นนี่ดารินว่าแต่ก็ไม่แน่นักนะว่าจะไม่ใช่เพราะระหว่างการเดินทางรอนแรมมาทั้งคณะหกคนอาจค่อยๆตายกันไปเป็นลำดับทีละคนสองคนก็ได้และในวาระสุดท้ายก็เหลืออยู่เพียงแค่สองซึ่งมาพดจุดจบพร้อมกันที่นี่เชื้อท้าแยงมาอย่างใคร่ครวญลึกซึ้งและมันก็มีเหตุผลน่าคิดอยู่เหมือนกัน ชัยันหันมาสกิดแขนจอมพรานพยักหน้าชวนมาว่าช่วยกันค้นหาดีกว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าเราน่าจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะเขามาตายอยู่ตรงนี้สิ่งของติดตัวก่อนตายก็ควรจะตกหล่นอยู่ในละแวกนี้แหละทั้งสองช่วยกันใช้มีดขุดซาะค้นหาไปตามกองกระดูกเหล่านั้นพร้อมด้วยสายตาอันพิเคราะห์เจถาคงถือใต้ติดไฟลุกชนอยู่ในมือเช่นเดิม และร้องสั่งให้พวกลูกหาบคอยระวังอย่าให้ใต้ใครดับเป็นอันขาดเพื่อคอยคุ้มกันมริตยูจากเถากินคนซึ่งม้วนหดอยู่เหนือศีรษะของทุกคนในขณะนี้ใจใหญ่ๆต่อมาชายันก็พบมีดเน็บสนิมจับเต็มอีกเล่มหนึ่งลักษณะเป็นมีดของพวกขชินและระพินก็ขุดแซย่ามหนังแบนๆขึ้นมาได้จากใต้ผิวดินไม่ลึกเกินไปนักรูปร่างเหมือนย่ามใช้ผูกติดกะอานมา ในขนาด8คูณ12นิ้วมีรอยเปื่อยขาดผุพังด้วยการเวลาที่ฝังจมดินอยู่พอค่อยๆบรรจงเปิดออกดูมันก็ขาดยุยออกจากกันง่ายได้สมุดปกหนังบอกสีสันไม่ได้เล่มหนึง่งหลุดร่วงออกมาและนั่นเป็นสิ่งเดียวที่บรรจุอยู่ในย่ามลูกนั้นอีกสามคนที่ยืนดูอยู่ก็ทลันพรวดเข้ามาทันทีเมื่อเห็นชัดว่ามันเป็นเอกสารดูให้ดีสิสมุดอะไร บันทึกประจำวันหรือเปล่าเฉิถฐาร้องเร็วหรือออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นยอมพรานกัดริมฝีปากเบาๆตาเป็นประกายค่อยบันจงเปิดสมุดที่มีส่วนหนาประมาณสองนิ้วนั้นขึ้นอย่างแผ่วเบาระมัดระวังท่ามกลางการมุงล้อมดูของทุกคนหน้าต้นๆและในตอนท้ายๆซึ่งหนาประมาณสองสเซนติเมตรมีสีแดงคล้ำและยุ่ยเหมือนกระดาษฟางกาะไปกันแน่นแทบจะเป็นเนื้อเดียว เพราะสภาพอันจมดินไม่สามารถจะแกะออกจากกันได้บางส่วนก็หลุดร่วงขาดออกจากเล่มคงมีก็แต่ตอนกลางๆเล่มเท่านั้นที่ยังพอเปิดพลิกได้ในนั้นบรรจุรางเลือนด้วยอักษรหมึกดําไม่เพียงแทบจะอ่านไม่เห็นเพราะความลบเลือนเท่านั้นภาษาที่ใช้เขียนละพินไทวันก็แกะไม่ออกและเดาไม่ถูกแม้ว่าส่วนมากของมันจะเป็นตัวโรมันไน์ก็ส่งไปให้หัวหน้าคณะ ที่ถารับมาพยายามเพ่งแล้วขมวดคิ้วลักษณะมันเป็นไดอารี่หรือสมุดบันทึกประจำวันแน่แต่เขียนด้วยภาษาอะไรกันนี่ไม่ใช่อังกฤษฝรั่งเศสหรือเยอรมันดารินกับชยันก็งงทันทีนั้นทุกคนก็หันขวับมาเป็นตาเดียวเมื่อเสียงต่ำๆของมารียฮอฟมันดังมาว่าขอฉันดูสิครับพี่ใหญ่ตังนึกมาได้บัดนั้นว่า มาเรียเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ควรจะรู้ได้ดีกว่าคนอื่นๆเพราะหล่อนเป็นนักในรุกติศาสตร์เชี่ยวชาญในรากฐานของภาษาอยู่แล้วเชิดารีบท่งสมุดเก่าคร่ำเล่มนั้นไปให้โดยเร็วภายหลังจากเพ่งตัวอักษรลายมืออันพร่าเรือนเหล่านั้นอยู่อึดใจเดียวพัญญาไม้ของดออรฮอกกันก็อุทานออกมาเบาๆภาษาดานิชดานิชเด้อดาริา น, า น, า น, า น, านร้องก็แปลว่าเจ้าของลายมือผู้บันทึกมัน หรืออีกในนึงคนตายที่เหลือโครงกระดูกให้เห็นอยู่นั่นต้องเป็นชาวเดนมาร์กนะ่สิเพื่อนสาวก้มศีรษะลงภาษาที่เขาเขียนไว้เป็นหลักฐานในคนพบนี่ควรจะบอกเชื้อชาติของเขาได้ชัดทีเดียวฝรั่งเดนมาร์กเลยครับเสียงพรานใหญ่ร้องถามเ บ, บาๆก็ไม่บอกว่ายัางนั้นนี่ชัยยันตอบหน้าตาตื่นทุกคนเห็นมาเรียพึมพำอ่านเป็นภาษาดานิช ทำปากขมุบขมิบอยู่ครู่ก็เงยหน้าขึ้นโดยเร็ ว, รวน้อยเธออ่านลักษณะของโครงกระดูกและทายช่วงเวลาของมันได้อย่างแม่นยำเหลือเกินละ่ะหมายความว่าไงละ่ะก็ในบันทึกนี่เอ่ยอ้างถึงวันเวลาที่เขาเขียนข้อความไว้ด้วยละ่ะมันเป็นวันที่13บสามเดือนธันวาคมคริสตศักราชน้ายหนับย้อนหลังจากนี่ก็สี่สิบปีตรงเพงกับที่เธอกะไวเลย ทุกคนเต็มไปได้วยความตื่นเต้นกระตือร้นขึ้นมาในทันทีนั้นเมื่อทราบว่ามาเรียรสามารถอ่านข้อความในสมุดบันทึกของคนตายได้คุณอ่านมันได้เข้าใจเข้าใจดีหรือเปล่าละเมชัยันถามมาโดยเร็วอย่างกระหายก็ถ้ามองตัวอักษรได้ชัดก็พอจะอ่านออกละฉันเรียนภาษาดานิชในมหาวิทยาลายัยเป็นภาษาที่เลือกเรียนได้โดยสมัครใจแต่พระเจ้าทรงปโปรดเถอะ ตัวอักษรที่เขียนไว้เหล่านี้นะ่ะมันพร่าเลือนเต็มทีบางประโยคยางจะมองไม่เห็นเลยและส่วนมากก็ขาดหายไปหล่นพึมพำเหมือนจะพูดกับตนเองพยายามพลิกเปิดดูอย่างระมัดระวังที่สุดแล้วตอบมาว่าตอนต้นๆน่นนะเลือนหายไปหมดแล้วแรู้สึกว่าตอนท้ายๆนี่อาจพอค่อยๆแกะคล้ำไปได้เพราะมันเป็นส่วนที่ตรงกลางของเล่มสมุดพอเหลือคาเห็นอยู่บ้าง และตอนท้ายๆนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นบันทึกครั้งล่าสุดในชีวิตของเขาก่อนวาระสุดท้ายซะด้วยสิก่อนที่ใครจะขยับปากเอ่ยถามคําใดต่อมานั่นเองเชษฐาก็แทรกขัดขึ้นรางคันว่าเก็บไว้ก่อนเมสมุดบันทึกของคนตายเล่มนั้นเราจะต้องการรู้อย่างที่สุดว่าเขาเขียนไว้เช่นไรและเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องแกะออกมาให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ เราต้องออกจากดงต้นไม้กินคนนี่โดยเร็วไปให้พ้นจากที่อันตรายนี่ซะ ก, ก่อนเถอะมาเรียกเก็บสมุดบันทึกเล่มนั้นเข้าเฟ้หลังยกมือทําอาเมนให้กับซากโครงกระดูกทั้งสองและทั้งหมดก็รีบพรุดตัดทางเพื่อจะออกให้พ้นจากบริเวณดงต้นไม้นรกบ่ายหน้าไปยังหน้าผาอันเป็นทิวเขียวชอุ่มซึ่งเห็นอยู่โดยเร็วเจ้าของบันทึกบอกหรือเลัาว่าเขาเป็นใครชื่ออะไร ดารินแอบกระซิบถามเพื่อนสาวขณะที่เดินเคียงมาด้วยกันมาเรียสันศีรษะยังอ่านไม่พบเลยในบันทึกเท่าที่เห็นเรียกตัวเองว่าข้าพเจ้าเขียนลงเป็นบันทึกประจำวันชนิดวันต่อวันพ น, นาถึงความยากแค้นทุรกันดาลและมหันตภัยที่เผชิญเฉพาะหน้าสองเฉพาะหน้าสองหน้าที่อ่านพบเป็นการบอกไว้แต่เพียงห้วนๆสั้นๆเท่านั้นพันทีที่เราพัก ฉันจะพยายามแกะออกมาให้ละเอียดที่สุดฉันเองก็ร้อนใจกระหายที่จะได้รู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนซึ่งล่วงหน้ามาก่อนเราเมื่อ42ปีก่อนเหมือนกันไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้มาพบกับหลักฐานของนักสำรวจรุ่นก่อนๆที่เอาชีวิตมาทิ้งซะในโดงนี้เห็นโครงกระดูกซังครั้งแรกบอกตามตรงว่าฉันใจหายหมดนึกว่าเป็นซากของพี่ชายกับพรานคู่ใจของเขาดารินพูดแผ่วเบา คงจะต้องมีคนได้เคยพยายามที่จะบุกบันไปยังเทือกเขาพระศิวะมาก่อนหน้าที่พี่ชายของเธอเช่นนักต น, นักแั่นแหละและคงจะเป็นช่วงเวลาที่ติดต่อกันมานับศตวรรษทีเดียวแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นใครบ้างที่ทำได้สำเร็จถ้าจะนับเวลาสำหรับรายฝรั่งเดนมาร์กนี่มันผ่านมาเพียงแค่ 4.2 ปีนี่เองอาจเป็นรายล่าสุดที่มู่แสวงหาขุมทรัพย์เพชรพระอุมาก่อนหน้าพี่ชายของเธอ นักมนุษยวิทยาฝูนยิ้มกล่ำมกลืนอะไรชนิดหนึ่งลงสู่ลำคออันแห้งผากไม่ใช่หรอกนั่นนะ่ะไม่ใช่รายล่าสุดก่อนหน้าพี่ชายฉันจะหลงหายก็ไปสู่ชะตากรรมอันทายไม่ถูกหรอกยังมีรายล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้เองห่างไปจากการจากไปของพี่ชายฉันเพียงไม่กี่ปีใครก็นักสำรวจชาวพมา่าชื่อเนวินจับคณะของเขาคนที่สมสารกลับมาตายต่อหน้าพรานใหญ่ระพินของเรา และก่อนตายได้เปิดเผยเรื่องนี้พร้อมทั้งมอบลายแทงให้พรานใหญ่ด้วยลายแทงอันนี้แหละที่อยู่ในมือของราพินน์ที่เป็นต้นเหตุให้พวกเราต้องดันด้นมาว่าจ้างเขาให้นําทางหฮะยังงั้นน่ะฉันไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนนี่ราพินอาจไม่ได้เล่าให้เธอฟังแต่เขาเล่าให้เราฟังเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวพันอยู่กับการเดินทางครั้งนี้ลายแทงอันนี้หรือเปล่าละ่ะที่เงาทายขโมยไปอ่ะใช่อันนี้แหละ พวกเราถึงต้องกระเสริร์กระเซิร์ติดตามแงาซายอยู่นี้ไม่มีลายแทงนั่นสัอย่างเดียวเราก็ไม่รู้ที่จะเดินทางกันต่อไปยังไงฉันยังไม่เข้าใจอะไรกระจ่างนักนะน้อยพี่ชายของเธอเดินทางสูญหายไปในดงลึกการติดตามถือหลักอยู่ที่ลายแทงเก่าแก่ชิ้นนั้นมันจะมีความหวังได้ยังไงว่าเราจะได้ร่องรอยจากเขาถ้าจะพูดถึงหลักเกณฑ์แล้วนะ่ะเราไม่มีอะไรเลยละเม มืนงมเข็มในมหาสมุทรแต่เราก็มีความหวังอยู่เพียงริบรีคือรู้แน่ว่าเขามุ่งหน้าไปเทือกเขาประสิวะไงเพราะที่นั่นเป็นแหล่งขุมเพชร ท, ที่ฟังดูเหมือนนิยายสุดนลายแทงอันนั้นก็เป็นเครื่องชี้ทางให้เราบ่ายหน้าไปถึงที่นั่นได้หากไม่ตายซะก่อนในเมื่อจุดหมายปลายทางอยู่ที่เดียวกันเขาล่วงหน้าไปก่อนเราตามไปทีหลังเราก็อาจจะได้ร่องรอยอะไรของเขาบ้างนี่คือความหวัง นี่คือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการติดตามไงนี่ถามจริงนะน้อยมาเรียเอยขึ้นทอดระยะไปครู่นึงคณะของเธอติดต่อเจราจากับไพรวันยังไงเขาถึงยอมตกลงรับจ้างนำทางในครั้งนี้ทั้งๆ ท, ที่เขาก็รู้ตัวล่วงหน้าอยู่แล้วนะว่าทางตายนะมันมีมากกว่าทางรอดทางล้มเหลวมีมากกว่าทางสำเร็จมันเหมือนกับเอาชีวิตเข้ามาทิ้งจะปเปล่าอย่างน่ะ นั่นเป็นการสนทนากันอย่างเปิดใจพูดถ้อยทีถ้อยอาศัยของสองหญิงผู้เคยกินเหลี่ยมสงวนคมและเฉื่ยเฉื่อย ช, อนชันเชิงกันมาโดยตลอดดาริงยักไหลมองไปยังร่างปราดเปรียวของจอมพรานรพินผู้เดินดุมรุดหน้าไปเบื้องหน้าราวกวิญญาณและร่างกายจะประกอบขึ้นโดยเหล็กไหลดวงตาทั้งคู่ของหลอนเป็นประกายสุกใสขึ้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเมก ครั้งแรกที่เจราจาน่พวกเราผิดหวังกันหมดเพราะเขาปฏิเสธทันทีแต่แล้วพอวันรุ่งขึ้นเขาก็ตกลงรับนำทางฉันก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเขาไม่ตกลงรับนำทางเราในครั้งนี้เขาก็ไม่ควรจะเป็นระพินไพรวันดังเช่นที่กิติศัพท์ระบือกล้องมันเกี่ยวกับศักดิ์ศรีอันยิ่งใหญ่ของเขาด้วยนั่นสาคัญกว่าเงินค่าจ้างหรือเงื่อนไขตอบแทนทั้งปุ่มาเรียพยักหน้าอย่างเข้าใจ สุเพียงไม่นานนะตามก็พ้นดงไม้มหัศสะจรรันบรรลุถึงหน้าผาที่หมายตาไว้โดยสวัสดิภาพไตขึ้นไปบนเนินลาดประมาณสามสิบองศาในระหว่างหมู่ไม้และก้อนหินที่ขึ้นเรียงรายอยู่เป็นหย่อมหยอพอพ้นแนวบังของหินก้อนใหญ่สันฐานคล้า ย, ายช้างหมอบระพินผู้นำเบื้องหน้าเป็นคนแรกก็โผกลับออกมาโบกมือให้กับพัรพวก ที่กำลังทยอยไตย่ตามกันขึ้นมาพร้อมด้วยรอยยิ้มอันแช่มชื่นพบน้ำแล้วครับจิงของก็หยินมาละความกระปุกกระเปียดแทบจะหมดกำลังใจเดินของทุกคนก็สลายไปในบัดนั้นพากันกัดฟันเร่งกำลังไต่ขึ้นมาโดยเร็วมันเป็นแอ่งน้ำมวกอยู่ใต้หินใหญ่ลูกนั้นนั่นเองลักษณะกลมรีเหมือนอ่างรูปไทยเนื้อที่ประมาณห้าตารางวา น้ำสีขาวมัวเหมือนเจือดินสอพองแต่เย็นเฉียบทุกคนเต็มไปได้วยความปิติยินดีเหมือนเห็นสมบัติแต่แล้วก่อนที่ใครในคณะจะตรงเข้าดื่มกินให้สาสมกับความกระหายนั่นเองดารินก็ร้องทวงขึ้นโดยเร็วว่าเดี๋ยวก่อนเราจะได้รู้ว่าน้ำนี่กินได้หรือเปล่าต้องดูกันก่อนยินรับรองนาะยหญิงสเสน่ห์จันทร์ขึ้นเต็มไปหมดแถบนี้น้าต้องกินได้แนะ่ เจ้านักเลงโตหลุ่มช้างยืนยันมาอย่างลิงโลดจัดแกงจุ่มหน้าลงไปก่อนเป็นคนแรกฉันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นพิษเพราะแร่ธาตุหรือพวกใบไม้หรอกแต่มันอาจเหมือนกับแอ่งน้ําแห่งแรกที่เราผิดหวังมาแล้วก็ได้หลอนพูดอย่างหวัดๆภาพของเจ้าผีตายซากที่ลงไปนอนแช่อยู่ในแหล่งน้ําซึ่งพบครั้งแรกยังติดตาหลอกหลอนความรู้สึกจิมันเป็นความรู้สึกสังหรณ์ที่เกิดกับตัวหลอนคนเดียวเท่านั้น ชายันกำลังซุดตัวคุกเข่าวักน้ําจะใส่ปากก็หยุดชะ ง, งักเงยขึ้นทําไมหลหรอน้อยเธอกลัวอะไรดารินยิ้มเฟื่องเฟื่องอ้าวใครจะไปรู้ได้ล่ะว่าในก้นแอ่งจะไม่มีไอ้ตัวอะไรลงไปนอนแช่อิ่มอยู่อีกเหมือนอย่างที่เราเจอกันตอนนั้นน่ะน้ํามันขุนมัวมองไม่เห็นก้นแอ่งซะด้วยสิหรือไหลหน้าน้อยไอ้ผีน่ะมันจะมันนอนอยู่ในแอ่งน้ํานี่ก้อยมันรู้ไป แต่ตอใมันมานอนเขาก็จะกินละ่ะคืนหวังน้ําบ่อหน้าต่อไปลรามีหวังตายก่อนแนะ่ลองดูก่อนก็ได้ครับว่ามันจะมีอะไรอย่างที่คุณหญิงระแวงหรือเปล่าพรานใหญ่ว่าพร้อมกันเขาก็หย่อนตัวลงในแอ่งน้ํามวกนั้นมันลึกขนาดขาอ่อนของเขาค่อยๆเดินท่องวนเวียนเอามือควานงมไปรอบๆแล้วสปริงตัวขึ้นมานั่งบนขอบหินอีกด้านหนึ่งถอดหมวกออกวักน้ําใสสีสัน มองหล่อนยิ้มยิ้มไม่กล่าวว่าอะไรทั้งสิ้นดารินจ้องขม็งต่อมาก็เห็นเขาจุ่มหน้าลงไปดูดน้าขึ้นกินหน้าตาเฉยเมื่อนั้นเองทุกคนที่รังรออยู่ก็หมดอาการลังเลกดเครื่องหลังวางปืนลงแยกย้ายกันฟังภาพอยู่รอบๆขอบแองเพื่อดับกระหายยกเว้นดารินคนเดียวซึ่งยังยืนจ้องหน้าพรานใหญ่อยู่เช่นนั้นถามอออยมาว่า ไม่มีอะไรลงไป น, นอนอยู่แน่นะในพรานถ้ามีก็ดีสิครับคุณหญิงเรากำลังอัตคัดขาดแคลนอาหารอยู่ด้วยอย่าได้ล่าขึ้นมาต้มซุปกินซะเลยสงสัยมันจะรู้แกวเลยไม่กล้ามานอนแช่อยู่อีกระพินตอบหน้าตายอีกฝ่ายยิ้มไม่สนิทนักค่อยเบาใจแช่มชื่นขึ้นสังเกตจากแสงตะวันที่เจือจางรีโรยลงทุกทีทุกคนระหนักดีว่า ไม่มีทางที่จะขยับขยายเดินต่อไปได้ซะแล้วนอกจากหยุดพักกันอยู่ที่บริเวณแอ่งน้ำมวกแห่งนี้รอวันใหม่ประกอบกับความอ่อนเพลียละเหียโหยจากการกลากรมหนักมาทั้งวันขณะนี้ทั้งหมดนอนพักเหยียดยาวกันอยู่รอบๆขอบแอ่งมีความรู้สึกอยากจะหลับไปในทันทียกเว้นเชษฐาคนเดียวภายหลังจากพักดื่ม น, น้าอยู่ครู่ก็เดินอ้อมลงมายังจอมพรานผู้นั่งเหยียดเท้า เอศีรษะพิงแงหินอยู่ชุดตัวลงใกล้ๆควักบุหรี่ออกมาจุดสูดแล้วส่งให้ตัวหนึ่งเวลาเท่าไหร่แล้วครับอีกยี่สิบสองนาทีจะห้าโมงเย็นครับวันนี้เราเดินหาน้ำจะทั้งวันและหินจะต้องสิ้นสุดเอาชั่วคราวที่นี่เองเพราะประเดี๋ยวก็มืดแล้วนะเอาที่นี่ก็เอาครับพวกเราหนาหมดแรงกันเต็มทีแล้วให้พวกลูกหาบนอนพักพอหายเหนื่อยสักครู่และสั่งให้จัดการวางแคมขึ้นที่นี่แหละ สังเกตอะไรหรือเปล่าครับอะไรเหรอก็น้ําที่เงาทรายใส่กระบอกนําไปตั้งไว้ให้ผมกับน้ําในแองเนี่ยมันเป็นน้ําชนิดเดียวกับน้ํามวกเชิฐถาลืมตาโผล่เออจริงสิผมเพิ่งนึกออกเดี๋ยวนี้เองนั่นก็แปลว่าเงาทรายมาเอาน้ําจากที่นี่เองครับยกเว้นแต่ว่าจะมีแหล่งน้ามวกอยู่ในละแวกนี้ไม่เกินรัศมีสองกิโลเมตรนี้อีก สมมุติว่าเงยสายมาตักน้ำจัดที่นี่ไปหัวหน้าคณะกล่าวตื่นตื่นมองไปรอบด้านด้วยแววตาอันเต็มไปด้วยความพิศวงมันจะผ่านดวงต้นไม้กินคนเข้ามาได้ยังไงอาจมีทางมาถึงที่นี่ได้โดยไม่ต้องผ่านดวงต้นไม้กินคนเหมือนอย่างที่เราผ่านกันมาก็ได้นี่ครับมาเดี๋ยวผมจะลองเดิเดนตรวจ ด, ดูกล่าวจบพรานใหญ่ก็ยันตัวลุกขึ้นยืน ขาดนั้นเองสั่งปลาผู้ทําหน้าที่ตักน้าใส่กระบอกและนำไปราดตัวนายสาวผู้นอนคว่มหน้าเหยียดยาวอยู่บนพื้นหินห่างออกไปทางหนึ่งจนเปียกชุ่มและเดินขนน้ำอยู่หลายเที่ยวก็มาหยุดชะงักยืนตาเหลือกตัวแข็งเหมือนกลายเป็นหินไปชั่วขณะเมื่อก้มลงไปมองที่พื้นรงตำแหน่งที่มันกำลังจะก้มตัวลงไปตักน้ํานันนันนนาย เสียงเจ้าตองสู่หลุดปากออกมาสันกระซาวปล่อยกระบอกไม้ไผ่ร่วงลงพื้นรับหินกับเช่ดถาหันขวับไปในทันทีนั้นนั่นนน่ายนาายมาๆๆดูอะไรนี่นๆดีเร็วเร็เร็วครับครับรานใหญ่โจรผึ้งเดียวข้ามขอบแอ่งเข้าไปถึงตัวส้่งปลาเชษฐถาก็เพนตามติดเข้ามาดารินกำลังนั่งเหยียดเท้าหลังพิงก้อนหินหลับตาอยู่ข้างๆชัยยันสะดุ้งลืมตาขึ้น ในขณะเดียวกันมาเรียผู้นอนเกลือกน้ำอยู่ก็พงกศีรษะเหลียวกลับมาเพราะแววในสิ่งผิดปกตินั้นชั่วพริบตาต่อมาทั้งคณะก็กรูเข้ามายังตำแหน่งนั้นพร้อมกันหมดบริเวณดินปนกรวดใต้เชวกหินอันเป็นบริเวณขอบแอ่งน้ำมวกด้านในสุดรอยตีนหนึ่งเหยียบประทับไว้เพราะดินบริเวณนั้นอ่อนนุ่มกว่าทุกตอน น้ำหนักตัวอันมากมายทำให้มันปรากฏลึกชัดเจนเห็นเป็นเบา อ, อุ้งครกหมดทุกนิ้วขนาดชามกะละมังย่อมย่อมมันเป็นรอยของไอ้ดำมาหาการตัวนั้นหรือมิฉะนั้นก็อาจเป็นตัวอื่นที่มีขนาดใหญ่มาคือมาเท่ากันพรานใหญ่กว่าตาไล่หารอยตีนั้นไปในละแวกรอบด้านอย่างรวดเร็วพื้นตรงอื่นเป็นหินแข็งหมดมีเฉพาะที่อ่อนนุ่มใต้ชเวกหินก้อนนั้นเท่านั้น แล้วก็ปรากฏให้เห็นเฉพาะเท้าคู่หน้าสองข้างในลักษณะหมอบกินน้ำไม่เหลือเกินเขาพิมพ์มพันจ่องรอยนั้นเขมิงในขณะที่ทุกคนเงียบกริบรู้สึกว่าจะไม่กี่นาทีก่อนหน้าที่พวกเราจะมาถึงนี่เองรอยลงกินน้ำมาเรียพูดเหมือนกระซิบกับตนเองเหลยวไปรอบๆดูให้ดีสิไอ้ตัวเดียวกับตัวนั้นหรือเปล่าเชทาว่า มันล่ะนายถ้าเป็นตัวอื่นก็แปลว่าขนาดมันจะต้องเท่ากัน <c oughs> บุญคำร้องออกมาเบาๆถ้าเป็นตัวเดียวกันมันจะมาจากทางไหนล่ะนี่พอตะครุบเชิดถาผิดพวกเราไล่ ย, ยิงเพนอ้าวไปมันก็ย่องมาดักหน้ากินน้ำในแอ่งที่เราบายหน้ามันนี่เนอะอดีตนายทหารปืนใหญ่ถามโพ่งขึ้นลอยๆพื้นแข็งและแห้งสนิทจนไม่ทิ้งรอยอื่นๆไวเลย นอกจากเฉพาะตีนคู่หน้าที่มาหมอบกินน้ำอยู่นี่เท่านั้นแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือมันล่วงหน้ามาก่อนเราและไม่ได้ผ่านดงเถากินคนจะต้องมีทางอื่นอย่างที่คิดกันไว้แน่นอนอาจเป็นทางเดียวกับที่แงซายมาตักเอาน้ำที่หนี่ไปก็ได้ระพินตอบระหว่างนี้บรรดาพรานพื้นเมืองของเขากระจายกันตรวจรอยรอบด้านคงมีแต่สางปลาคนเดียวเท่านั้นที่ยังยืนงันอยู่กับที่เห็นกันได้ยังไงนี่ ทำไมเมื่อตะกี้ตอนที่เรามาถึงใหม่ๆถึงไม่เห็นละ่ะดารินถามขึ้นบ้างเราไม่ทั้สังเกตให้ทั่วทุกคนกระหายน้ำและเหนื่อยจัดอีกอย่างหนึง่งรอยตีนมันก็ไปปรากฏอยู่ที่ใต้เวิ้งหินนี่พวกเราไม่ได้เข้ามาตรงนี้แต่แรกนี่จึงไม่เห็นหน่าแปลกนะที่มันมากินน้ำแอ่งนี้ก่อนหน้าเรานิดเดียวมาเรียพูดพร้อมกับพยายามสำรวจดูที่พื้นหินใกล้เคียง กับบริเวณที่ปรากฏรอยเท้าหน้าของมันหมอบกินน้ำพลางกล่าวต่อมาว่ารอยที่มันเหยียบไว้เป็นที่เปียกชื้นอย่างน้อยที่สุดตอนกินน้ําเสร็จแล้วหัวลับรอยเปียกจากตีนของมันน่าจะประทับไว้ที่หินนี่บ้างและควรปรากฏอยู่พอให้สังเกตได้ถ้าระยะเวลามันไม่ห่างไปนักอย่างที่พรานใหญ่ว่าแต่นี่ไม่เห็นเลยคําพูดของแหม่มสาวผู้ชํานาญในการอ่านรอยไม่แพรพรานอาชีพ ทำให้ระพินฉุกใจคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างเขาจ้องดูรอยอันมีน้ำหนักกดลึกลงไปในผิวดินผิดปกติอีกครั้งแล้วเดินผะจับพักพวกที่จับกลุ่มกันอยู่อ้อมไปยังขอบแองฝั่งตรงข้ามรวจละเอียดไปตามพื้นแล้วทันใดนั้นก็ดีดนิ้วเป็นสัญญาณเรียกทุกคนทั้งหมดกระโดดข้ามขอบแองตรงเข้าไปทันทีมีเศษกรวดดินบางๆกระจายติดอยู่กับพื้นหินเรียบนั้น พร้อมกับรอยชื้นเป็นหย่อมหย่อมแล้วก็ค่อยๆจางหายเมื่อห่างปากแอว่งออกไปร่องรอยเหล่านั้นเบาบางจนแทบสังเกตไม่เห็นหากไม่ได้หลักฐานจากฝั่งตรงข้ามเป็นเครื่องยืนยันอยู่ก่อนมันกระโจนข้ามมาฝั่งนี้ชายยันร้องทุกคนมองตามรอยกรวดดินอันติดจากอุ้งเท้าหน้าและหล่นวายจนหมดระยะสั้นๆและจ้องสำรวจไปแนวเนินเบื้องหน้าซึ่งสลับซับซ้อนไปด้วยพุ่มพง และก่อนหินใหญ่น้อยอันแลดูกว้างขวางปราศจากขอบเขตเพราะมันเป็นตีนลูกเขาเพราะมันเป็นตีนลูกเขาใหญ่มีทิวสูงลิว่วทยานเยี่ยมเมฆมาจากทางด้านโน้นหมอบกินน้ำอยู่ริมแอ่งนั่นเสร็จแล้วก็กระโจนข้ามแอ่งมาฝากนี้เดินหายไปอีกด้านหัวหน้าคณะอ่านรูปการจากหลักฐานที่ค้นพบฉนึกแล้วละ่ะ มันไม่มีรอยหวนกลับมาทางเก่าและรอยเท้าคู่หน้าก็กดลึกมากลักษณะกระโจนมากกว่าจะมาเพียงแค่หมอบตัวกินน้ำอยู่เฉยๆมาเรียว่าพรานใหญ่ขยับตัวจะออกเดินตามดูต่อไปแต่เชิดฐานเหนียวแขนไว้อย่าเพิ่งเลยระพินไม่มีประโยชน์อะไรหรอกจับที่สำหรับพักนอนคืนนี้แล้วหาอะไรบรรจุกระเพาะกันไปตามมีตามเกิดดีกว่าถ้ามีเวลาเหลือก่อนมืดค่อยออกสำรวจ ระบินหันไปบงการคนของเขาและต่อจากนั้นเพียงชั่วครู่ที่แรมคืนชั่วคราวก็ถูกกำหนดขึ้นในชัยภูมิอันน่าจะให้ความปลอดภัยมากที่สุดในระหว่างหมู่หินที่มีด้านหนึ่งติดอยู่กับผาตัดสูงชันห่างจากแอ่งน้ำออกมาประมาณห0เมตรและสามารถจะมองเห็นแอ่งน้ำมวกได้อย่างถนัดทำไมเราไม่เลือกพักที่ริมแอ่งน้านั่นเชลเลยละ่ะสะดวกสบายกว่าที่นี่มาก ยายมาตั้งหลักตรงนี้ทําไมดารินเอ่ยถามเปลยเปลยขึ้นอย่างสงสัยเพราะแต่ไหนแต่ไรมาหลอนสังเกตเห็นจอมพรานตั้งที่พักอยู่ชิดน้ําเสมอยกเว้นพวกลําห้วยอันเป็นแนวน้ําไหลซึ่งเขามักจะหาที่พักนอนให้อยู่ในระดับสูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ําป่าอันมักจะพรวดพราดไหลบ่ามาได้โดยไม่มีค่าวให้รู้มาก่อนแต่แอ่งน้ําม่วกอันเล็กนิดเดียวไม่มีเหตุผลที่จะได้คิด ถึงเรื่องน้ำจะท่วมขึ้นมาได้อย่างกระทันหันเชษฐากับชั ย, ยันเองก็ชงดอยู่เหมือนกันแต่ก็ผ่านความสนใจไปซะโดยไม่ปิดปากถามขึ้นท่านใหญ่ไม่ตอบคำถามลอยๆนั้นยุ่งอยู่กับการขึงสายผ้าพลาสติกกันน้ำข้างอย่างแข่งกับเวลาซึ่งเป็นลักษณะอันคล่องแคล่วฉับไวของเขาประกอบกับการไม่พูดอะไรโดยไม่จาเป็นมาแต่ไหนแต่ไรมาเรียสุดตัวลงนั่งใกล้ๆเพื่อนสาว ผมมีแต่สองหญิงเท่านั้นที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากนั่งดูเฉยๆในระหว่างที่ทุกคนช่วยกันตัวเป็นเกลียวคนละไม้ละมืออย่างเคยชินฉันคิดว่าพรายวันรอบคอบแล้วละ่ะที่ย้ายมานอนกันที่นี่ทำไมละ่ะนั่นอาจจะเป็นแหล่งน้ำแห่งเดียวในดงมหาการนี่ที่พอจะอาศัยดื่มกินได้เราไม่รู้นี่ว่าในเวลากลางคืนอะไรจะลงมากินบ้าง ตรงนี้อาจจะเต็มไปด้วยสัตว์ไ ร, ร้กาดอันตรายสารพัดชนิดที่เราคิดไปไม่ถึงและทายกันไม่ถูกถ้าเราไปตั้งแคมป์ดักแหล่งน้ําเข้ามันก็ไม่เหมาะแน่เพราะมันอาจจู่โจมเข้าเล่นงานเราอย่างตั้งตัวไม่ทันสู้ย้ายหลบฉากมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้ามันมาเมื่อไหร่เราก็หินจะรับมือกับมันทันฉันอ่านว่าเขาคงกลัวเป็นอย่างมากถึงได้เลือกเอาสถานการณ์ปลอดภัยที่สุดไว้ก่อนซึ่งมันก็ถูกหลักแล้วป่าดงที่เราไม่เคยชิน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 เงาเห็นความมืดก็เริ่มคืบคลานเข้ามาอาหารไม่มีอะไรมากไปกว่าเนื้อละมั่งย่างรมควันซึ่งได้มาจากวันก่อนและเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยและเห็ดโคลนดอกใหญ่ที่มีเนื้อและรสชาติเหมือนไก่กับอาหารกระป๋องซึ่งร้อยรอลดปริมาณไปตามลําดับแบ่งสันปันส่วนกันกินไปตามมีตามเกิดเพื่อประทังชีวิตการร่วมเป็นร่วมตายกันอย่างแน่นแฟน้นผนึกทุกชีวิตให้กลายมาเป็นชีวิตเดียวกัน แค่แบ่งร่างกายกันออกไปเท่านั้นกลุ่มพรานไพรอันต่ำศักกลุ่มราชสกุลอันสูงสง่งแม่สาวอันเป็นเลือดยุโรปคนเหล่านี้นั่งรายล้อมกองไฟไล่ต่อไล่บียดชิดกระทบกันและแม้ว่ายามนอนเขาก็จะนอนแนบข้างกันและกันหรือมิฉะนั้นศีรษะก็จะประสานชนกันคนใดคนหนึ่งเจ็บปวดที่เหลือทุกคนจะมีความรู้สึกเจ็บปวดอันนั้นด้วย ยิ่งกว่าพี่น้องยิ่งกว่ามิตรที่สาบานกันไว้ในท่ามกลางแสงสีแห่งอารยธรรมพอกินอาหารเสร็จมาเรียก็งัดเอาสมุดบันทึกของคนตายเมื่อ42ปีขึ้นมาพยายามแกะข้อความอีกครั้งท่ามกลางการเฝ้ารอฟังผลของทุกคนที่มุ่งล้อมอยู่นักนิรุติศาสตร์สาวเลือดผสมพึมพำอ่านข้อความนั้นไปในภาษาที่ทุกคนฟังไม่เข้าใจอย่างตะกุบตกะกัก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 หากจับได้ต้นประโยคและท้ายประโยค <c oughs> ชัยันเร่งเราให้กำลังใจมาหล่อนยิ้มออกมานิดนึงอย่างฝืนๆชำเลืองแวบศกตาชัยันแล้วก้มลงอ่านต่อไปทมกลางความนิ่งเงียบรอคอยของทุกคนที่แวดล้อมจ้องมาเป็นตาเดียวครั้นแล้วต่างก็เห็นมาเรียมีอาการแปลกใจน้อยๆบอกมาทั้งๆ ท, ที่หน้าตาจับอยู่ที่หน้ากระดาษคร่ำค่านั่นว่า รู้สึกว่าเราพอจะรู้ชื่อเจ้าของบันทึกนี่แล้วล่ะเฉพาะตรงนี้นะ่ะเขาเขียนไว้ว่ากัาปเจ้าแจนครเมอร์ ramer, กําลังมองเห็นวาระสุดท้ายของตนเองอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้แล้วแล้วหล่อนก็เงยหน้าขึ้นแววตาขบคิดงุนงงชื่อของเขาไม่น่าจะเป็นชาวเดนเลยแจนครเมอร์ฟังฟังดูคล้ายจะเป็นพวกดัตช์อย่างนั้นแหละ แต่เขาเขียนไว้ด้วยภาษาดา น, นี้ไม่ใช่เหรอใช่เขาจะเป็นดัตช์หรือเดนหรือเชื้อสายอะไรก็ช่างเถอะนั่นไม่สำคัญหรอกเรารู้เดี๋ยวนี้ก็แล้วกันละว่าเจ้าของบันทึกนยะชื่อเจนแครเมอร์สิ่งที่เราต้องการอยู่อย่างยิ่งก็คือเขาบันทึกไว้ว่ายังไงอ่านต่อไปเรวเมมาริอาเบป้ปากเต็มไปด้วยความอัดอั้นบันใจ ขอบความที่ต่อกับตอนนี้นะมันจางหายไปหมดแล้วล่ะครับพี่ใหญ่มาพบรางรางอีกห้าบรรทัดข้างล่างนี่รู้สึกว่าเขาจะรำพันถึงความหิวโหวยอดอยากยากแค้นต้องการน้ำต้องการอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสองสารหน้าข้างต้นนี่ดูเหมือนจะได้ความชัดหน่อยครับพี่ใหญ่กล่าวจบหลอนก็บัรจงพลิกกลับไปยังซี่ตอนต้นจากนั้นห่างไปประมาณ7ถึง9หน้า แล้วก็นิ่งอ่านคนเดียวไปถึงร่วมสิบนาทีทำกลางความรอคอยฟังอย่างกระสับกระส่ายของทุกคนอพอจะสรุปจับข่าวได้แล้วแมมสาวบอกมาน้ำเสียงตืง่นตื่นคณะของเขาออกเดินทางกันมาหกคนค่ะกูเยอร์กาอเล็กซิสที่เอ่ยถึงนี่คงจะเป็นเพื่อนผิวขาวของเขาทินอองกะเซิงลานี่เป็นชื่อพมา่าส่วนตูเล่นี่น่าจะเป็นชื่อของพวกขชิน่น คณะของเชิฐาและศตารพินในทันทีนั้นและต่างก็เปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่ขยินเป็นตาเดียวถังนั้นก็ใช่แล้วละ่ะเขาจะต้องเป็นนักสำรวจคณะเดียวกันกับที่เคยผ่านลมช้างและขยินจำได้เมื่อเด็กๆตามที่มันบอกนั่นแหละอะแล้วยังไงต่อไปเชิฐถาพึมพันออกมาประโยคหลังหันไปซักถามโดยเร็วอย่างกระหายมาเรียปแปลโดยสรุปเป็นหน้าหน้าให้ทุกคนฟังว่า ทั้งคณะหกคนในเดินทางผ่านหลุมช้างบ่ายหน้ามาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเขาหัวแรงป่าใหญ่สงัดเงียบเต็มไปได้วยความรกทึบและกันดาลไม่พบสัตว์ชนิดใดเลยตลอดระยะการเดินสามวันแรกสเบียงและน้ำที่ติดตัวมาก็เริ่มหมดสิ้นไปเพราะบ่ายของวันที่สี่กรูเยอร์ก็เสียชีวิตเพราะไตเขาพลาดล่นลงไปในหิวไม่สามารถจะค้นศพได้หนึ่งละ ที่ตายซะ ก, ก่อนระหว่างทางอ่ะอ่านต่อไปซิเมย์ไม่ต้องแปลออกมาชนิดคําต่อคำหรอกเอาเป็นว่าอ่านให้เข้าใจและสรุปเล่าเราฟังแล้วกันชายันเต็มไปด้วยความกระตือรือรน้นอันเป็นอาการเดียวกับทุกคนที่จับตาขม็งมา <c oughs> อ่ะงั้นฟังนะตรงนี้เขาบอกว่าขนทางลนะทวีความกันดานขึ้นทุกขณะทุกคนอดอาหารมาเป็นเวลาสองวันแล้วคงเหลือแต่น้ํากระติกเดียวที่แบ่งกันกลั่วคอ พักนอนกันที่ปากถ้าแห่งหนึ่งพอรุ่งขึ้นทินอองก็นอนตัวแข็งไปซะแล้วมีบาดแผลจากงูพิษกัดเข้าที่หัวเขา่าอีกหนึ่งละรวมเป็นสองคราวนี้ก็เหลืออยู่สี่ตรงนี้เขาบอกอีกนะว่าเรากรำงานกันเรากรำกันต่อไปภายหลังเมื่อฝังศพทินอองอย่างลวกๆกน้ําหมดในวันนี้เองตกสายระหว่างเดินตามด่านช่างเข้าสู่หุบลึกแห่งหนึ่ง ก็พบควายป่าตัวหนึ่งนอนตายอยู่อย่างประหลาดทราบยังโสดอยู่แสดงว่าเพิ่งตายเมื่อคืนที่ผ่านมามีบาดแผลเป็นรอยเคียวขนาดใหญ่ฝังลึกบนก้านคอแต่ไม่มีรอยฉีกเนื้อกินพวกเราได้อาศัยเนื้อควายตัวนั้นประทังชีพและนำติดตัวไปเป็นสเบียงสำรองมารีหยุดเล่าข้อความตามบันทึกนั้นลงอย่างกระทันหันเหงย่หน้าขึ้นโดยเร็วสะดุดใจบางอย่าง ทุกคนที่ฟังอยู่ก็มาพบกับจุดสะดุดใจชนิดเดียวกันเข้าในทันทีที่ได้ยินคำเล่าประโยคหลังของแม่มสาวไม่สงสัยซะแล้วสินะสิ่งที่เครมเมอร์กับคณะได้เผชิญมามันน่าจะเป็นลักษณะการเดียวกับที่พวกเราพบมาแล้วนั่นแหละดารินพูดเดยเร็วมองเหมือนจะขอความเห็นไปยังทุกคนเกี่ยวกับอาการตายอลึกลับของควายป่าตัวนั้นกันมังชัยยันว่าก็ใช่อ่ะสิ ลักษณะการตายของควายป่าตัวนั้นน่ะมันเป็นอาการเดียวกับที่เราได้พบซากละมั่งเมื่อวานซึ่งมันหมายถึงไอ้ข้างคาวผีตัวนั้นเป็นต้นเหตุทุกคนนิ่งกันไปชั่วอึดใจตลอดเวลาจอมพรานไม่ได้เอ่ยคำใดทั้งสิน้นนอกจากนิ่งฟังด้วยความสงบขรึมปล่อยหน้าที่การค้นหาความจริงจากบันทึกของคนตายเมื่อ42ปีก่อนให้เป็นของคณะหนจ้า เชิท้าเตือนให้มาเรียติดตามข้อความจากบันทึกต่อไปคราวนี้นักดิรุติศาสตร์สาวเลือดผสมนิ่งอ่านในใจอยู่คนเดียวเป็นเวลานานทุกคนเห็นแววตาเขีวเข้มคู่นั้นเบิกโพลงและรีบพลิกอ่านดูอย่างลุกลนมือสั่นเทาครั้นแล้วหล่อนก็อุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างโกรกตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวทาไมเมะไรเหรอมชา ย, ยกระดารินร้องถามขึ้นพร้อมกันโอ้กอ๊ เหตุการณ์ที่เคลมเมอร์กับคณะผ่านพจน์มาเมื่อ42ปีก่อนน่ะมันเป็นเหตุการณ์ชนิดเดียวกับที่เราได้ผ่านมาแล้วและกำลังเผชิญอยู่ในขณะ น, นี้ไม่มีผิดสักอย่างเดียวมาเรียพูดและล่ำาละลักเสียงสัน่นในเล่าให้ละเอียดสิชัยันกระวนกระวายแทบระเบิดเขย่ามาเรียดโดยแรงก็คุณเล่าถึงตะขับยักษ์ที่เลื้อยมาเหมือนเสียงพายุ พวกเขาหนีหลบเข้าไปอยู่ในโพรงถ้ำอย่างจวนตัวที่สุดแล้วก็เห็นมันอย่างถนัดตาสมซานมุดลอดถ้ำมัทะลุอีกด้านหนึ่งของเขาลูกใหญ่คืนนั้นพวกเขาเห็นลิงผีซึ่งร้องด้วยเสียงประหลาบมารายล้อมรอบแคมป์ที่พักแต่ยิงปืนสักเท่าไหร่มันก็ไม่หนีไปได้อาศัยกองไฟที่ก่อไวรอ้รอบๆป้องกันไม่ให้พวกมันล่วงล้ำเข้ามาได้ก็เขียนเล่าไว้ว่ายิงมันเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววว่ามันจะล้มตายลง คงล้อมแน่นป่าอยู่อย่างนั้นแหละไอ้พวกกองก่อยนั่นเองเชิดฐาหลุดปากอุทานออกมาเช้าถัดมาฝนตกลงมาหาใหญ่พวกเขาได้อาศัยน้ำจากฝนอเล็ก ซ, ซีซึ่งป่วยอยู่ก่อนแล้วเริ่มมีอาการหนักขึ้นอีกสามคนช่วยกันประคองไปเพื่อมุ่งหวังที่จะหาแหล่งพมนักที่ปลอดภัยขึ้นเดินไปได้อีกเพียงสองกิโลเมตรยึดได้ชายผาแห่งหนึ่ง ไม่อาจเดินไปได้ไกลกว่านั้นเพราะอาการของคนป่วยตกดึกทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยเสียงปีกขนาดใหญ่กระพืออยู่บนอากาศเบื้องบนมันเป็นค้างคาวยักษ์มาเรียหยุดชะงะักกลืนอะไรชนิดหนึ่งลงลำคอเจถาหันไปทางจอมพรานผู้นั่งอัดควันบุหรี่อยู่เงียบๆพูดแผ่วเบาเหมือนกระซิบเหตุการณ์เดียวกับที่เราเผชิญทุกอย่างนะระพินอ่ะว่าไงต่อไปเม มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นว่าไปเร็วๆสิจากนั้นเขาก็บอกเอาไว้ว่ามันโฉบถลาลงโจมตีพวกเขาก็ตกใจสุดขีดยิงปะทะออกไปและเพ่นหนีกันชนิดตัวใครตัวมันก็มีอเล็กซิสคนเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่สามารถจะเคลื่อนหนีหรือช่วยตัวเองได้เพราะต้องนอนเสร้าอยู่กับที่ขณะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นยังไงต่อไปนะ่ะเครเมอร์เจ้าของบันทึกบอกว่าไม่อาจรู้ได้เพราะเขาเองก็วิ่งยางไม่คิดชีวิต ไปหลบอยู่ในถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งพักใหญ่ไม่ได้ยินเสียงมันบินไปแล้วก็กูตะโกนเรียกหาพักพวกแล้วก็กลับมาที่พักสิ่งที่เห็นก็คืออเล็กซิสสหายของเขานอนตัวซีดเซียวตาเหลือกโพลงตายซะแล้วไม่มีเลือดเหลืออยู่ในร่างกายแม้แต่หยดเดียวที่ลำคอด้านหน้าของคนเคราะไรปรากฏว่ามีรอยเขี้ยวขยําและดูดเลือดไปจนหมดทุกคนรู้สึกว่าตัวเย็นไปหมดทุกระบบประสาท จากบันทึกสยองของนักสำรวจชาวเดนมาร์กในอดีตสิ่งที่แจนเครเมอร์กับคณ ะ, ะเผชิญมาในครั้งนั้นแม้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ใกล้เคียงกันกับที่ต่างประสบพบเห็นมาด้วยตัวเองแล้วก็ตามแต่ก็ต้องจัดว่าพวกตนเคราะห์ดีกว่ามากที่ต่อต้านและหลีกหลบมาหาภัยพิบัติทํานองเดียวกันมาได้อย่างบุดบิดอันเนื่องมาจากมีจำนวนคนอาวุธและชั้นเชิงในการต่อสู้ที่เหนือกว่า ว่ามันก็ยังไม่มีสิ่งใดจะมาประกันได้ว่าในอนาคตข้างหน้าทั้งคณะหรือคนใดคนหนึ่งจะไม่ตกอยู่ในฐานะเดียวกันกับนักสำรวจชุดนั้นหรือไม่คืนที่ค้างคาวตัวใหญ่นั้นเข้าเล่นงานคณะของเคมเมอร์เหตุการณ์มันตรง ก, กับคืนที่มันเล่นงานพวกเราทุกอย่างเลยมีพวกเขาคนหนึ่งนอนเจ็บช่วยตัวเองไม่ได้อยู่คนหนึ่งและอันเนื่องจาก ที่อีกสามคนผละหนีเอาชีวิตรอดอย่างตัวใครตัวมันคนเจ็บคืออเล็กซิสจึงถูกทิ้งให้เป็นเหยื่อของมันสำหรับคืนที่มันเข้าเล่นงานเรานั้นชัยยันก็นอนครึ่งเป็นครึ่งตายด้วยพิษตะขาบโชคดีนะที่พวกเราไม่ได้แตกหนีทอดทิ้งชัยยันไปประกอบกระปืนหลายกระบอกที่ช่วยซันโบมันจึงทำอะไรพวกเราไม่ได้เลยและผลที่สุดก็ล้มเหลวต้องพละหนีไปเอง เชิท้าพืมพํำออกมาพวกเรานึกภาพเหตุการณ์ตอนนั้นออกไหมไอ้ค้างคาวอุบ่าตัวนั้นน่ะมันพยายามทุกวิถีทางในอันที่จะสังหารชัยยันแม้ไม่ได้ทางตรงเพราะเราป้องกันไว้อย่างแข็งแรงก็จริงมันก็ทําโดยทางอ้อมคือจ้องจะโฉบเอาซากตะขาบตัวนั้นไปซะเนื้อตะขาบดงจะต้องเป็นตัวยาส่วนหนึ่งที่ใช้พ่อเพื่อช่วยชีวิตชา ย, ยันถ้ามันเอาไปได้ชา ย, ยันก็ต้องตายแน่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 ได้รินเริ่มลำดับภาพและแสดงข้อคิดของหล่อนออกมาอย่างพร่านใจสมองของทุกคนหนักไปด้วยความคิดเมื่อหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่ผจญมาโดยนํามาเปรียบเทียบกับพฤติการที่ได้เกิดขึ้นก่อนแล้วกับนักสํารวจในอดีตความจริงฉันควรจะตายอย่างทินอองหรืออเล็กซิสไปแล้วอนะอดีตนายทหารปืนใหญ่ยิ้มกรานเกรียมกล่าวทําลายความเงียบขึ้นด้วยเสียงอันต่ําเบา สถานการณ์ของพวกเราไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าที่เครเมอร์กับพวกของเขาได้พบมาแล้วอัจเลวลงไปซะยิ่งกว่าอีกแต่ที่รอดตายมาได้ก็เพราะพวกเราทุกคนที่ร่วมทีมเต็มไปด้วยสมรรถภาพและชาวปฏิาพานทุกคนมีฝีมือและชาญฉลาดกันไปคนละด้านซึ่งมันำมารวมกันเข้าแล้วก็จะสามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาใดๆให้รุล่วงไปได้ตลอดมาฉันกล้าพูดได้ว่า คณะของเครเมอร์ไม่เพียบพร้อมเหมือนคณะของพวกเราเขาจึงพบกับหายนะวิบัติเชียงแต่ระยะเดินทางต้นๆพร้อมกับกล่าวชายันกวาดสายตาด้วยแววเชื่อมั่นอบอุน่นไปยังกลุ่มพรานหัวเห็ดทุกคนและมาจับนิ่งอยู่ที่เจ้าแห่งพงไพรรพินไพรวัเชษฐาดารินและมาเรียก็ย่อมจะมีความรู้สึกดุดเดียวกันแน่ละ กลุ่มผู้ร่วมคณะทุกคนที่มาด้วยกันไม่มีใครร้าประโยชน์เลยสักคนเดียวแต่ละคนมีความสันทัดและช่ำชองในวิชาการต่างๆครบองค์แม้กระทั่งสางปลาซึ่งใครๆเห็นแต่แรกว่าช่วยที่สุดในบรรดาพวกครานพื้นเมืองด้วยกันเองทั้งหลายแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นสุดยอดมันก็ได้แสดงความรอบรู้ปัญญาเข้าช่วยเหลือภาวะอับจนของทุกคนให้รุ่รงเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว ครั้นแล้วสกเก็ตหนึ่งของความคิดคณะนายจ้างทุกคนก็โหวนระลึกวูบถึงแง่ายเจ้าคนพเนจรผู้ลึกลับคนนั้นทีมพจญภัยทีมนี้ย่อมที่จะเกรียงไกรยิ่งที่สุดและสามารถที่จะตะลุยเข้าไปได้ในทุกป่าใหญ่ไพรกันดารถ้ามาดแมนว่ามีคนคนนั้นร่วมอยู่ด้วยระหว่างจอมพรานระพินกับเจ้าคนใช้อาสาสมัครนามว่าแง่าย ยังไม่อาจเป็นที่พิสุจิ์ได้ชัดว่าใครจะเหนือกว่าใครในอาณาจักรไพรแต่ทุกคนรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่รพินอับจนตปัญญาเมื่อนั้นแงาสายจะเข้าแก้ไขเท่าๆกับที่ยามใดแงาสายตกอยู่ในห่วงอันตรายเมื่อนั้นก็ไม่มีใครเข้าคลี่คลายช่วยเหลือได้นอกจากรพินฝีมือและชั้นเชิงพรานคู่ขี้กันมาตลอดกินกันไม่ลง มาดวาคณะผพจนภัยชุดนี้เปรียบได้ด้วยลำเรือซึ่งมีพรานใหญ่เป็นกัปตันโดยตำแหน่งแงาสายก็คือต้นหนโดยปริยายทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทุกคนย่อมจะเห็นว่ารพินหันเข้าปรึกษาหารือแงาสายเพื่ อ, อย่างเสียงอยู่เสมอแทนที่จะหารือกับคนของเขาเองนั่นก็ย่อมเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ารพินเองก็ยังยอมรับและไม่อาจมองข้ามจอมพนเจนจรไปซะได้ แม้โดยพื้นหน้าทั่วๆ่วไปพรานใหญ่จะมีอาการไม่ถูกชะตากับแง่สายนะักแต่อนิจจาเดี๋ยวนี้แง่สายไม่ได้ร่วมคณะร่วมรับรู้และร่วมะจญเหตุการณ์กับทุกคนใช่แล้วตรงกันข้ามกลับแปรเปลี่ยนกลายเป็นอะไรไปก็ไม่ทราบเป็นปัญหาอันหนักสมองสำหรับทุกคนแล้วต่างก็ตื่นจากข่วงคิดอันว้าวุ่น หันมาเอาใจใส่กับบันทึกของนักสำรวจชาวเดนมาร์กต่อไปเมื่อมาเรียเปิดสมุดออกคลาต่อ2ธันวาคมขพเจ้าเซิงล่าและตูเล่บากบันกันต่อไปภายหลังจากช่วยกันขนหินก้อนใหญ่ๆมาทับสุมศพของอเล็กซิสไว้กันแม่สัตว์มาขุดคุยร่างของเขาขึ้นมาได้ระมุ่งทิศเดิมโดยการนำของตูเล่ คราวนี้มาเรียถ่ายทอดข้อความออกมาชนิดคำต่อคำตามต้นฉบับทั้งคณะรอคอยฟังอย่างแทบไม่ยอมหายใจฝนที่ตกเมื่อคืนเหมือนพระเป็นเจ้าจะประทานน้ำมาเพียงแค่ให้ประทังชีพเราชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเพราะเมื่อข้ามเขาวงพระจันทร์มาแล้วเราก็พบแต่ความแห้งแล้งกันดาลมันคือมหานรกในมนุษย์โลกมองไปทางใดก็มีแต่ทุ่งหญ้าแห้งกับเปลวแดดระยับ เราตัดสินใจแยกเข้าทางตะวันออกเฉียงใต้อันเป็นป่าเถาวันลักษณะประหลดัดข้าพเจ้ากำลังจะหมดแรงเสงลาบประคองปีกไว้ตูเล่เดินนำอย่างทรหดไปเบื้องหน้าให้ความหวังไว้ว่าในป่าเถาวันเบื้องหน้าเราอาจได้อาหารสิบสนาฬิกาเสร็จในป่าเถาวันเสียงลาตัดสินใจยิงสัตว์เลื้อยคลานตัวหนึ่งตัวเป็นหนามสีสันน่าสะพึงกลัว ข น, นาดเท่าจะระเข้ตัวย่อมย่อมตุเล่บอกว่าเขี้ยวของมันมีพิษเท่ากงูเหา่าแต่เนื้อมันพอจะใช้แทนอาหารได้ถ้ารู้จักทำตุเล่ถนกุกตลกหนังตัดเอาเฉพาะบ้องหางของมันก่อไฟย่างกินรสชาติมันเหมือนปลากระเบนเราสมสารต่อภายหลังจากพักภายใต้เงาก้อนหินใหญ่ประมาณสองชั่วโมงอีกสามชั่วโมงต่อมาเราพักนอนในป่าเถาวันอันหาขอบเขตมิได้นี้ อะไรจะเกิดขึ้นกับเราในคืนอันหนาวเย็นและมืดสนิทนี้บ้างพรุ่งนี้พระเจ้าจะมีโอกาสได้เขียนลงในสมุดบันทึกเล่มนี้อีกหรือไม่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทรงรู้ได้ 3. ทธันวาคมเราผ่านพ้นราตรีมาได้เหมือนพระเจ้ายัางประสงค์ที่จะยืดชีวิตให้ตลอดทั้งคืนอันหลับหลับตื่น ต, ตืนั้นเราได้ยินเสียงเลื้อยของตะขาบใหญ่ผ่านมักใกล้กล ตีนนับร้อยๆคู่ของมันก็ให้เกิดเป็นเสียงพายุแต่เราก็รู้ซะแล้วว่าเป็นมันก่อไฟให้ลุกโชนหยับปืนนั่งเฝ้าระวงังเราไม่มีทางจะข ย, ขยับขยายหนีมันได้ซะแล้วในความมืดมิดเช่นนี้ตัดสินใจว่าเราจะสู้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตหากมันเลื้อยตรงเข้ามาแต่สวรรค์ทรงโปรดมันเลื้อยอ้อมขึ้นทางดงด้านเหนือภายหลังจากเฉียดใกล้ที่พักของเรา ห่างไม่เกินหนึ่งร้อยหลาแล้วก็หายไปในความเงียบคือนี้นอกจากตะขาบใหญ่ตัวนั้นที่มาปลุกให้เราสะดุ้งตื่นขึ้นแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเจ้าฝูงลิงปีศาจก็ไม่ได้แวะเวียนเข้ามาให้เห็นอย่างคืนก่อนๆค้างขาวสูบเลือดที่ฆ่าอเล็กซิสก็ไม่ปรากฏวี่แววเชรอยมันจะค้นหากลิ่นของเราไม่พบมิฉนั้นก็อาจจะไปพบเหยื่อที่อื่นซะก่อน เรามองไม่เห็นทางว่าจะพ้นป่าเถาวันอันกว้างใหญ่ไพศาล น, นี้เมื่อไหร่น้ำทุกแหล่งที่พบเป็นน้ำพิษตุเล่ดูสีสันของมันได้ออกและเตือนเราไว้ก่อนเที่ยงเล็กน้อยระหว่างโซเซกันไปในป่าหินชะตากรรมอันสยองและขาพเจ้าแทบไม่เชื่อสายตา ก, ก็บังเกิดขึ้นกับเสงล่ะเขาเดินนำหน้าขบเจ้าไปประมาณสห้าก้าวกลังจะพ้นเถาวันซุ้มใหญ่ที่ปราดจากใบ ต่ทึบไปด้วยกิ่งกา้านอะไรชนิดหนึ่งก็โจรจากหลังซุ้มเถาวันเข้าใส่เขาเหมือนแมวตะครุบหนูข้าพเจ้ากับตูเล่ผู้เดินรังท้ายไม่ได้ยินเสียงร้องของเขาแม้แต่คําเดียวได้ยินแต่เสียงคำรามเหมือนฟ้าร้องและป่าเบื้องหน้าก็มืดมิดไปหมดประดุดป้ายไว้ด้วยสีดําพระเจ้าเป็นพยานด้วยเถิดเจ้าสัตว์ที่คาบเสียงล่าห้อยร่องแรงอยู่ในป่า ก, กําลังเพ่นหนีไปต่อหน้านั้น ข้าพเจ้าอยากจะเข้าใจว่ามันเป็นมา้าแต่ถ้าว่ามันกลายเป็นเสือที่สูงใหญ่พ่วงพีปานกันสีของมันดำเหมือนถ่านไฟเสือดำขนาดยักษ์มันตะครุบและข้าศ็งล่าไปปากกระโจนหนีไปต่อหน้าต่อตามาเรียหยุดอ่านลืมตาโพลงตายสันเทาพูดมาด้วยเสียงกระซิบสี่ิบกว่าปีมาแล้วไอ้เสือตัวนั้นไอ้ค้างขาวตัวนั้น และทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบล้วนเป็นตัวเดิมหมดทุกอย่างสี่สิปีที่ป่านี้มีเสือดําใหญ่ค้างคาวตะขาบผีกองกอยคอยป้วนเปลี่ยนรังควานชีวิตที่จะผ่านพลัดเข้ามามันคืออะไรและมันเป็นไปได้ยังไงมันจะต้องเป็นสิ่งอาถรรพ์ผิดวิกลอะไรแน่นอนฉันคิดว่าฉันฉันไม่สามารถจะอ่านบันทึกอันสยดสยองนี้ต่อไปได้แล้วละ่ะ แม่สาวปิดสมุดหลับตาลงชั ย, ยันรินบรันดีใส่ฝากระติกส่งไปให้พร้อมกับบอกมาด้วยเสียงบังคับกึ่งปลกปลอบว่าต้องได้สิเมอะดื่มซะแล้วแปลต่อไปเราทุกคนอยากรู้ในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วจนแทบจะเข้นคอยคุณรีบแปลมันออกมาโดยเร็วอยู่แล้วนั่นเนี่ยดารินกับเชฐิฐาชื่อเร่งร้าวปลอบโยนมาอีกนักนิรุติศาสตร์ บรนดีมากรอกใส่ปากจนหมดนั่งเหมือนจะบังคับจิตใจอยู่ครู่ก็อ่านต่อกว่าข้าไเจ้ากับตูเล่จะตื่นจากตะลึงเราก็เห็นบั้นท้ายของมันกำลังลับหายไปในพงเบื้องหน้าเราช่วยกันระดมยิงออกไปเท่าที่เราจะสามารถทำได้เร็วที่สุดมันลับหายไปแล้วเราสองคนตามมันอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งค่าพบแต่รอยเลือดของเสงล่าซึ่งค่อยๆจางหายไปเป็นลาดับ ในที่สุดรอบตัวเราก็มีแต่เถาวันอันว่างเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราราวกับความฝันสีธันวาคมเราไม่ละความพยายามที่จะติดตามเสือดํายักษ์ตัวนั้นไม่ต้องการที่จะมีความหวังด้านใดในการช่วยเสงล่าให้รอดรอกเพราะเรารู้แน่ว่าเขาตายในทันทีที่มันโจรเข้าขายย่เราอยากจะพบเห็นมันอีกสักครั้งเพื่อการแก้แค้นอันนี้ จ่าแม้แต่กระดุกสักชิ้นของเสีงล่าเราก็หาพบไม่ตลอดระยะติดตามอันเครียดแค้นพยาบาทของเราห้าธันวาคมคืนที่ผ่านมาไอด้ดำมหาการเข้ามาวนเวียนอยู่ใกล้ปากถ้ำที่พักของเราอีกแล้วข้าพเจ้าภาวนาให้มันโผล่ให้เห็นแต่ก็ผิดหวังหกธันวาคมบัดนี้เราสองคนไปกันอย่างปราศจากจุดหมายปลายทางใชแล้ว ประมาณสี่ครั้งที่กับพเจ้าและตูเล่เห็นมันวกเวียนโผล่ลับลอดักหน้าดักหลังอยู่ตามพุ่มไม้และก้อนหินรอบตัวเรายิงทุกครั้งที่เห็นและมันก็หลบไปไม่มีร่องรอยว่ามันจะถูกลูกปืนของเราเลยชีวิตของเราประทังอยู่ด้วยสัตว์เลื้อยคลานและน้ำจากพโพรงไม้กลางคืนหลบนอนตามถ้ำแคบและซอกหินหลบภัยจากข้างเขา และตะขับใหญ่ที่เลื้อยมาดุดเสียงพายุ 7...8... ทธันวาคมหลายวันมาแล้วเราพ้นจากการรบกวนของลิงผีตะขับและค้างคาวแต่เจ้าเสือดำใหญ่นะ่ะเป็นศัตรูลึกลับที่จ้องเราอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากันน้ำซึ่งจะฆ่าเราได้เร็วกว่ามาเรียหยุดชะ ง, งักการอ่านไปเฉยๆอีกครั้งหน้าขาวสีด ลักษณะของหลอนได้รับความวันวาดตื่นระหนกขีดจึกน้อยหลอนครางเห็บเอื้อมมือไปสกิดข่าดารินทำไมเหรอเมเพื่อนสาวผู้คอยฟังอยู่ซักมาเร็วปรือจับแขนไว้ไอไอไอผีพันปีทัวนั้นน่ะสิทำไมเหรอเมทุกคนร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวกันอย่างตื่นเต้นมัน มันโผล่ขึ้นมาในบันทึกนี่แล้วอ่ะมันทำความอัศจรรย์ใจให้แก่เครมเมอร์และตูนเน่ไม่น้อยไปกว่าที่ทำใหเรางงกันมาแล้วล่ะเสียงของแม่สาวสะท้านสัน่นและท่ามกลางความตะลึงหลอนก็อ่านข้อความช้าๆต่อมาอย่างพยายามข่มสติสิ่งแรกสำหรับวันนี้เราจะทำก็คือสแสวงหาน้ำกินประมาณสิบนาฬิกาในกลุ่มโขดหินริมเนินผาแห่งหนึ่ง เราพบสิ่งประหลาดที่ไม่คิดฝันอีกชนิดหนึง่งมันเป็นศพตายซากของชายร่างสูงศีษะโลนเกลียงแต่งกายในลักษณะนักบวชมีลูกประคำแขวนคอนั่งพิงนิ่งอยู่กับก้อนหินดักหน้าทิศ ท, ทางที่เราจะเดินผ่านไปเขาพระเจ้าตรวจ ด, ดูแล้วอยากจะลงความเห็นว่ามันเป็นศพลักษณะอาบยาตายมาแล้วนับพันปีแต่สันฐานโครงรูปไม่มีส่วนใดชำรุดบุบสลายไป สภาพของมันแกข่งเหมือนหินมันมาจากที่ใดและมานั่งพิงก้อนหินอยู่ได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไร่เป็นสิ่งที่เราคิดข้าพเจ้ากับตูเลพยายามค้นหาร่องรอยรอบด้านเพื่อจะพบว่ามีสัตว์ใดคาบมาจากที่ใดก็ไม่มีข้าวเงื่อนทั้งสิน้นลักษณะของซากที่มาตั้งอยู่น่าจะเป็นรอยที่มาตั้งอยู่ใหม่ไม่ใช่ที่เดิมอันควรจะอยู่ของมันเป็นนานปีแต่ข้าพเจ้าก็อยากจะเชื่อว่า สัตว์ใหญ่ประเภทกินเนื้อคงลากมันมาจากสุสานโบราณที่ใดที่หนึ่งอาจมีอาณาจากักรหรือนครในโบราณกาลซึ่งถล่มไปแล้วเมื่อหมื่นหมื่นปีอยู่ในละแวกใกล้เคียงก็เป็นได้ความหิวโหวยความแรน้แนแค้นเล่นเหนื่อยเหนื่อยทำให้เราไม่มีโอกาสจะสนใจอะไรกับมันมากนักเราผ่านมันไปเหมือนผ่านต้นไม้หรือก้อนหินก้อนหนึ่งนาฬิกา เราพบแหล่งน้ำมวกในไหลผาของเขาอีกลูกหนึ่งด้านตะวันตกแต่พระเจ้าริมแหล่งน้ำมวกนั้นซากศพแห้งเกราะของชายนักบวชที่เราพบมาเมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วในลักษณะที่นั่งเช่นเดิมตูลเลตกใจขีดสุดจะวิ่งไปยังหมดสติแต่ข้าพเจ้าไวพอใช้ใช้ขาปรับเข้าล้มลงและยึดตัวไวมัน่นใช้เวลาหยุดพักใหญ่กว่าจะปลอบขวัญให้เจ้าพรานขจิน สงบลงได้ดารินกช ย, ยันร้องอะไรลั่นออกมาคาหนึ่งลืมตาพโพลงในขณะที่เชษฐาก็อ้าปากค้างเพราะข้อความที่มาเรียแปลออกมาระพินไพรวันขยับตัวจากท่าที่นั่งพิงก้อนหินขึ้นมาเป็นครั้งแรกเคลื่อนเข้ามาใกล้วงของนายจ้างแล้วเขาก็เตือนให้มารียอ่านต่อไปด้วยน้าเสียงเรียบสงบปัญหาที่เกิดขึ้นคือซ่า ได้มาปรากฏดักหน้าเราอยู่ณที่แห่งใหม่อันห่างไกลจากที่เราพบครั้งนี้ได้อย่างไรบันทึกเล่มนี้จงเป็นพยานเถิดข้าพเจ้าได้ตรวจดูอย่างทีทั่วแล้วมันเป็นซากศพเดียวกันแน่แน่ข้าพเจ้าเอาส้นปืนกระทุ้งมาลงไปนอนตะแคงกองก้ออยู่กับพื้นมันมีสภาพเป็นไม้ท่อนหรือแท่งหินก้อนหนึ่งแน่แพหาใช่สิ่งที่มีชีวิต มีสิ่งใดที่จะทําให้มันเคลื่อนไหวพาตัวมาเองได้ไหมแต่ว่าสัตว์เป็นต้นเหตุก็มองไม่เห็นเหตุผลเพื่อขจัดปัญหาอันหาคําตอบไม่ได้นี้พระพเจ้าตัดสินใจที่จะทําลายซากของมันซะเราช่วยกันไปหาไม้เพื่อมากองสูงเป็นฟืนเผาซากประหลดาดแล้วเดินหาฟืนห่างจากซากของมันไปในละแวะกไม่เกินห้สิเมตรเวลาห่างประมาณสินาที เมื่อเราย้อนกลับมาให้นรกสาบเธอไอ้สพตายซากนะ่ะมันอันตรธ า, านไปซะแล้วมันหายไปอย่างไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นหายไปเหมือนกับว่ามันได้ลุกขึ้นในระหว่างที่เราผลักไปหาฟืนแล้วย่องหนีไปฉะนั้นเราช่วยกันค้นหาจนสุดความสามารถแต่เราไม่พบมันไม่ได้คำตอบใดๆเลยดารินหน้าขาวซีดเหมือนจะเป็นลม ริมฝีปากหมุกหมิบคล้ายจะพูดอะไรแต่ไม่มีเสียงใดๆลอดออกมาได้ชา ย, ยันแทบจะลุกขึ้นกระโดดด้วยความตกใจเช่ฐากระพรานใหญ่เท่านั้นที่ควบคุมสติระงับความตื่นเต้นระคนสุดที่จะอัดสรจันไว้ได้อย่างสงบบันทึกของเครเมอร์ให้ประโยชน์แกเราอย่างมากมายทีเดียวพ้กกอ็อย่างน้อยที่สุดมันก็ดูเหมือนจะเป็นการตอบข้อปัญหาที่พวกเราพากันงงอยู่จากสิ่งที่เรารเผชิญมาแล้ว คราวนี้ทุกคนเชื่อฉันหรื อ, อยังล่ะว่าไอ้ผีตายซากตัวนั้นนะ่ะเคลื่อนไหวด้วยตัวของมันเองได้บันทึกของเครเมอร์เป็นการยืนยันได้อย่างดีที่สุดดารินพูดอย่างยากเย็นอาการของหลอนหวาดสยองพรั่นพรึงขีดสุดจอมพรานอึง้งม่านตารีีลงหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยย่นอันคร่ําเครียดเรายังลงความเห็นสรุปลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้หรอกครับ ตราบใดก็ตามที่ยังไม่ได้พิสูจน์ชัดกระตาตนเองชนิดคาหนังคาเขาในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวังแต่ถึงยังไงก็ตามโดยสิ่งที่เราพบกันมาแล้วเกี่ยวกับซากศพประหลาดนั้นเพิ่มเติมกา ร, รายงานของเครเมอร์ที่เราค้นพบโดยบางเออรนี้ผมก็ยอมเห็นด้วยในข้อที่ว่ามันเป็นเรื่องลึกลับน่าคิดเหลือเกินแวดล้อมรอบตัวเราขณะนี้ มันล้วนเต็มไปได้วยสิ่งอันผิดธรรมชาติและก็ดูคล้ายจะเป็นศัตรูต่อเราท้งนั้นในสมัยของเครเมอร์มันหายไปได้ยังไงเพียงแค่สองคนนั้นเดินคล้อยหลังเพื่อจะไปหาฟืนมาเผาซาก ข, ของมันทิ้งซะแล้วก็ในสมัยเราคือเมื่อคือไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วนี่แหละมันก็ได้แสดงปรากฏการพิสดารแบบเดียวกันนั้นขึ้นอีกเราจะไม่รู้เป็นอันขาด เมื่อปรากฏการลึกลับพิลึกพิลั่นชนิดนี้ได้เคยมีขึ้นก่อนแล้วถ้าไม่ได้พบบันทึกของเครเมอร์เล่มนี้ชัยยันว่าทุกคนอยู่ในภาวะที่จะต้องช่วยกันขบปัญหาฉเฉลยปริศนาออกมาให้ได้ว่าสิ่งผิดวิกล น, นั้นเกิดขึ้นได้ในลักษณะใดมันเป็นปัญหาที่ขนหัวลุกครั้นแล้วต่างก็หวนนึกไปถึงความเชื่อมัน่นและขอยืนยันอย่างแข็งแรงของดาริน ในเรื่องที่ว่าหล่อนได้เห็นชายลึกลับโลหน้าอยู่ในซุ้มเถาวัดและจำได้ว่าเป็นใบหน้าชนิดเดียวกันกับรากที่ลงไปนอนแช่อยู่ในแอ่งน้ำที่พบภายหลังห่างกันเพียงชั่วโมงเศษเมื่อช่างน้ำหนักเปรียบเทียบดูกับบันทึกของนักสำรวจในอดีตที่เขียนเล่าความไว้มันก็ยิ่งเป็นหลักฐานให้น่าจะเชื่อได้ว่าศพตายซากนั้น มีปฏิหารเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตัวมันเองอย่างลึกลับที่สุดระยะมันห่างกันถึง40กว่าปีปรากฏการณ์ชนิดนี้เกิดซ้ำขึ้นอีกกับกลุ่มนักสำรวจยุคใหม่ที่ล่วงล้ำแดนเข้ามามันคืออะไรกันแน่โชคดีหรือเกินที่ทั้งกลุ่มจำเป็นจะต้องใช้ภาษาอังกฤษและมีมาเรียเป็นบุคคลกลางสาหรับการแปลข้อความภาษาดานิชของผู้ตาย ดังนั้นพวกพรานพื้นเมืองที่นั่งเงี่ยหูคอยจับฟังข้อสนทนาหารือของคณะนายจ้างจึงไม่อาจทราบข้อความได้หาไม่เช่นนั้นคงจะเกิดความตื่นเต้นโอลมานขวัญห น, นีดีฟอกันไปหมดบุญคำขยับเข้ามานั่งใกล้พรานใหญ่อาปากจะสอดถามเพราะความอยากรู้อยากเห็นในบันทึกของคนตายนั้นแต่ก็ต้องหุบปากสนิทลงเพราะระพินโบกมือไล่แกให้ถอยห่างออกไปก่อน ในระหว่างที่ถกเถียงกันเองในกลุ่มหัวหน้าอย่างเคร่งเครียดหนักอึง้งคิดให้ดีนะเครเมอร์กัตูเล่เดินผลาไปเพื่อต้องการจะหาฟืนมาเผามันช่จะเป็นไปได้ไหมที่มันจำเป็นจะต้องหลบหนีก่อนที่จะถูกสองคนนั่นชา ป, ปนกิจชายันพยายามคิดค้นคำตอบอ่ะก็แล้วถ้าเช่นนั้นมันไปนั่งดักหน้าเห็นอยู่ทาไม เชิดถาขอคาอธิบายต่อก็หลอกหลอนสิครับพี่ใหญ่ไอ้ผีน่ะมันหลอกไงดารินโผล่องออกมาด้วยถ่อยคําซึ่งหลอนเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะพูดอะไรที่สมัยก่อนตอนเองเห็นว่าเป็นเรื่องเลวไหลที่สุดออกมาอย่างนั้นศพตายซากนั่นเป็นวัตถุมีตัวมีตนไม่ใช่ปรากฏตการของวิญญาณมันจะหลอกหลอนได้ยังไงพี่คิดว่ามันน่าจะมีอะไรเกี่ยวพันกระเสือตัวใหญ่ตัวนั้นแน่ๆนะ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งเราและเครมเมอร์พบซากนั้นในเวลาใกล้เคียงกับที่พบเสือโครงดำเข้ามาบนเวียนป้วนเปี่ยนอยู่ใกล้ๆต่อมาก็พบกับปรากฏการณ์ลึกลับของซากศพคนตายเก่าแก่ซากนั้นบางทีหัวหน้าคณะเว้นระยะนิดหนึ่งเม้มริมฝีปากเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่จอมพรานบางที่เสือตัวนั้นน่าจะเป็นต้นเหตุ ให้ศพเคลื่อนที่ก็ได้นะเป็นต้นว่าตัวมันคาบย้ายหรือคุณว่าไงระพินระหว่างที่พรานใหญ่นิ่งเพราะจนต่อคำถามชา ย, ยันกมาเรียก็แย้งสวนขึ้นพร้อมกันเพื่ออะไรที่มันจะต้องคาบย้ายศพอันปราศจากความหมายนั้นมาคอยตั้งดักหน้าเราและเครมเมอร์เชษฐาพยายามสันนิษฐานต่อไปแต่แล้วก็ต้องสั่นหัวอย่างจนปัญญา เราก็ได้แต่ช่วยกันเดาในทุกๆ ท, ทางเท่าที่คิดว่ามันควรจะเป็นไปได้เท่านั้นเป็นการสมมุติฐานเพื่อ น, นําไปสู่ QED แต่เมื่อคิดถึงคําถามอย่างนี้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันอาจเป็นการบังเอิญก็ได้กระมังที่ไอเสือตัวนั้นมันเที่ยวได้คาบสบปลายซาดระเวนไปทั่วปา่บาบังเอิญเหรอที่มันจะต้องคอยคาบอยู่อย่างเงี้ยจาก 40, 40ปีก่อน พอจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ถ้ามันจะคาบมาเพื่อกินเป็นอาหารมันก็มีโอกาสอันนานนมที่จะแทะซากนั้นหมดสิ้นไปไม่เหลือแม้แต่กระดูกและทําแม้ว่ามันกินศพนั้นไม่ได้อันเนื่องมาจากสภาพที่แกร่งเป็นท่อนหินมันก็น่าจะทิ้งไม่สนใจเสนา น, นแล้วเหมือนกันเครเมอร์เองก็ยืนยันในบันทึกของเขาไว้มองไม่เห็นร่องรอยว่าจะมีสัตว์ใดเป็นพาหะนํามันเคลื่อนที่ ทั้งการพบครั้งแรกและครั้งที่สองที่เครเมอร์พบนั้นผิดกรองนิดเดียวอีตรงที่มันไม่ได้ลงไปนอนแช่อยู่ในอ่างน้ําซึ่งเราหวังจะได้ดื่มกินและเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทําลายซากของมันเพราะผ่านความสนใจไปซะที่มาพบมันหายไปก็เพราะเหตุการณ์บังเอิญอย่างที่แล้วส่วนเครเมอร์กัตูเล่น่ะพอพบเข้าอีกครั้งก็รู้สึกในความผิดปกติธรรมชาติในทันที อยากเหตุผลสิ่งแวดล้อมยิ่งคิดจะทำลายซากของมันซะแต่แล้วก็ต้องผิดหวังอันเนื่องมาจากมันนกรู้ทำตัวให้หายไปซะก่อนการหายไปของมันทําความประหลาดใจให้เครเมอร์ในครั้งนั้นเท่าๆกับเราในครั้งนี้ทุกอย่างพวกเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรนักถ้าไม่ใช่เพราะมาพบบันทึกยืนยันในประวัติศาสตร์ซ้ารอยครับคาพูดของชา ย, ยัน เชีย่ยเห็นชัดถึงความลี้ลับซ่อนเงื่อนแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้คลี่คลายอะไรออกมาได้เลยถูกแล้วถ้าเสือตัวนั้นเป็นตัวการคาบศพเคลื่อนย้ายซึ่งมักจะมาวางไว้ดักคณะเดินทางอยู่เสมอมันจะมีเจตนาอะไรที่ต้องการกระทำเช่นนั้นจะว่ามันเป็นเสือผีสิงมีเจตนาที่จะหลอกล้อขย่าประสาทของคณะเดินทางโดยการลากเอาผีตายซาก ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีมนคอยวางตั้งไว้ให้ดูมันก็จะต้องทำเช่นนั้นเพื่อประโยชน์อันใดขึ้นมาในเมื่อตัวมันเองก็จองที่จะเล่นงานกลุ่มมนุษย์ด้วยเขี้ยวและเล็บอยู่แล้วโอกาสที่จะคอยบัวลากซากไปดักหน้าตลอดจนระยะเวลากระชันชิดติดพันที่ย่องมาคาบขโมยหนีไปอีกเมื่อคล้อยหลังเพียงหลับๆย่อมควรจะเป็นโอกาสที่มันบุกเข้าจู่โจมซะเลยไม่ดีกว่าเหรอ การที่มันย่องเข้ามาคาบศพไปได้เมื่อเครมเมอร์กับตูเลขก้อยหลังเล็กน้อยก็ดีหรือในระยะที่คณะเดินทางชุดนี้เดินพละไปจากศพเพียงเล็กน้อยตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็ดีนั่นคือจังหวะอันดีเลิศที่มันจะกระโจนเข้าใส่ไม่น่าจะเพียงแค่ย่องเข้ามาเพื่อหวังคาบศพไปอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งมันปราศจักเหตุผลจะถกเถียงขบคิดกันอย่างไง คำตอบก็ยังมืดมนอยู่เช่นนั้นอเรามามัวตกใจและงงอยู่กับปัญหาลึกลับอันนี้ก็ทำไมคุณไม่อ่านบันทึกของคนตายต่อไปละเมฆเราอาจได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมก็ได้นี่พระพินภพยวันเตือนขึ้นด้วยเสียงห่าวลึกมาเรียปฏิบัติตามคําสั่งโดยเร็วเราพระออกจากแหล่งน้า ม, มวกแห่งนั้นภายหลังจากนั่งสติอารมณ์อยู่พักใหญ่ แล้วก็เดินรุดหน้าต่อไปเพื่อแสวงหาที่ปลอดภัยสำหรับพักนอนในคืนนี้ท่ามกลางความหวาดพิตุกและปริศนาอันสุดที่จะขบได้นาน า, นาประการที่สุดก่อนมืดเล็กน้อยเราก็เลือกได้พโพรงไม้ใหญ่ก่อไฟกันไว้ที่ปากทางเข้าออด้านหน้าซึ่งเราจะต้องระวังภัยที่จะเข้ามาทางด้านนั้นได้ด้านเดียวตุเล่หลักไปแล้วด้วยความอ่อนเพลียกัเจ้ายังนั่งบันทึกข้อความนี้อยู่ แล้วก็จะสวดมนต์ขอพรคุ้มครองจากพระผู้เป็นเจ้าภายหลังเมื่อหยุดเขียนบันทึกราตรีสวัสดิ์เจ้าเพื่อนยากขอให้ฉันได้จับปากกาเขียนข้อความลงบนหน้ากระดาษของเจ้าได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้อ่านจบภัญญาไม้ของดรฮอฟมันก็เงยหน้าขึ้นข้อความครั้งสุดท้ายในสมุดบันทึกนี่หมดสิ้นลงเพียงแค่นี้เองนี่คงจะเป็นคืนสุดท้าย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 และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งประหนึ่งว่าวิญญาณของนักสำรวจชาวเดนมาร์กที่ล่วงแล้วไปเมื่อสี่สิบกว่าปีนั้นโผล่ขึ้นมาบรรยายข้อความที่เขาได้เผชิญมาให้แก่คณะนี้ฟังด้วยตัวเองขอให้เพื่อนจงไปสุขสุขติเถอะข้อความในบันทึกของเพื่อนเราทั้งหมดได้รับทราบแล้วเท่าที่มันจะเหลืออยู่และอ่านออกได้ อย่างน้อยที่สุดมันก็ให้ประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งพวกเราจะค้นคำตอบในปัญหาลึกลับที่เพื่อนไม่สามารถเข้าใจได้นิเอกเพราะขณะนี้เราก็กําลังเผชิญกับมันอยู่แล้วเช่นกันเชษฐากล่าวพึรรมพำทุกคนพากันสงบนิ่งเหมือนจะไว้อาไล่ให้แกเจ้าของบันทึกและคณะของเขาที่พากันสูญเสียชีวิตไปหมดก่อนที่จะบรรลุถึงสิ่งปรารถนาอะไรสักอย่างหนึง่ง อันเป็นต้นเหตุให้พวกเขาพากันบุกบันดันเด้ น, ดนมาในครั้งกระนั้นไม่มีทางที่จะค้นจากบันทึกตอนต้นๆได้เลยเหรอว่าพวกเขาเดินทางมานะ่ะเพื่อประสงค์อะไรและมาจากด้านไหนจอมพรานถามเบาๆมาเรียพริกบันทึกตอนต้นๆที่ติดกันเป็นปึกแล้วค่อยแกะออกให้เห็นทุกคนก็เข้าใจว่ามันไม่สามารถจะอ่านได้เลยเพราะสภาพของกระดาษดาคล้าขึ้นเต็มไปด้วยราย ระพินไม่เอ่ยคำใดอีกทั้งสิน้นแงนมองไปยังราวป่าลักษณะประหลาดรอบตัวซึ่งอาบสลัลวอยู่ด้วยแสงสุนธยาการช่วยไรเฟิลประจำมือลุกขึ้นพยักหน้าเป็นสัญญาณ น, นิดนึงกับตาพรานเท่าบุญคำและทั้งสองก็พากันเดินดุมออกไปเงียบๆหยุดชะ ง, งักเล็กน้อยเมื่อเสียงทักของเชิฐาตามหลังมาว่าจะไปไหนอะผู้กองหรือเวลาก่อนขําเล็กน้อย ผมจะเดินสำรวจดูรอบๆหน่อยครับงั้นไปด้วยคนสิหัวหน้าคณะบอกสั้นๆกระโดดขึ้นตามหลังเข้ามาแล้วอีกสามคนก็พลอยสมทบมาด้วยเพราะต้องการดูภูมิประเทศใกล้เคียงรอบด้านไปเป็นคณะนายจ้างทั้งหมดสมัครใจที่จะสำรวจและแวดใกล้เคียงพร้อมกับเขาโดยไม่มีใครย่อท้อเหน็ดเหนื่อยลางสังหรณ์ในเพศไทยอันทำนายไม่ถูกมันทาให้ทุกคนเต็มไปได้วยความตื่นตัว และเมื่อนั้นเองขยินเสยและส่างปาก็ตามมาเป็นพรวนคงเหลือเพียงเกิดกับจันสองคนซึ่งแต่แรกก็อยากจะร่วมไปด้วยแต่ได้รับคำสั่งจากพรานใหญ่ให้อยู่เฝ้าแคมป์ฉันจะไปในละแวกไม่ไกลนะักระยะตะโกนได้ยินเฝ้าของและเตรียมฟืนไว้ให้มากเป็นพิเศษนะคืนนี้เขาบอกทั้งชุดพากันเดินย้อนลงทางเก่าลงมายังแอ่งน้มว่ว ได้เพียงเจ็อาการสังหรนประหลาดก็เกิดขึ้นในประสาทสัมผัสของเชษฐาเป็นคนแรกเขาหยุดชะ ง, งักตึกต่อมาความรู้สึกชนิดนี้ก็กระทบใจของทุกคนโดยไม่ต้องเอ่ยบอกกันเลยพากันหยุดไปหมดหันกลับมายังบริเวณแคมป์ซึ่งขณะนี้มีเกิดกับจันสองคนกำลังวนบุรีใบตองแห้งกันอยู่อดีตท่านทูตทหารบกมองตาจอมพรานแล้วกระซิบ เออผมว่าจะไม่เหมาะที่จะให้สองคนนั่นอยู่แคมป์กันตามลำพังนะเอางี้ดีกว่าเมกรชายันจะไปกะรพินก็เอาฉันกับน้อยควรกลับไปอยู่กับสองคนนั่นเองเกิดอะไรขึ้นก็จะได้รู้เห็นระยะนี้เป็นระยะแรกที่เราไม่ควรแยกจากกันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลุ่มใหญ่ทิ้งกลุ่มน้อยไว้เบื้องหลังผมก็คิดอย่างคุณชายเหมือนกันนะครับทางที่ดีให้ผมไปกา บ, บุญคาเบียงสองคนดีกว่า ทุกคนกลับไปพักที่แคมป์เดียวๆ เ, เท่านั้นเองก็ไม่เข้าถ่ายเหมือนกันเพราะเป็นห่วงนะสิพวกเราถึงได้ตามคุณมาด้วยอย่างเงี้ยชัยันขัดขึ้นโดยเร็วระหว่างที่ยืนลังเลกันอยู่มาเรียก็ยกตุ่มลูกเลื่อนของไรเฟิลในมือที่ทำเป็นรูไว้ขึ้นเป่าเป็นเสียงแหลมยาวเรียกเกิดกระจันที่กาลังนั่งคุยกันอยู่ให้เงยหน้าขึ้นมาแล้วโบกมือเรียกพรางบอกกับคณะพักว่า ฉันตัดสินใจให้เองเรียกสองคนเริ่มาด้วยเราไปด้วยกันทั้งหมดนี่แหละจริงด้วยเอางั้นดีกว่าดารินรีบสนับสนุนมาโดยเร็วสองพรานวิ่งถือปืนเหาะเข้ามาอย่างไม่รู้เรื่องหล่อนก็บอกว่าไปกับพวกเราไม่ต้องเฝ้าแคมป์หรอกนั่งอยู่สองคนปเดี๋ยวผีหลอกอะ่ะเกิดกระจันยิ้มใหญ่แล้ทั้งคณะสิอคนก็เกาะกลุ่มเดินกันไปเป็นขบวนชายันอดหัวเราะไม่ได้ คิดิ ด, ดูก็น่าขำนะเหตุการณ์มันทำให้พวกเรากลายเป็นคนตาขาวขี้คลาดไปหมดแล้วก็พับพาเถอะถ้ากลับมาไม่เห็นข้าวของของเราเหลืออยู่ที่นั่นซักชิ้นมันคงสนุกพี่ลึกละของหายไม่เป็นไรยายคนหายแล้วกันเชษถาต่อจอมพรานเดินเลาะดูแอ่งน้ำมวกอีกครั้งแล้วตัดไปตามป่าหินสลับพุ่มไม้เตี้ยๆอันคำนวนไว้ว่าเจ้าเสือยักษ์ตัวนั้นบ่ายหน้าไป ขนทางเดินมันกว้างขวางไม่จำกัดทุกคนเลือกเดินกระจายแผ่เป็นหน้ากระดานเพื่อช่วยตรวจตราครั้นแล้วไม่เกิน20เมตรเบื้องหน้านั่นเองก็ถึงขนทางลาดชันขึ้นไปสูนเนินตอนหนึ่งอุดมไปด้วยกรวดสีดําก้อนเึิงเขิ ง, ขงระพินเดินเรียบใกล้เข้าไปสังเกตลาดเราอย่างไม่แน่ใจอะไรนักอาการของเขาครั้งแรกเหมือนจะเฉียดผ่านเลาะอ้อมต่อไปในระหว่างป่าหิน แต่แล้วทันทีนั้นสายตาอันคงไวของจอมพรางก็แลปราดไปพบกระร่องรอยอันชวนสะดุดใจเข้าชนิดหนึ่งเขาหยุดชะงักและตรงเข้าไปดูโดยเร็วกรวดอันปกคลุมอยู่ยังเนินเทราสนั้นปรากฏเป็นทางถลัยลื่นลงมาระยะยาวประมาณศอกเศษ จ, จากระดับแง่หินที่งอกสลับอยู่เหมือนขั้นบันไดธรรมชาติรอยที่บุ๋มอยู่บนดินตำแหน่งสุดท้ายของรอยทางลื่นนั้นเป็นลักษณะ ส้นเท้าของมนุษย์กลุ่มนายจ้างและพรานพื้นเมืองเข้ามาถึงในเวลาติดๆกันแล้วก็จ้องนิ่งอยู่ยังหลักฐานที่ระพิน์สุดลงนั่งพิจารณานั้นสายตาเท่านั้นที่เป็นคำถามกันอยู่ไปมาพรานใหญ่ยังสงบนิ่งค่อยๆเบนสายตาสำรวจทวนรอยเหล่านั้นขึ้นไปยังบริเวณไหล่ตอนหนึง่งอันไม่สูงขึ้นไปเท่าไรนักมีกอภัยใหญ่ขึ้นปกคลุมอยู่กอหนึ่ง แล้วซุบซิบกบุญคำซึ่งนั่งยองยองอยู่ใกล้ๆดารินสกิดแขนมาเรียในฐานะคร่ำบอดกว่าในด้านการอ่านรอยแม่สาวก็รู้ใจเอียงริมฝีปากเข้ามากระซิบข้างหูมีคนคนหนึ่งเดินลงมาจากเนินนั่นเหยียบแง่หินพลาดทะไหลลื่นลงมาช่วงสั้นๆรงรอยบุ๋มที่จิกติดพื้นรู้สึกว่าจะเป็นรอยส้นเท้า ความหวาดอยู่แล้วทำให้ราชสกุลสาวสะบัดร้อนสะบัดหนาวใจหายวูบขึ้นมาทันทีนั้นใครหลอนถามเบาที่สุดใครจะบอกได้ล่ะทุกคนเห็นระพินค่อยๆเหยียบแง่หินนำขึ้นไปก่อนตาม ต, ติดด้วยบุญคำทางขึ้นมันไม่ลำบากอะไรนะักเพราะมีแง่หินงอกให้เหยียบขึ้นไปได้เป็นระยะ คณะนายจ้างสะกดความกระวนกระวายอยากทราบรหัสนั้นไว้โดยไม่มีใครเอ่ยถามกระพินให้เสียเวลาแต่ไตคืบตามขึ้นไปอย่างเบากริบอย่างรู้ชั้นเชิงกันดีแล้วอึดใจเดียวต่างก็บรุลุถึงโคนกอไผ่ใหญ่ซึ่งสูงกว่าระดับยืนอยู่เดิมขึ้นมาเพียงไม่เกินยี่สิบฟุตลำไผ่ต้นหนึ่งมีรอยถูกมีดตัดขาดล้มอยู่กับพื้น ทั้งหมดมองเห็นได้ในทันทีที่มาถึงแล้วก็พลูเข้าไปดูโดยเร็วใครกนันนี่ใครมาตัดต้นไผ่นี่ไว้รอยมันยังใหม่ๆอยู่เลยชายันร้องเร็วปรือนึกไม่ออกเลวครับว่าควรจะเป็นใครที่แรกผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันชัดแล้วละ่ะจอมพรานพูดแผ่วเบานั่งลงพิจารณาดูต้นไผ่ตรงบริเวณที่ถูกตัดกอออก เหมือนจะคำนวณหาส่วนอวบใหญ่ของลำต้นมันคุณหมายความถึงครับเจ้าแง้ายของเราอะถ้าเอากระบอกไม้ไผ่ที่บรรจุน้ำมวกซึ่งวางตั้งไวให้เรากระบอกนั้นมาเปรียบเทียบดูกับขนาดของลำไผ่ต้นนี้ ก, ก็จะประสานกันได้พอดีเชียละเ <ๆ S 2> ขาพูดช้าๆขณะลุกขึ้นมองกราดไปรอบๆ ร, ระหว่างที่ทุกคนงันไปด้วยความแปลกใจ ผมนึกแล้วจะต้องมีทางเดินมาถึงแอ่งน้าม่วกนั่นโดยไม่จําเป็นต้องผ่านดงเถากินคนและแงาสายก็เลือกเดินมาทางนั้นแหละผ่านกอไผ่กอนี้แล้วตัดเอากระบอกไปตักน้ําม่วกไปคอยวางดักไว้ให้เราเมื่อตอนเที่ยงที่แล้วรอยตีนที่เหยียบกรวดทะไหลลื่นไวแ้แทบ้ที่ทําให้เราสวนรอยขึ้นมาพบหลักฐานอันยืนยันได้นี้ชั่วขณะหนึ่งที่ทุกคนนิ่งเงียบ ภาพของเจ้าคนใช้ชาวดงผู้กลายเป็นตัวปริศนาลึกลับอยู่ในขณะนี้ผุดขึ้นในห่วงคิดดารินพึมพำแผ่วเบาะอะไรออกมาคำหนึง่งวิติยินดีขึ้นเมื่อได้เห็นร่องรอยขององค์รักประจำตัวของหล่อดแต่แล้วก็แปรไปเป็นความสลดเศร้างเงียบขึ้มไปเช่อท้าเอาหลังมือเช็ดเหงื่อที่ปลายคางแงาซายมีมีติดตัวไปด้วยเหรอมีแน่นอนครับ มีมีดเล่มนึงขัดหลังประจําตัวมันอยู่ตลอดเวลาขณะที่มันหนีเราไปอย่างอื่นทิ้งไว้หมดก็จริงแต่มีดเล่มนั้นติดอยู่กับตัวครับถ้าเป็นแงสายก็หมดปัญหาไปแต่ถ้าไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดสําคัญว่าคุณแน่ใจเหรอชยันถามอย่างไม่แน่ใจนะักจากเหตุผลและหลักฐานเท่าที่เห็นหนีมันบ่งชัดร้อยเปอร์เซ็นครับว่าน้ํา ม, มวกแหล่งนี้แหละครับ ที่แงซายมาตักไปให้เราและไผ่ต้นนี้ก็จะต้องเป็นต้นเดิมของกระบอกที่ใช้ใส่น้ําและผมก็เชื่อว่าถ้าเราพยายามเดินสวนต้นทางขึ้นไปจะต้องพบร่องรอยที่แงซายใช้เดินมาโดยไม่ผ่านดงเผากินคนมันจะต้องมีทางอยู่บนเนินเขาลูกนี้ล่ะครับมันละนายไม่มีใครหรอกถ้ายังไม่พบรอยตัดไผ่นี่บุญคําก็ยังเสียวอยู่ว่าอาจจะเป็นรอยตีนของไอ้ผีหัวโลนนั่น บุญคำยืนยันหนักแน่นอีกคนหนึ่งโถในป่ามรณะที่เป็นศัตรูกระทุกชีวิตจะล่วงล้ำเข้ามาเช่นนี้แง่าสายซอกซอนดันเดินไปเสมอด้วยสัตว์ป่าตัวหนึ่งจากเราไปแล้วก็ยังไม่วายห่วงใยผูกพันขอให้การช่วยเหลืออยู่เป็นในในเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ในลักษณะของผีป่าเช่นนี้ไปอีกนานสักเท่าใดนะดารินปลราลรขึ้นเศร้าๆน้าตาคลอ แฟนใหญ่ตอบคำโดยไม่หันมามองว่าเรื่องอันตรายที่จะเกิดกับแงซสายไม่ต้องห่วงหรอกครับถ้าจะห่วงก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือเราจะได้ตัวเขากลับคืนมาหรือไม่เท่านั้นนี่เป็นปัญหาหนักที่สุดโปรดรู้ไว้ด้วยเถอะครับว่าขณะนี้นะ่ะแง่สายเป็นส่วนประกอบของป่าอาถรรพ์ น, นี่ไปซะแล้วไอ้บ้าเอ้ยชายันราพึงขึ้นบ้างในลักษณะด่ากว่าตามองไปรอ บ, รอบ มันคนเดียวแท้ๆนะที่ทำให้พวกเราทั้งหมดยุ่งยากกันอยู่แบบนี้อยากรู้เหลือเกินว่าตอนนี้มันไปหลบหัวซุกโพรงอยู่ที่ไหนไปเดี๋ยวัดแช่งไอ้ไอ้เสือใหญ่นั่นเคียวคาหมองซะเท่า น, นั้นจะบ้าบอคอแตกแค่คอกหนีไปก็ไม่มีใครเขาว่ารอกหน่อยนี่เสือขโมยเอาของสำคัญไปซะด้วยมันน่าเหยียบคอต่อนะวู้แม่สายวู้อยู่ไหนเอาแผนที่เคยมาละโว้ย แล้วเองจะไปไหนก็ตามใจเองครั้นแล้วอยู่ไม่อยู่ชั ย, ยันก็ป้องปากตะโกนเอ็ดอึงขึ้นไม่ทันเสียงอันเกิดจากอารมณ์เห้าขนองของอดีตนายทหารปืนใหญ่นั่นเองก็ปรากฏเสียงอา้าวดังสะท้อนก้องไปหมดทั้งลูกเขากำปนาตแห่งเสียงนั้นปานว่าก้อนหินและพุ่งไม้ไหวสะเทือนไปหมดกระหน่งเสือโคร่งยี่สิบตัวร้องคำรามขึ้นพร้อมกัน พรานพื้นเมืองของรพินทั้งหมดรวมทั้งขยินและสางปล า, ายงหลังก้นกระแทกกับพื้นเราก็กถูกใครผลักดารินกมาเรียผงาปปะทะกันไปชนก้อนหินเจ้าตัวคนตะโกนทำเสียงด้วยความขนองขึ้นนั้นบัดนี้ก็ปืนพลัดหลุดจากมือไปไม่รู้สึกตัวผมบนศีรษะแทบจะตั้งปลายชี้ขึ้นเชษฐาวราฤทธ์ก็เย็นตั้งแต่สมองลงไปถึงไขสันหลัง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 เสียงจอมพรานตะโกนละล่ำละลักมาแทบฟังไม่ได้สับและชั่วพริบตาเดียวร่างเพียวนั้นก็เพนลับโคดหิงใหญ่ลูกหนึ่งซึ่งลอกอยู่ด้านบนหายขึ้นไปบนไหลตะพักอันเป็นที่มาของเสียงนั้นมาเรียกระชากแขนดารินผู้ยังอยู่ในอาการลืมตัวหมดสปิทหลาเข้าไปกำบังอยู่หลังก้อนหินก้อนหนึ่งช ย, ยันก้มลงตะครุบจุด60ชนโตรอย่างลนลานเพนขาสั่นเข้ายึดพุ่งไม้เตีย้ยเตีเต้เบื้องหน้า เชิทับประทับแมกนามแอฟริกันจ้องพร้อมบังอยู่หลังกอไผ่ส่วนพวกพรานทั้งนั้นก็วิ่งกันวนโอนละมานไปหมดแน่ละ่ะเสียงนั้นดังมาใกล้เหลือเกินเหมือนกับมันจะแผดเสียงคำรนอยู่เหนือสีสระขึ้นไปนี่เองและไม่มีป่าทึบอื่นๆมาเป็นที่กำบังอำพรางตานอกอยากหมูหินและพุ่งไม้โปร่งๆที่ขึ้นนาเรียงรายอยู่เป็นระยะระพินสวนปราดขึ้นไปแล้ว ด้วยวิญญาณของจอมพรานวินาทีใดวินาทีหนึ่งข้างหน้านี้เขาจะต้องลั่นกระสุนขึ้นและทับพราดก็แปลว่ามันควรจะต้องโผล่เงาสวนออกมาให้ทุกคนเห็นโดยไม่มีทางหลบไปทางด้านอื่นอีกทุกคนจ้องปืนด้วยมืออันสั่นระรัวตาเบิกพโพล่แทบไม่หายใจทั้งสิบกระบอกในที่ซุ่มต่างๆพร้อมจะระดมแผดระเบิดขึ้นในทันทีที่เห็นอะไรพรวดพลาดสวนออกมา กะสันโบกันแค่กระสุนหมดชุดที่บรรจุอยู่ร่างของพรานใหญ่หายลับไปจากสายตาครูใหญ่ระยะนี้มันยาวนานเหลือเกินสำหรับความรู้สึกของอีกสิบคนที่คอยอยู่เบื้องล่างมันเงียบสนิทไม่มีเสียงกระโตกกระตากใดๆขึ้นทั้งสิ้นเมื่อแตกพลาดไปทั่วทุกคุ้งขนของทั้งคณะครั้นแล้วเงาของรพินไร์วันก็โผลออกมาให้เห็น ในทุกสายตาที่เฝ้าจับมองอยู่ด้วยความร้อนรุ่มกระสับกระส่ายแสงพลูเพลยามนั้นทำให้ภาพเป็นเงาพราอย่างไรพิกลไม่ได้กล่าวคำใดทั้งสิ้นแต่โบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนตามขึ้นไปคณะนายจ้างไหวตัวลดไรเฟิลลงแต่เสียงบุญคำตะโกนห้ามมาอย่างกระหืดกระหอบอย่านายอย่าเพิ่งเข้าไปนั่นพานใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ เชษฐาผู้กำลังจะไต่ตามอาการเรียกขึ้นไปเป็นคนแรกช ง, งักกึกทำไมบุญคำตาพรานเท่าจ้องตาไม่กระพริบไม่ตอบคำของเชิดาแต่ตะโกนลั่นขึ้นไปนายนั่นหนายหรือเปล่าฉันเองบุญคำขึ้นมาเถอะชัยันผู้หลบอยู่ใกล้ๆขยับตัวแต่บุญคำกดไหลไวกระซิบอย่าเพิ่นงนายทหารขอไม่ขิดไฟแชกให้บุญคำหน่อย ชัยยันงงไปหมดแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะไปปากถามคำใดได้ทั้งสิ้นลวงซิปโป้ออกมาส่งให้บุญคำรับมาแล้วพเพยเอตัวขึ้นคว่างซิปโป้ปลิ้วขึ้นไปตกที่เท้ทาของร่างนั้นนายขีดไฟเช็คขึ้ น, น่อยขีดให้ดูสิเกตกรสั่งขึ้นไปด้วยเสียงเฮยมเฮยมพร้อมกันก็ประทับปืนจ้องเล็งอย่างเตรียมพร้อมกระซิบบอบชัยยันมาว่าระวัง จ้องปืนไว้นั้นนหนทหารถ้าขีดไฟเช็คได้ก็พรานใหญ่ของเราถ้ามันไม่ยอมแตะต้องไฟเช็คอันนั้นยิงทันทีระหว่างที่เชษฐากับชายันยังตะลึงไม่เข้าใจความหมายร่างนั้นก็ก้มลงเก็บซิปโป้ที่บุญคำโยนขึ้นไปให้ขีดเปลวไฟติดขึ้นแล้วโบกเป็นสัญญาณตพาพรานเท่าแห่งเขาอึมครึมถอนใจออกมาโล่ง อ, อกและแกก็เป็นคนแรก ที่แ่นตะกายหินไตขึ้นไปถึงตัวเจ้านายเป็นคนแรกตามติดมาด้วยคณะทั้งหมดบุญคำนึกว่าไม่ใช่นายเส็แล้วแกร้องอย่างดีใจพรานใหญ่ไม่สนใจอะไรกับบุญคำเพราะเคยชินต่อการปฏิบัติตัวเพื่อพิสูจน์แบบพรานป่าของบุญคำดีอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรมาแล้วในเวลาเดินป่าด้วยกันถ้าบังเกิดอาการไม่แน่ใจขึ้นมาทีไร จะเป็นบังคับให้เขาจุดไม้ขีดหรือไฟแชทให้ดูทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต่างคนต่างแยกกันไปคนละสายแล้วมาพบกันอีกครั้งยามวิการกลางป่าซึ่งนั่นเป็นวิธีการทดสอบตามแบบของพรานป่าพื้นบ้านทั่วๆไปแต่เขาเองไม่เคยบังคับให้แกต้องจุดไม้ขีดขึ้นเพื่อพิสูจน์สักทีแม้ว่าแกจะร้องตะโกนโวกเดินตามมาตามเขามา ในขณะที่นั่งห้างหรือนั่งซุ่มอยู่อย่างมากก็เพียงแต่เอาไฟฉายส่องดูหน้าเท่านั้นคณะนายจ้างที่งงต่ออาการของบุงคำเมื่อครู่นี้ก็ผ่านความสนใจที่จะสอบถามไปซะเพราะมีเรื่องที่ตื่นเต้นต้องการรู้มากไปกว่านั้นหลายเท่าทั้งหมดเมื่อตามขึ้นมาถึงร่างของระพินที่ยืนคอยอยู่ก็มองเห็นปากถ้าหินขนาดใหญ่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าว เต็มไปด้วยหินงอกและหินย้อยห่างออกไปซึ่งอยู่ซึ่งมาอยู่ข้างล่างต่ําลงไปไม่อาจมองเห็นได้ว่ามีถ้ำอยู่บนนี้ว่ายังไงมันอยู่ที่ไหนต่างถามขึ้นเกือบเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็สังเกตเห็นคาวหน้าพรานใหญ่เต็มไปด้วยริ้วรอยสนเทเหรือที่จะกล่าวมีปริศนาที่เราขบไม่แตกเกิดขึ้นอีกอย่างนี้แล้วละครับติดตามผมมาทางนี้นะครับ มาเชื่อกันพิจารณาหน่อยผมเห็นกระตาของตัวเองก็ชักจะค่อยเชื่อว่าตาฝาบไปหรือเปล่าระพินพูดเคร่งเครียดแล้วเดินนําไปโดยเร็วอีกสิบคนพลู ก, กันขึ้นไปในลักษณะครึ่งวิ่งครึ่งเดินในมือยังถือไรเฟิลในท่าพร้อมอยู่เช่นนั้นพอพ้นปากทางอันบังระเกะระกะไว้ด้วยก้อนหินใหญ่น้อยสลับไปกับพุ่มไม้ย่อมย่อม เชิาผู้ติดหลังพรานใหญ่กระชั้นชิดเข้าไปเป็นคนที่สองก็แทบผงะสัญชาตยานทำให้ตวัดปืนขึ้นไหลในพริบตานั้นแตระพินดูเหมือนจะทายเหตุการณ์ถูกอยู่แล้วจับข้อมือไว้โดยเร็วอาการหยุดยังกระทันหันของหัวหน้าคณะทำให้อีกหลายคนที่สาวเท้าตามมาเบื้องหลังชนปะทะส่วนเซกันไปหมดทั้งขบวนเท่าากับความตะลึงพึงเพิดในสภาพที่ปรากฏระ ง, งานอยู่กับสายตา ขยินกระสางปลาร้องลั่นออกมาสุดเสียงขยับจะเพนเข้ายังหมดสติหวาดกลัวสุดขีดตะบุญคำกับชัยยันคว้าคอกระชากไว้คนละคนดำมาเมื่มราวกระฐานหินทั้งแท่งที่ปรากฏอยู่ยังซอกเวิร์งริมคูหานนั้นท่วงทีสูงใหญ่เท่ามาลูกผสมแต่ลักษณะของมันไม่ใช่มาทว่าเป็นเสือร่างนั้นสองขาหลังยืนอยู่กับพื้น สองขาหน้าเหยียบเกาะอยู่บนก้อนหินเตีย้ยะลูกหนึ่งในลักษณะเอี้ยวคอหันศีรษะมาทางด้านหลังทามึนมาคือมาและดูกระด้างหยาบเท่าๆกับก้อนหินทุกก้อนอันเป็นส่วนประกอบของปากคูหาถ้ำประหนึ่งว่ามีใครมาแกะสลักหินไว้ทั้งลูกและโดยแท้ที่จริงมันก็คือก้อนหินลักษณะประหลาดที่สุด ระหว่างที่ต่างจ้องตะลึงงันกันอยู่ด้วยเลือดในกายที่แทบจะจับเป็นก้อนแข็งฝูงค้างคาวตัวเคืองเคืองพากันบินพร่างพูออกมาจากส่วนลึกอันมืดมิดของครูหาถ้ำเฉยียดโฉบศีรษะไปพาผับนับไม่ถ้วนพวกมันจะตกใจจากกำปนาเสียงคำรนที่ดังขึ้นอย่างลึกลับเมื่อครูน่นี้ทำให้เกิดอาการแตกตืนหรือจะเป็นเพราะเวลาโผลเพลใกล้ถํา ซึ่งเป็นเวลาออกท่องเที่ยวหากินก็ไม่อาจจะบอกได้แสงสลัวรางของสนทยาการสาดลอดปากถ้ำเข้าไปจับอยู่ที่ร่างนั้นทำให้ปรากฏเงาละเลื่อมชวนให้ขนหัวลุกและบัด น, นี้บางสิ่งบางอย่างยืดลิ้นของทุกคนไว้ทำให้พากันเป็นใบเบือ้อพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะนอกจากหัวใจที่เต้นแรง เสียงใครคนหนึ่งครางขึ้นแทบไม่มีเสียงมันคืออะไรกันนั่นรพินชักมีดโบวีออกจากจากฝากข้างเอวเดินเข้าไปจนชิดร่างนั้นขณะที่เขาเข้าไปยืนเทียบระดับศีรษะของจอมพรานยังไม่ถึงสันหลังส่วนตะโพกของภาพที่เห็นนิ่งแข็งนั้นจอมพรานเอาสันมีดกรีดให้ทุกคนดูเสียงเหล็กสัมผัสกับหินแกร่งดังกราง หินชัยยันร้องลั่นออกมาและพริบตาต่อมานั้นทั้งหมดก็เคลื่อนตรงเข้าไปรายล้อมก้อนหินอันมีรูปร่างพิสดารประหลาดลำนั้นจ้องดูในระยะใกล้ตาไม่กระพริบหินจริงๆนั่นแหละมันเป็นเสือหินดารินอุทานเสียงลั่นอะไรกันนี่แปลกเหลือเกินหินทั้งก้อนทำไมถึงมีลักษณะเป็นรูปเสือชัดเจนอย่างนี้ ยังก็มีใครมาสลักว่ายัางงั้นแหละมาเรียกระเดือกน้ำลายลงคออย่างยากเย็นขณะที่แง้มมองพินิษยังส่วนศีรษะที่สูงชะเง้อมและพูดเหมือนกระสิบเชษถาเอื้อมมือมาจับสัมผัสที่ส่วนขาแล้วเม้มริมฝีปากแน่นต่าง้ากันงงงวยไปหมดพานใหญ่บอกมาเรียบๆว่าตอนที่โผล่เข้ามาพบมันครั้งแรกผมก็แทบช็อกเหมือนกันกูจะเหนียวไกปืนไปละ แต่เห็นมันมีลักษณะแข็งๆยังไงพี่กุพอจ้องก็เห็นชัดว่าที่แท้มันเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งเท่านั้นแต่ทําไมมันถึงมีลักษณะรูปร่างเหมือนกับไอเสือแมลงผู้ตัวนั้นเราก็แกะอย่างนั้นก็ไม่รู้สิยังไงกันนี่ก็เราได้ยินไอมหาการนั้นคํารามสะเทือนไปทั้งภูเขาแล้วไอฟ้าผ่าเถอะเสียงมันดังมาจากถ้า น, นี่แหละใช่ยันร้องครับผมก็ได้ยินอย่างนั้นแหละ แล้วก็เชื่อแน่ว่ามันจะต้องหลบอยู่ในถ้า น, นี่แหละถึงได้ตามเข้ามาแต่แล้วก็มาพบกับสิ่งมหัศจรรย์นี่ข้าวได้เสือตัวนั้นล่ะไม่พบร่องรอยเลยเหรอผมตรวจดูอย่างละเอียดที่สุดแล้วล่ะครับไม่มีวี่แววของเสือตัวนั้นหรือสัตว์อะไรเลยนอกจากข้างข่าวครับชายันคนเดียวที่เงียบกริบสีหน้าและแววตาเต็มไปได้วยปริศนาเขาเดินวนพิจารณาก้อนหินประหลาดอันเป็นรูปเสือใหญ่นั้นไปรอบๆ แล้วมาหยุดยืนอยู่ข้างครานใหญ่ทางด้านศีรษะของมันซึ่งหันเบือนออกไปทางหน้าปากถ้ำถ้าไม่ใช่ก้อนหินเสอย่างเดียวผมก็กล้าที่จะสาบานได้ว่าไอ้ตัวนี้แหละที่กระโจนเข้าตับครุกผมเมื่อายนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหรือขนาดของมันทุกคนได้ยินคำพูดของเชษฐาก็เย็นจากเส้นผมลงไปถึงปลายเท้าครานใหญ่ยิ้มปรปรา เราก็เห็นยุกตาแล้วนะครับว่ามันเป็นก้อนหินแน่นอนใช่ผมก็เห็นว่ามันคือหินและถ้าเป็นหินที่ปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นเองได้โดยธรรมชาติมันก็เป็นหินก้อนที่มหัศจรรย์ที่สุดในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นหินที่มนุษย์ยุคใดยุคหนึ่งแกะสลักขึ้นมันก็เป็นเรื่องแปลกพิศดารพอดูใครเป็นคนแกะสลักขึ้นตั้งแต่เมื่อไรอีกอย่างหนึง่ง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 ไอ้เสือหินตัวนี้คำรามขึ้นได้นะอดีตนายทหารปืนใหญ่พูดเหมือนกระสิบราชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะยักษ์ไหล ย, ยิ้มแค่นๆอืมฉันก็ภาวนาขออย่าให้ไอ้หินก้อนนี้มันคำรามขึ้นได้เลยแล้วเ็าก็หันไปทางพรานใหญ่บางทีไอ้ดำปลอดอาจหนีหลบเข้าไปในซอกลึกของถ้ำนี้ก็ได้อาจเป็นแหล่งหลบซ่อนของมันหรือมิฉะนั้นก็มีทางทะลุออกไปที่อื่นได้อีก ผมก็อยากจะเข้าใจเช่นนั้นเหมือนกันนะครับจอมพรานว่าเลุ่บยป่าเข้าไปในถ้าอันมืดมิดจะสังเกตนั่นสิครับบริเวณผัดเข้าไปนั่นพื้นเป็นขี้ค้างคาวอ่อนยุ่ยทั้งนั้นถ้ามันเข้าไปในส่วนลึกของถ้ำรอยตีนของมันจะต้องปรากฏให้เห็นชัดทีเดียวแต่นี่ไม่มีเลยบางทีอาจเป็นได้นะครับในข้อที่ว่ามันคํารามอยู่ที่อื่นแต่เสียงมันสะท้อนก้องเข้ามาในนี้ทําให้เราเข้าใจผิด คิดว่ามันร้องอยู่ในนี้แต่เสียงที่เราได้ยินมันใกล้หรือเกินนะมันไม่ได้ห่างออกไปเลยอะดาริ่งแย้งโดยเร็วข้าวหน้าหวาดหวัน่นพรั่นใจจนสุดที่จะบรรยายได้เสียงสะท้อนมันอาจลวงหูเราได้นะครับเป็นคำตอบอย่างไม่ส่อให้เห็นถึงความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นมาเรียสำรวจหินประหลาดก้อนนั้นอย่างถี่ถ้วนด้วยความรู้ทางธรณีวิทยาที่หล่อนพอจะมีพื้นฐานอยู่บ้าง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 อายุไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นปีดงแถบนี้ก็มองไม่เห็นร่องรอยว่าจะมีภูเขาไฟมาก่อนเลยหรืออาจจะมีแต่ยุบหายหมดคาวไปให้เห็นแล้วก็ได้ลักษณะของมันติดกับหินภูเขาทุกก้อนในบริเวณนี้เอ๊ถ้ามันไม่ชอบกนฉันยังไงซะแล้วแฮชัยันพืมพรนอย่างสะบัดร้อนสะบัดหนาวพวกพรานพื้นเมืองไม่มีใครกล่าวคาใดเลย จะสังเกตได้จากสีหน้าอาการว่าตกอยู่ในความพร่นใจขวัญเสียขนาดหนักดาลินเองก็ถอยห่างออกไปอย่างหวัดหวั่นเราอยากจะออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดอากาศยิ่งมืดลงไปทุกทีอย่างรวดเร็วขณะนั้นทุกคนเห็นรพินไพรวันก้มลงดึงเชือกผูกรองเท้าออกมาจากรองเท้าที่สวมอยู่ถึงวัดรอยเส้นรอบวงของอุ้งเท้าหน้าของเสือหินทั้งสองข้างที่ยืนเหยียบอยู่บนก้อนหิน แล้วทำเครื่องหมายไว้จากนั้นก็เงยขึ้นบอกเรียบๆว่ากลับที่พักกันก่อนเถอะครับมืดเต็มทีแล้วไฟฟื้นเราก็มาเด็กติดตัวมาพรุ่งนี้ค่อยมาดูใหม่ลวกันทั้งหมดพากันถอยออกมาจากปากถ้ำนั้นด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกระหว่างที่เดินแข่งกับเวลาบ่ายหน้ากลับที่พักบุญคำก็เบียดเข้ามาชิดเขากระซิบเบาที่สุดนาย คือบุญคำไหมอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ก้อนหินอย่างที่เราเห็นนะนายแล้วบุญคำว่ามันเป็นอะไรมันละนายไอ้มหาการที่โดดเขาเล่นงานนายใหญ่เมื่อบ่ายแล้วก็มากินน้ำที่แองมุกแล้วคํารามขึ้นนี่บุญธรำถ้าเหนื่อยมากจิตใจไม่ดีคืนนี้ก็นอนพักจะเได้นะไม่ต้องอยู่ยามเราโธ<ฮ>่นี่นายเห็นว่าบุญคำเสียสติไปใช่แล้วเหรอ ฉันรู้นะว่าบุญคําเหนื่อยมากจิต ใ, ใจก็ไม่ปกติพวกเราทุกคนก็เป็นอย่งงางนั้นเหมือนกันทําใจเข้มแข็งและจะมีเหตุผลถ้าคิดอะไรไม่ออกก็อย่าพยายามคิดลืมมันจะดีกว่าบุญคําถอนหายใจขึ้นกระซิบกระซาบต่อมานายเคยได้ยินคําว่าสมิงพรายมาก่อนไหมนายไม่เคยอก็ทําเป็นเสื้อสมิง ก็คุอวิญญาณตายโหงจากคนที่มันฆ่ากินมากๆเข้าสิงทาให้เห็นรูปร่างต่างๆได้ในเวลาออกล่าเยือ่อเฮ้ยหลงเข้าใจผิดนั่นมันก็ไม่อยากนะันายเองก็เคยปราบมาเชนนับไปทวแล้วอย่างไอ้กิจกุดหรือไอตัวอื่นๆแต่ถ้าสมิงพรายมันไปอีกอย่างหนึ่งนะนายจอมพรานขมวดคิ้วถามเรื่อยๆอย่างไม่สนใจนะัก อ, อมเสียงสนทนาให้ได้ยินกันเพียงสองต่อสอง แล้วมันเป็นยังไงล่ะมันเป็นวิญญาณที่ผูกด้วยอาคมนะนายหรือไม้ก็เป็นกฤตยามน์อันแรงฤทธิ์อาถรรพ์ที่สุดเชื่อมโยงระหว่างเสือกับคนเป็นสิ่งที่ผูกขึ้นด้วยสายเวทเหมือนเหมือนกับไลายธนูนายคงเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วหรือนายอาจมีอยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ควายธนูปั้นด้วยขี้พึ่งหรือหล่อด้วยทองแดงตัวเล็กนิด เ, เดียวพรเสกด้วยเวทมนต์วิญญาณของควายป่าเข้าสิงเท่านั้น มันก็บรรดาลเป็นควายตัวใหญ่มาคือมาไล่วิดทุกอย่างวอดวายพินาศเสียงสนทนาให้ได้ยินเพียงสองต่อสองแล้วมันเป็นยังไงเขาถามเป็นน้ำเสียงเรื่อยๆก็ไปตามแต่เจ้าของจะใช้สมิงพรายก็อย่างเดียวกับควายธนูนายไม่คิดบ้างห่ะว่าเมื่ออาคมหรือวิญญาณร้เข้าสิงไอเสือหินตัวนั้นจะไม่กลายมาเป็นสือที่มีชีวิตขึ้น คอจ้องที่จะล่าพวกเราได้อย่างที่พบกันมาแล้วแต่ถ้าถอนวิญญาณออกมันก็กลับเป็นต้อนหินแข็งทื่อปราศจากชีวิตไอ้วิญญาณร้ายทิตสิงเสือนะ่ะจะต้องรู้แน่ว่ามันจวนตัวเต็มทีขณะที่นายไล่กระชันเข้าไปก็เลยถอยหนีออกไปทิ้งร่างเสือให้กลายเป็นหินจอมพรานหัวเราะ อ, ออกมาเบาๆผิดกับแววตาจริงจังทุกร้อนของบุญคาในขณะนี้ ก็สมมุติว่าถ้าเป็นอย่างบุญคำว่าเราจะแก้ไขยังไงก็ต้องแก่อย่างอาถรรพ์กันย้าวิญญาณเข้ามาสิงร่างเสือหินได้อีกแล้วจะไม่มีเสือใหญ่ตัวนั้นมาจ้องรังควานเราอีกต่อจากนั้นก็ค้นให้ได้ว่าวิญญาณน่ะสิงอยู่ในร่างไหนฆ่ามันให้ได้นั่นสิแก้อาถรรพ์ของบุญคำน่ะแกยังไงแกอึกอักอยู่ในลําคอชำเลืองไปยังคณะพักทุกคนที่เดินกันอยู่ข้างหน้า โดยมีพรานใหญ่กับแกร่ร้ังท้ายอยู่เพียงสองคนบุญคําไม่เคยพบกับสมิงพรายสักทีนะนายเคยแต่ได้ยินอาจารย์ที่เป็นพระธุดงค์พม่าเล่าให้ฟังแรกบุญคําก็ไม่อยากเชื่อหรอกแต่มาเห็นเข้าอย่างนี้ทําให้บุญคําแน่ใจว่าที่อาจารย์บอกไว้มันก็อาจจะจริงซะละท่านบอกว่าถ้าเข้าป่าใหญ่พบสัตว์ร้ายอะไรที่มีลักษณะเหมือนก้อนหิน และสงสัยว่ามันอาจกลับร่างมาเป็นสิ่งมีชีวิตจ้องทำอันตรายเราภายหลังก็จงกันอย่าให้วิญญาณร้ายเข้าสิงมันได้สิ่งที่จะใช้แก้อาถนก็คือเสียงแกเบาลงไปให้เอาผ้าประจำเดือนของผู้หญิงผูกคอมันไปซะวิญญาณจะเข้าร่างหินไม่ได้กระพินไพรวันแทบสำลักชังักกึกลงในทันทีนั้นเจ้าหน้าบุญคาตาโต ทั้งสองก็เลยยืนอยู่ด้วยกันตรงนั้นชั่วขนาดข้าวหน้าของพรานใหญ่บ้่นยากที่สุดเดี๋ยวไหลหน้าบุญคำโธ<ฮ>แต่ครางทาหน้าเหมือนจะร้องไห้ทำไมนะนายถึงไม่ยอมเชื่อบุญคำซะบ้างลองดูเป็นรายเชียวว่าอาจารย์ของบุญคำพูดมาจริงไหมมันก็ไม่เหลือปากว่าแรงสักนิดนี่มันก็ยังไม่มีอะไรมายืนยันให้เราแน่ใจได้นี่ว้ก่อนเห็นลูกนั้น คือเสือใหญ่ที่ตามรังควานเราอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เชื่อไม่เชื่อไปเชื่อไม่ได้ด้วยแล้วนายจะรอให้แน่ใจอีตอนมันโจรก็ขบหัวพวกเราคนใดคนหนึ่งก่อนหลหรอยอมแพนกับพริกตาปริบปๆปข้าวหน้าปั้น ย, ย่างอยู่เช่นนั้นแล้วเราจะไปเอาภาพประจำเดือนผู้หญิงมาจากไหนอ่ะบุญคําขยับปากแต่แล้วก็ไม่มีคําพูดอะไรผ่านออกมาได้นอกจากทำริงฝีปากหมุกหมิบ ชำเรืองตามหลังคณะนายจ้างที่เดินล่วงหน้าไปก่อนแลพินก็พูดไม่เต็มปากต่อมาว่าบุญคำกล้าไหมละ่ะไปขอจากนายผู้หญิงหรือนายแหม่มคนใดคนหนึ่งถ้าหากว่าเขามีสิ่งที่บุญคำต้องการน่ะตพรานเท่าตาเหลือนี่นายจะหาเรื่องไอ้บุญคำถูกกระเทืบแล้วไหมละ่ะอ๋อรู้ตัวเหมือนกันเลยน ะ, ะเพราะฉะนั้นก็ดีละระงับความคิดอันนี้ไว้ซะแล้วก็ ไม่ต้องพูดอะไราพาดพิงไปถึงเสือหินตัวนั้นให้ในายจ้างของเราได้ตกอกตกใจกันอีกเฉยๆไปแล้วกันนี่ไหนไม่ยอมเชื่อบุญคำเลยเหรอแกพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังไม่ละความพยายามนี่บุญคำเราอยู่ด้วยกันมานานเลยนะในที่สุดเขาก็พูดเรื่อยๆดึงแขนแกให้ออกเดินต่อเมื่อสังเกตเห็นเชษฐาเหลียวกลับมามอง ลักษณะหยุดพูดซุบซิบของเขาอย่างสงสัยบุญคำเองก็คงจะรู้นิสัยของฉันดีนะอะไรที่พอจะเชื่อได้ฉันก็เชื่อไม่ใช่ว่าเห็นว่าบุญคำพูดเหลวไหลไปเสียหมดหรอกแล้วแล้วเรื่องเสือหินนะก็ถ้าบุญคำยืนยันว่าเคยพบในสิ่งที่เล่าให้ฟังนี่กะตาฉันก็จะเชื่อหรอกแต่นี่ได้ฟังมาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นให้เวลามันพิสูจน์ดีกว่า ยิ่งอยู่สิ่งที่บุญคำแนะมันไม่เหลือบากกว่าแรงอะไรถ้ามันเป็นความจริงแต่ถ้าไม่จริง่ะบุญคำก็ขายหน้าฉันเสียเท่านั้นบุญคำก็ขายฉันซะเท่านั้นตาพรานเท่าแห่งเขาอึมครึมผู้แก่อาคมก็สงบปากคำไปในบัตรนั้นข้าวหน้าสอแวววิตกกังวลอยู่ภายในคนเดียวถ่านทางแกประวันท่านใจผิดไปกว่าทุกครั้งซึ่งระพินก็รับ ว่าตั้งแต่ใช้ชีวิตผจนภัยร่วมเป็นร่วมตายกันมาเขาไม่เคยเห็นพรานคู่ใจตกอยู่ในอาการชนิดนี้มา ก, ก่อนข้ามกลางราวไพรอันขมุกขมัวพลบข่ำนั้นกลุ่มของพวกที่เดินล่วงหน้าไปถึงบริเวณแคมป์ก่อนพากันร้องอะไรเอะอะแซดไปหมดฟังไม่ได้สับระพินใจหายหว่านึกว่าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นเห็นเต็มฝีเท้าห่อแนบมาโดยเร็ว เห็นพักพวกทุกคนกําลังมุงล้อมอยู่ที่พื้นตอนหนึ่งเบื้องหน้าบริเวณที่ปูพลาสผ้พาพลาสติกไว้สําหรับรองนอนพอก็พรวดเข้าไปก็เห็นพอเขารวดเข้าไปเห็นก็ร้องออกมาด้วยความประหลาดใจเก้งนี่มันมาจากไหนนี่ไม่รู้เหมือนกันสิจู่ๆกลับมาถึงแคมป์ก็เห็นมันถูกวางไว้ตรงนี้แหละเชษฐาบอกตื่นๆท่ามกลางเสียงจอกแจ๊กของพวกลูกหาที่พากันกวาดสายตาไปรอบๆ เสยกลมลงสำรวจที่ซากเก่งหนุ่มของงามตัวนั้นแล้วบอกว่าตัวยังอ่อนอยู่เลยนายมีรอยมีเชือดคอด้วยละ่ะจริงตามเสยบอกเก่งตัวนั้นมีรอยถูกมีดเชือดคอครบบริบูรณ์หมดทั้งตัวโดยไม่มีส่วนไหนขาดหายชํารุดไปตัวก็ยังอ่อนแสดงว่าเพิ่งตายไม่นานนักตะพินเม้มปากแน่นใครเห็นก่อนเป็นคนแรกนี่ก็เห็นพร้อมๆกันนี่แหละพอเดินใกล้เข้ามา เห็นอะไรกองตะคุ่มตะคุ่มอยู่หน้าแทมที่แรกก็นึ ก, กว่าเป็นก้อนหินพอใกล้เข้ามาจริงเห็นว่าเป็นเก้งชายยันเป็นคนตอบและไม่ไม่เห็นวิเวรหรือร่องรอยอะไรบ้างเลยเลยครับก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติสักอย่างนะนอกจากเก้งมาวางอยู่ตรงนี้เงียบๆอย่างเดียวเท่านั้นเอ๊ะถ้างั้นมันก็เร็วมากเหลือเกินช่วระยะเวลาเพียงแค่เราคล้อยหลังไปไม่ถึงสิบห้านาทีนี่เองเขาผึมพัน แล้วพระไปเดินสำรวจข้าวของสัมภาระที่กองอยูอ่ช่วยกันตรวจดูสิครับมีอะไรของเราหายไปบ้างทุกคนตรงเข้าไปช่วยตรวจตรวจของแต่ก็พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรถูกเคลื่อนย้ายไปจากที่เดิมบอกสิระพินนี่มันแปลว่าอะไรแง่ทรายหรือเปล่าที่ย่องโอเก้งตัวนี้มาทิ้งไว้ให้ขณะที่พวกเราขึ้นไปบนถ้ำนั่น ดารินร้องถามอย่างกระสับกระส่ายร้อนใจระคนปิติมันก็ไม่มีข้อสนิฐานอย่างอื่นแง่ทรายหรืออะไรชนิดหนึ่งที่สิงอยู่ในแง่ทรายรู้ดีว่าพวกเรากำลังอดอาหารยิงหาทางช่วยยืดชีวิตให้แบบเดียวกับที่ได้เอาน้ำมาตั้งไว้ให้เมื่อเที่ยงนี้ก็นับว่าเป็นโชคดีของพวกเราทุกคนที่ได้ประทังตายไปอีกอย่างน้อยก็สองมือ้อจากเนื้อเก้งตัวนี้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 และสิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดก็คือแง่ทายไม่ได้ห่างไกลออกไปเลยยังคงวนเวียนป้วนเปลี่ยนอยู่ใกล้เคียงกับคณะเดินทางทุกระยะระหว่างที่คณะไหนจ้างปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับพฤติการของแง่ทรายกระพินไม่สนใจคว้าไฟฉายได้ก็เดินย้อนกลับมายังแอ่งน้ําม่วงที่ปรากฏรอยตืนเสือใหญ่ประทับเท้าคู่หน้าอยู่ตรงหินอ่อนและเอาเชือกผูกรองเท้าที่วัด ทำหมายไว้กับเท้าของเสือหินอันพบในถ้าหยุกหยกนี้ขมวดเป็นเส้นรอบวงกะหาขนาดเปรียบเทียบเท่ากันไหมเสียงแผ่วเบาเป็นภาษาอังกฤษดังมาจากเบื้องหลังไม่ต้องหันไปดูเขาก็รู้ว่าเป็นมาเรียหล่อนเดินตามเข้ามาเพียงคนเดียวก่อนที่จะตอบเช่นไรแมมสาวก็เดินอ้อมมาเบื้องหน้าใช้ไฟฉายของหล่อนอีกดวงหนึ่งส่องลงมายังบริเวณรอยตีนเสือ ที่ยังมีเชือกผูกรองเท้าของระพินภาพวัดอยู่ถ้าไอ้นั่นไม่ใช่ก้อนหินผมก็อยากจะพูดว่ามันเป็นตัวเดียวกันครับฉันสังเกตเห็นคุณถอดเชือกผูกรองเท้าออกมาวัดขนาดรอยตีนของเจ้าเสือหินที่เราพบในถ้ำนั่นก็พอจะเดาได้ถูกละว่าคุณคงต้องการเอามาเปรียบเทียบกับที่มันเหยียบไว้นี่จะไม่เป็นการพยายามทาอะไรที่ขาดเหตุผลไปหน่อยเหรอไพวัน ขาดเหตุผลในข้อไหนล่ะครับก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเสือตัวไหนก็ตามที่มาหมอบกินน้ำอยู่ตรงนี้มันเป็นสัตว์มีชีวิตแต่อที่เราไปพบบนโน้นน่ะมันก้อนหินแลวจะเอามาเปรียบเทียบกันทำไมให้เสียเวลาหล่อนพูดยิ้มยิ้มตาสีมรกตแลดูเขาด้วยประกายขบขันระคนสมเพศแต่ก็เปรียมไปด้วยไมตรีและสนิทชิดเชื้อเป็นกันเองอย่างที่เขาเคยได้รับ มาแต่ไหนแต่ไรจากพัญญาสาวสวยของอดีตนายจ้างผู้บัดนี้หาชีวิตไม่แล้วรับพิ้งยิ้มกล้านกล้านคงสุดตัวคุกเข่าทอดสายตามองดูรอยตีนเสืออยู่เช่นนั้นผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันครับว่าทำไมผมถึงต้องทำเช่นนี้บางขณะผมก็ไม่มีเหตุผลว่าแต่คุณเธอรู้สึกยังไงบ้างถ้าผมจะบอกว่า สมมติเราหักขาหน้าของเสือหิวตัวนั้นมาได้เอามาประทับรอยลงตรงนี้จะได้รอยขนาดเดียวกันพอดีพอดีมาเรียรทำหน้าเลี่ยนๆลี่ยนห่อไหลลงนิดนึงมันเป็นการบังเอนะิญอะไพรวันแต่ถึงยังไงโดยคำบอกเล่าของคุณนี่มันก็ทำให้ฉันไม่สู้จะปลอดปร่งนักหรอกฉันมาขอบใจคุณอีกครั้งที่ช่วยเหลือหาน้าไ ม, มา้ฉันเมื่อเที่ยงนี้ตอนที่หมดสติไป ถ้าไม่ได้น้ำกระบอกนั้นฉันคงตายไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงเลยและก็ไม่เพียงแต่ผมเท่านั้นหรอกพวกเราทุกคนมีส่วนช่วยเหลือคุณทั้งนั้นในบรรดาพวกเราทุกคนที่มาด้วยกันถ้าไม่มีการช่วยเหลือกันแคอย่างเดียวอะเราทั้งหมดก็ไม่มีทางไปได้รอดแม้แต่ผมเองก็อาจจะจริงนะหล่อนพูดหนักๆในลาคอพร้อมกันก็กระชาก หยุดสี่ห้าโค้ซิงเกิลแอคชั่นที่อยู่ในซองข้างเอวขึ้นมาและพลิปตานั้นเองมันก็แผดระเบิดขึ้นกึกก้องโอลไฟอันแดงฉานแลบผ่านไหล่ซ้ายของระพินผู้กําลังคุกเข่าอยู่หูลั่นกริงแทบจะแก้วหูแตกต่างลากล้องปืนห่างเขาไม่ถึงศอกจอมพรานทะลึ่งพรวดด้วยความตกใจและดวอะไรไม่ถูกเท่าเท่ากับที่ทุกคนในแคมป์อันไม่ห่างออกไปนักก็หนกกันไปหมด หันควับมาเป็นตาเดียวเขากำลังจะรอระเบิดเสียงพฤศวางเกลี้ยวกราดออกมาว่า น, นีหลอนบ้าดีเดือดอะไรขึ้นมาเหรอก็พอดีหันไปพบกับอะไรอย่างหนึ่งเบื้องหลังซึ่งบัดนี้ไฟฉายในมือของมาเรียส่องจับอยู่เกรดของมันเป็นเงาดำวักกระทบแสงไฟราวกับนินรำตัวยาวประมาณวาเิตดอกจันที่ก้านคอเป็นรูปเกือกมาสีขาวนวล เห็นได้อย่างถนัดแต่ศีสะถูกเด็ดขาดหายไปทางไหนไม่รู้เหลือแต่เนื้อ ก, กดด้วนสีแดงและหลังพรางไปด้วยเลือดหมูเห่าหม้อก่อนที่ปืนในเมือของมาเรียจะระเบิดขึ้นมันคงจะต้องชูแม่เบีย้ยอยู่ห่างจากสันหลังของเขาเพียงไม่กี่คืบเท่านั้นและไม่แน่ใจว่ามันจะฉกลงมาเสื้อเดินตาแบบเปราะบางสำหรับชส้สวมใส่ในตอนกลางวันของเขา จะกันเขี้ยวอันแหลมของมันไว้ได้หรือเปล่าขณะนี้มันบิดม้วนเป็นเกลียวอย่างน่าขยักขยแงที่ฉันก็นึกว่าเป็นกิ่งไม้นะมาเอกใจตอนที่มันค่อยๆชูหัวขึ้นข้างหลังคุณเลยแม่สาวบอกเรียบๆเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทุกคนวิ่งพลูกันเข้ามาพร้อมกระถามกันแซดไม่ต้องมีคําอธิบายใดๆเมื่อต่างคนต่างมองเห็นงูเห่าตัวนั้น ถูกยิงหัวแหลกดินพันอยู่กับพื้นดินไม่จำเป็นต้องขอบใจฉันหรอกมาเรียกระซิบหน้าตาเฉยต่อมาขณะที่เขายังยืยนตะลึงอยู่แล้วก็เดินพระสวนกลับไปที่แคมป์ก่อนที่คนอื่นจะทันเอ่ยถามอะไรขึ้นระพินเป่าลมออกจากปากนึกขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาที่เดินใจให้มาเรียเดินตามเข้ามาด้วย แล้วช่วยหญิงส ก, กัดไว้ได้ทันก่อนที่มันจะแอบเข้ามาฝังเขี้ยวทางเบื้องหลังอ่ะเป็นไงบ้างทันฉกหรือเปล่าชายันถามอย่างเป็นห่วงทันทีที่แล่นเข้ามาถึงและมองเห็นก็อีกนิดเดียวเท่านั้นละครับแต่แหมเมตาไวเหลือเกินตด้ริ้งจ้องที่ศีรษะอันแหลกยับของอสรพิษร้ายและมองตามหลังเพื่อนสาวไปด้วยความรู้สึกแปลก พึมพมกับตนเองอย่างเบาที่สุดเฮ้ทําตัวซ่อนคมนักนะในว่าไม่ชํานาญปืนสั้นยังไงล่ะแล้วต่างก็เดินกลับเข้าบริเวณแคมป์ให้เหมือนเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่มีใครสนใจกับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆยนั้นเพราะเคยชินกันมามากแล้วสภาพของค่มคืนนี้มันทวีความร้ายกาจหนักไปกว่าทุกคืนที่ผ่านกันมาแล้ว เริ่มด้วยยามกลางวันที่แสนจะระอุอ้าวร้อนราวกับอยู่ในเตานรกพอหมดแสงตะวันความหนาวเย็นก็จู่โจมก็มาอย่างรวดเร็วจนแทบปรับร่างกายรับไม่ทันเพียงขนาดหัวค่าแค่นั้นทุกคนก็ต้องอาศัยไออุ่นของกองไฟเป็นที่พึ่งแล้วในความรู้สึกของทุกคนยามนี้ผลจากแนวกองไฟที่ล้อมก่อไวเพียงกระเบียดเดียวก็ล้วนเป็นแดนมาหาภัย ซึ่งอันตรายเตรียมพร้อมที่จะจู่โจมราวีมาได้ทุกขณะชนิดที่ทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ถูกถึงแม้จะใจกลางแคมป์ที่ต่างนอนหันศีรษะชนกันในยามนี้ก็ตามไม่เป็นสิ่งที่เชื่อได้ว่าชีวิตของใครจะไม่ปรดปล ง, ลงจากมรตยูที่กำหนดไม่ได้เพียงแต่กำหนดเวญยนยามแล้วก็ไม่จาเป็นจะต้าซักซ้อมอะไรอีกทั้งสิ้น เพราะต่างจะหนักในหน้าที่และสะภาพแวดล้อมดีอยู่แล้วความอ่อนเพลียอิดโรยทําให้ทุกคนเคร่งครึมสรรพปัญหาที่สุ้มอยู่ในสมองก็ทําให้มึนงงสุดที่จะมาขบคิดอยู่ได้นอกจากพวกเฝ้ายามแล้วทุกคนพอศีรษะถึงพื้นก็หลักเป็นตายไปในทันทีไม่อยากจะนึกไปไม่อยากจะนึกไม่อยากจะคิด หรือหวาดหวั่นพรั่นพรึงกตรตสับผภัยใดๆอีกแล้วนอกจากฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับโชคชะตาราศีของตนเองอาบมิดารินเพียงคนเดียวเท่านั้นกระมังที่หลับไปที่หลังทุกคนแม้จะพยายามข่มจิตขจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้พ้นออกไปจากความเกร่งเกรงกังวลในมนโนภาพของหลอนก็ยังมองเห็นอะไรอยู่สองสิ่งที่รบกวนเจตสิก ศพตายซ่าที่เคลื่อนย้ายหายไปได้อย่างลึกลับโดยการบอกเล่าจากบันทึกของนักสำรวจชาวเดนมาร์ก 1. และก้อนหินสีดำที่เป็นรูปเสือครมมาคือมาอีก 1. ทั้งสองสิ่งผลักกะนหลอกหลอนอยู่ในห้วงคิดอย่างยากที่จะขจัดเสียได้บทที่19 เวลามันจะล่วงเลยไปซักเท่าใดไม่ทราบได้ระพินรู้สึกตัวตื่นขึ้นด้วยการเขย่าปลุกเบาๆของใครคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่ทางด้านขวาของเขาจำได้ว่าเป็นเชษฐานั่นเองผู้นอนอยู่ทางด้านนั้นหัวหน้าคณะยังอยู่ในลักษณะนอนหงายราบ ก, กับพื้นแต่ใช้ฝ่ามือซ้ายมาเขย่าเบาๆที่ต้นขาของเขาจอมพลเปิดเปลือตาหนักอึ้งขึ้น พยายามต่อสู้กับอำนาจงวงเงียอิดโรยประาทเรียกประาทให้ตื่นพร้อมและจับมือของนายจ้างไปเป็นสัญญาณบอกให้รู้โดยออาการว่ารู้สึกตัวแล้วยังไม่มีอาการใดๆจากเชื้อายทั้งสิ้นนอกจากเงียบสงัดท่านใหญ่พงกษีสะขึ้นนิดนึงอย่างเบากริบกว่าตาดูรอบๆ บ, บริเวณแคมป์อันมีแสงสลัวรางจากกองไฟที่ล้อมรอบ ซึ่งบัดนี้หมดเปลวนอกจากเห็นถ่านคุดแดงอยู่ในกองเกิดกระจันนั่งเอาผ้าเขามาพันหัวตัวคลุมด้วยกระสอบถักกระสอบป่านเอนพิงอยู่กับก้อนหินข้างกองไฟคนละด้านในลักษณะนั่งหลักเขาขยับตัวจะลุกขึ้นไปเติมไฟในกองและตั้งใจจะปลุกทั้งสองให้ตื่นขึ้นระวังยามตามหน้าที่แต่แล้วก็ต้องชะ ง, งักลงอีก พราะฝ่ามือของอดีต ท, ท่านทูตทหารบกเนียวแขนไว้เป็นสัญญาณให้นิ่งอยู่กับที่จึงนิ่งสงบต่อไปอีกเชษฐามไม่ได้ใช้คำพูดระพินจึงไม่จำเป็นจะต้องเอ่ยถามอันใดทั้งสิ้นนอกจากใช้อาการสัมผัสต่างๆค้นหาสาเหตุเอาเองรู้สึกว่าเชษฐากำลังสะกดใจฟังอะไรอยู่อย่างหนึง่งอึดใจใหญ่ทีเดียวที่ต่างคนต่างนอนลืมตาเฉย ต่อมาหัวหน้ า, นาคณะก็ถอนใจเบาๆกระซิบขึ้นว่า“อูผมฝาดไปก็ได้”ปลุกสองคนนั่นขึ้นเติมไฟแล้วนอนต่อเถอะได้ยินอะไรหรอครับ”้วพินถามอย่างประหลาดใจยังนอนลืมตาพลงอยู่เช่นเดิมมันคล้ายๆพวกมาโหระทึกลอยมาตามลมมีพวกกลองชนะปีชไหนะแปะสังแล้วก็คลอง คล้ายๆกับขบวนแห่พายุหายาตราของกษัตริย์ในสมัยโบราณนี่คงฝันเป็นเองมากกว่านะเขาจะไม่สนใจกับคำบอกเล่าชนิดนี้เลยถ้าไม่ใช่เพราะมันออกมาจากหม่อมราชวงศ์เชษฐาวราริศซึ่งรู้นิสัยและเชื่อฝีมือที่สุดในบรรดากลุ่มของคณะนายจ้างทั้งหมดอากาศอันหนาวอยู่แล้วณนะบัดนี้รพินไพวันยอมรับว่า มันเย็นลึกเข้าไปถึงขั่วหัวใจเพื่องคำบอกเล่าประโยคนั้นเล่นแน่ละจะใช้สูตรสำเร็จเพื่อกรอบเกลือนปอบขวัญว่าหูฝากก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับคนอย่างราชสกุลหนุ่มใหญ่หัวหน้าคณะเพราะเจ้าตัวก็ออกรู้ตัวอยู่ก่อนแล้วเจอมพรานดึงกายขึ้นนั่งกอดเขา่าเชษฐาก็พลอยนั่งตามไปด้วยรู้สึกตัวนานแล้วหรอครับ มันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะกระพินคืนนี้หลับหลับตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแทบจะรู้สึกตัวอยู่ทุกขณะว่าได้ก็ว่าได้คุณละ่ะผมก็หลับตามปกติมันชินแล้วครับถ้าจะให้หลับก็หลับได้เสมอครับผมเองก็ฝึกได้อย่างนั้นมาทุกครั้งแต่คืนนี้มันแปลกไปยังไงพิคนทั้งๆ ท, ท, ที่เพลียแสนเพลียได้ยินอยู่นานไหมครับ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 ตลอดเวลาจอมพรานลุกขึ้นเดินไปเขย่าปลุกเกิดกระจันให้รู้สึกตัวช่วยกันใส่ฟืนเพิ่มเติมเข้าไปในกองไฟทุกกองจนมันติดเป็นเปลวตามเดิมแล้วกลับเข้าประจำที่ต่างเอ็นกายลงนอนไม่พูดอะไรกันอีกพอเคลิมเคลิมคราวนี้ถึงกับสะดุง้งเชิดาสกิดไหลเขาอีกครั้งหนึง่งแต่เห็นจะไม่ต้องสกิดบอกก็ได้เพราะประสาทหูของเขาสัมผัสได้แล้ว กับคลื่นเสียงประหลาดที่ลอยมาอย่างลึกหลับได้ยินไหมหัวหน้าคณะกระซิบครับได้ยินอะไรคล้ายคลย้คลองใหญ่ครับอึดใจต่อมาเป็นเสียงกรัวของบันเดออันเป็นกลองเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพวกพราหม์ใช้ขับโดยวิธีแกว่งลูกตุ้มให้กระทบกับหน้ากลองทั้งสองข้าง มันฟังเย็นสานเข้าไปถึงส่วงในอย่างบอกไม่ถูกวระดุดเสียงบำบวงพิธีกรรมแห่งอดีตการอันเรืองรองเสียงโหครางแทรกสลับไปกับแรสังกลองชนะสัสําเนียงเหล่านี้แววมาไกลแสนไกลแต่ถนับชัดเจนทว่าก็แยกไม่ออกว่ามันเป็นเสียงที่ลอยตามคลื่นอากาศอันมีต้นแหล่งแท้จริงหรือว่าเป็นเสียง ที่เกิดจากห้วงอุปทานมุยกังวานค้องฉัยสั่นพลิ้วสะเทือนหัวใจมาอีกระพินกับเชษฐาตกอยู่ในอาการเดียวกันขนลุกเกลียวเอ๊นี่ถ้าหูฝาดผมก็ว่าเราหูฝาดไปพร้อมๆกันเนะเขากล่าวขึ้นพร้อมกับหัวเราะแผ่วเบาเหมือนจะไม่ยอมเชื่อหูตัวเอง หรือไม่งั้นผมก็ได้รับอิทธิพลจากการบอกเล่าของคุณชายเมื่อกี้จนทำให้พลอยได้ยินไปอีกคนเชษฐถาพลอยหัวเราะตามไปด้วยแต่เสียงของหัวหน้าคณะแ่งปลายังไงพิกลถึงว่าสินภผูกอเกิดกระจันก็นั่งอยู่นั่นกำลังตื่นด้วยเรียกเข้ามาถามแก้สงสัยดีกว่าสองคนจะได้ยินเหมือนเราหรือเปล่าพ่านใหญ่เห็นด้วยกับคาพูดอันเต็มวิสติชาญฉลาดของนายจ้าง บีดนิ้วขึ้นแรงๆสองพรานที่อยู่ยามสะดุง้งเหลียวขวับมายังที่พักนอนแล้วลุกขึ้นเดินตรงเข้ามาโดยเร็วเมื่อเห็นระพินโบกมือเรียกนี่เราสองคนไม่ได้หลับไม่ใช่เลยเชษฐาเป็นคนถามเปล่าครับนายใหญ่เมื่อหยกๆกนี่เองได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรครับทั้งสองพรานย้อนถามทำหนาตื่นเลิกหลับเชิดาขมวดคิ้ว หันไปสบตารพินอย่างแคลงใจเสียงคล้ายคองปีแล้วก็แตรเหมือนเหมือนมีขบวนแห่น่ะจอมพรานบอกแทนมาให้ด้วยเสียงแผ่วต่ำเกิดกระจันยิ่งงงมากขึ้นไม่ผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสักอย่างนี่ครับนายใครที่ไหนจะมาตีคองเต่าปีอยู่ในดงลึกกลางดึกอย่างนี้จันว่า เชิดเท้าบวกมือเป็นสัญญาณให้ทั้งสองกลับไปประจำเฝ้ายามตามเดิมแล้วยิ้มปราปรากับพรานใหญ่นั่นสินะใครที่ไหนจะมาตีคลองเป่าปี่อยู่ในดงลึกกลางดึกอย่างนี้จริงอย่างที่จัน์ว่าแต่ทําไมเราสองคนถึงได้ยินเหมือนๆกันแปลกแฮะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่ยอมรับว่าได้ยินอย่างที่คุณชายได้ยินทุกอย่างตอนนี้มันเงียบไปแล้ว ใช่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ยินไม่จะว่าสองคนนั่นหลับก็ใช่ที่นะคุณเพิ่งไปปลุกขึ้นมาห ย, ยกนี่เองตอนที่เราได้ยินครั้งหลังสุดนี่สองคนน่นจะต้องตื่นอยู่แน่นอนและพินเองก็อัศจรรย์ใจไปหมดเช่นกันระหว่างที่สองคนซุบซิบกันอยู่นั่นเองชา ย, ยันผู้นอนอยู่ริมสุดอีกด้านหนึ่งก็หยุดเสียงกรนไว้ตัวเบ า, เบาและวทันทีนั้นก็พงศศีรษะขึ้น ม่ลืมตามองเห็นเงาตะคุ่มของระพินกับสหายของเขากำลังนั่งพูดอะไรกันพึมพ ร, ร ม, มีอะไรเหรอจากเสียงร้องถามนั่นเองมาเรียก็พลอยตื่นลุกขึ้นมานั่งด้วยอีกคนนึงเกิดอะไรขึ้นหรอคะพี่ใหญ่เปล่าไม่มีอะไรหรอกเชิดถากรบเกลื่อนระพินเอนตัวลงนอนซะแต่อีกสองคนที่ตื่นขึ้นมาพบอาการผิดปกตินั่นเต็ไมไปด้วยความสงสัย ไม่ยอมผ่านไปง่ายๆจ้อง ม, มาที่เชษฐาเป็นตาเดียวอ่ะไม่มีอะไรแล้วลุกขึ้นมานั่งทําไมเพราะฉันลืมตาขึ้นมาก็เห็นแกการาพินกําลังมีเรื่องหารือกันอยู่ไม่ใช่เหรอก็มันหนาวอะ่ะนอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมานั่งคุยกับรพินครับนอนเถอะทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยปกติชายันกมารีย ก, กว่าตาสํารวจไปยังเงาสลัวบริเวณแคมป์รอบด้านก็รู้สึกว่าอะไรต่ออะไร จะอยู่ในสภาพราบคาบปกติดีตามที่เชิดทาว่าเกิดกับจันอันเป็นยามในขณะนี้ก็นั่งห่อตัวผิงไฟกันอยู่คนละกองนอกนั้นก็นอนขดตัวเรียงรายเบียดกันอยู่เป็นวงกลมรอบๆมิดารินเพียงคนเดียวเท่านั้นในกลุ่มของคณะนายจ้างซึ่งยังนอนนิ่งอยู่ในลักษณะหลับสนิทมันเป็นคืนที่เย็นเหลือเกินเสียงแม่สาวพึมพำ พอไหลสะทานสัน่กลางวันก็ร้อนเหมือนจะดับจิตกลางคืนก็หนาวจนตัวแข็งไปหมดเมื่อไหร่เราจะพ้นจากนารกดำนี่สัทีนะแล้วหล่อนก็ลุกขึ้นเดินออกจากใต้เพิงไปนั่งเอามืออังไฟในกองที่ก่อไว้ใกล้กับด้านสีษักคนอื่นๆก็ค้างสั่นกระทบกันอยู่เป็นระยะตระหนักดีว่าลงทะาเลือดเมืองหนาวของมารียฮอฟมัน ปรีบาอุทอนออกมาเช่นนี้อุณภูมิต้องลดลงสู่ขีดต่ำทารุนยิ่งเพราะทุกคนตื่นขึ้นมาหมดเหลือแต่เพียงดารินคนเดียวในกลุ่มอันดูผิดปกติไปชา ย, ยันก็ชักเอกใจเพราะตามปกติแล้วราชสกุลสาวเป็นคนนอนไวที่สุดชา ย, ยันเอื้อมมือไปเขยา่าปลุกเบาๆพร้อมกับเรียกชื่อทันทีนั้น ร่างอันนอนสงบนิ่งของดารินก็ลุกพลวดขึ้นมาด้วยอาการผวาลอนลืมตากว้างจ้องพี่ชายกับเพื่อนซึ่งนั่งขนาบอยู่ข้างด้วยสีหน้าตื่นระหนกอะไรกันเก้ไรเหรอหญิงสาวถามโดยเร็วว่าเห็นนอนหลับเป็นตายผิดสังเกตไปก็ลองปลุกขึ้นมางั้นเองพวกเราสี่คนตื่นขึ้นมาหมดเห็นเธอยังนอนหลับไม่รู้สึกก็เลยสงสัย ดารินยกมือขึ้นลูกขยี้ใบหน้าอาการยังมึนๆงงๆสำรวจดูรอบๆตัวแล้วหันไปทางพี่ชายซึ่งนั่งจ้องอยู่เงียบๆ น, นี่พวกเราพากันตื่นตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยแลวทำไมถึงลุกขึ้นมานั่งกันหมดก็ก่อนหน้าที่ชายยันจะปลุกน้อยครู่เดียวนั่นแหละและหลับสนิท ด, ดีเหรอพี่ชายถามค่ะหลับไม่รู้เรื่องเลยคืนนี้เพลียเหลือเกิน ตอน้อยฝันแปลกแล้วล่ะรอนดูเหมือนจะรำพึงกับตัวเองขมวดคิ้วครุ่นคิดมือทั้งสองประคองแก้มไว้ในลักษณะนั่งชันเขา่าฝันว่าอะไรรู้สึกว่าน้อยจะนอนอยู่รวมกับพวกเรานี่แหละนะคะแต่เห็นภาพอะไรที่มันแปลกประหลาดที่สุดมีขบวนพายุหิญาตราเคลื่อนผ่านตรงที่เราพักนอนนี่เข้ามาพวกนักรบ แต่งกายแปลกถืออาวุธเดินด้วยเท้านำมาเบื้องหน้าต่อมาก็เป็นขบวนเครื่องดนตรีในสมัยโบราณที่น้อยไม่เคยเห็นหรือรู้จักมาก่อนมีพวกคลองปีและกลองถัดจากขบวนดนตรีก็มีนักรบร่างสูงใหญ่กำยำแดคนแบกเสลียงคารหามมีอาสนะหรือบัลลังก์อยู่บนเสลียงสูงนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเป็นสง่าอยู่บนอาสนะ แต่งกายและประดับด้วยเพชรนิลจินดาวูบวาบพราวตาไปหมดลักษณะเป็นนางกษัตริย์มีมงกุฎเป็นรูปงูมรกตรัดอยู่เหนือศีรษะหล่อนเป็นหญิงสาวที่สวยงามมากทั้งสวดทรงและใบหน้าขาบวนแห่แห่ก็ยาวเหยียดเต็มไปด้วยข้าทาสบริวารและกองทาหารเป็นกองทัพทีเดียวจะกะอืมเป็นตุเป็นตาดีนี่ชยันผู้ไม่ระแค่ระคายอะไรมาก่อน ร้องขึ้นเป็นตรงข้ามกับเชิดเ ช, ชิฐาและรพินในยามนี้ซึ่งแทบจะสะดุง้งเอกใจในคำบอกเล่าของดารินขึ้นมาในทันทีนั้นหันขวัดมามองหน้ากันโดยไม่ได้นับสำหรับชั ย, ยันนั้นอย่างไรก็ตามยังไม่ไวายตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแต่ก็ไปคนละความหมายกับอีกสองคนเปล่าต่อมาว่าเธอทำให้ฉันหวนนึกไปถึงความฝันของตนเอง ที่เคยเล่าให้ฟังไว้เมื่อสองสามคืนก่อนนะมันน่าจะตรงกันอย่างนึงนะน้อยคือหญิงงามลักษณะเหมือนนางกษัตริย์หรือนางพยาผู้มีมงกุฎรูปงูประดับเสียรแต่ไอาที่ฉันฝันนะ่ะมันเห็นนอนนิ่งอยู่ในโรงแก้วกองปราสาทอันปรับหักพังแต่ที่เธอเห็นนี่กลับเป็นภาพที่หลอนนั่งมาบนเสลียงท่ามกลางกองเกียรติยศที่แหแห่นไอ้มันยังไงกัน นางพญาองค์เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนี่อย่าเพิ่งมองเห็นเป็นเรื่องหกขันนะนักมานุษยวิทยาสาวติงเบาๆใบหน้าขรึมจริงจังดวงตาทั้งคู่รีลงมือมองออกไปยังความมืดของป่าเบื้องนอกอย่างพยายามทบทวนมนภาพฉันบอกแล้วว่ามันเป็นความฝันที่แปลกมากเพราะเป็นภาพที่มองเห็นอย่างเด่นชัดไม่ผิดอะไรกับเหตุการณ์ที่เห็นในจอภาพยนตร์ทีเดียว ฉันเห็นส่วนละเอียดของเหตุการณ์นั้นโดยตลอดจำได้แม่นยำทั้งหมดแม้กระทั่งลายของทัพโบกหรือวิชณีขนหางนกยูนที่ปักประดับอยู่เหนือวอทองจำหน้าของบุคคลอันมีทั้งพวกสาวสนมกกำนันที่แวดล้อมพวกนักบวชและราชองครักษ์ที่ห้อมล้อมเสลี่ยงอันนั้นมาได้ชนิดที่ถ้าใครปรากฏเป็นคนจริงมายืนปะบนเรียงเข้าแถวกันแล้วก็จะต้องชี้ตัวถูกว่า ใครเป็นใครบ้างตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความฝันใดแจ่มชัดเท่าครั้งนี้นางพญาองค์นั้นน่ะมีใบหน้ายาวเรียวผมดำสนิทเป็นขนกานํายาวจรดหลังปล่อยสยายทั้งใบหน้าและเครื่องแต่งกายเป็นเจ้าหญิงในเทพนิยายเราดีๆนี่เองคางหน้างามนั้นอ่อนเยาวแต่เคร่งขรึม น, นั่งนิ่งมาเหมือนหุ่นปั้น รู้สึกคล้ายกับว่าจิตใจครองไว้ด้วยความกรัตกลุ่มทุกเศร้ายังไงบอกไม่ถูกแต่ถึงยังไงลึกลงไปในแววตาเมอลอยซึมเสื่องนั้นมีแววแห่งความรักความเสน่หาแฝงซ่อนเก็บงำอยู่มิชิดถูกแล้วหล่อนกำลังมีรักอันซ่อนเร้นอยู่กับใครคนหนึ่งไม่ใกล้ไม่ไก ล, ไกลออกไปนักเดินขนาดพิทักษ์อยู่ซ้ายขวาเป็นบุรุษวัยหนุ่มชะกันร่างสูงใหญ่ ในเกราะเงินอันสกาววับซึ่งสายตาทั้งสองสบกันอยู่บ่อยครั้งในขณะที่ขบวนญาติราเคลื่อนไปเสียงของหลอนแผ่วจางหายไปมีลักษณะเหมือนจะพึมพำ ร, ร, รำพึงกับตนเองลักษณะตกอยู่ในห่วงเคลิมพวังราวถูกสะกดท่ามกลางความเงียบงันอย่างพิศวงของอีกสามคนที่สดับฟังอยู่ เชิาเอื้อมมือมาจับปลายคางน้องสาวเขย่าวเบาๆเป็นการปลุกสตินักมานุษยวิทยาสาวสะดุ้งนิดหนึ่งลืมตาสว่างขึ้นอีกครั้งแต่ยังวกวนผนึกแน่นอยู่กับมโนภาพในห่วงคิดเล่าต่อไปให้หมดสิน้อยเห็นอะไรอีกบ้างน้อยเพิ่เจอไปมากไหมคะดารินเอ่ยเบาๆที่สุดเหมือนกระซิบเชิดายิ้มให้บอกมาอย่างปลอบใจว่า เราไม่ได้สนใจในประเด็นที่ว่าความฝันของน้อยเพอร์เจอร์ไปแค่ไหนหรอกแต่พวกเราอยากจะรู้ว่าความฝันอันมองได้ราวกตาเห็นนั้นมันดำเนินไปยังไงต่อไปนายพรานเสียงหล่นเอ่อยเรียกพรานรพินเบาๆมองขวาความมืดมายัางร่างอันนอนฟังนิ่งของเขาครับผมหวังว่าถ้าคุณบังเอิญฟังอยู่ก็คงไม่หัวเราะเยะฉันนะ ผมกำลังตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณหญิงเล่าครับด้วยความสนใจอย่างที่สุดมันเป็นความรักที่จะต้องปิดบงังและดูเหมือนจะถูกกีดกันห่วงห้ามด้วยอำนาจอะไรสักอย่างที่ควบคุมอยู่เหนือกว่าดารินเล่าต่อไปด้วยกระแสะเสียงเดิมเพ้อเพอฝันฝันอย่างคนที่มีอะไรมาเดินใจพูดเบื้องหน้าเสลียงคานหามเป็นกลุ่มของเหล่านักบวช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 สีสัก์โลนเกลีย่ยบรหฮิตผู้นั้นเคลื่อนไปเบื้องหน้าในลักษณะถอยหลังเดินหน้าหันไปเผชิญกับนางพญาบนเสลียงและจ้องนิ่งอยู่ตลอดเวลาปากก็สาทยายมน์และประพรมน้ำมนในหม้อสีดําที่บริวารถือประคองอยู่อํานาจทั้งหลายแหลในขบวนทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่นางพญาบนวัวทอง แต่ดูเหมือนว่ามันไปรวมอยู่ในชายนักบวชผู้นี้จนหมดสิน้นนักบวชผู้นั้นจ้องหล่นด้วยสายตาของงูที่สะกดนกและวัตถุประสงค์อันลี้ลับส่วนนักรบหนุ่มในเกราะเงินก็ดูจะเท่าทันในประสงค์อันชั่วร้ายนั้นรามของเขาขบหนุนเป็นสันและมือแตะอยู่ที่ด้ามดาบตลอดเวลาลับลมคมในนี้รู้กันอยู่เพียงสามคน ปุโรหิตพ่อหมดนางพญาผู้เลอโฉมและขุนทัพหนุ่มคู่ใจคนนั้นในเล่าในทันทีนั้นเองดารินก็หันขวับไปทางเชิดถาจับแขนเขย่าโดยแรงระล่ำระลักออกมาว่าน้อยจได้แล้วค่ะชายนักบวชในภาพฝันที่เดินอยู่หน้าวอกของนางพญาเลอโฉมลักษณะมันไม่ผิดอะไรกับไอศพผีตายซากที่น้อยเห็นโผล่มาจากซุ้มไม้ และลงไปนอนแช่อยู่ในแอ่งน้ำกินที่พวกเราพบนั่นเองความเงียบงันปกคลุมไปชั่วคันอะระหว่างที่เชษฐากับชยันงงงวยสุดที่จะขบคิดปัญหาใดๆนั้นระพินไพร์วันก็ผุดลุกขึ้นนั่งโดยเร็วเสียงไลเตอร์สว่างพรึบเขาจุดบุหรี่ขึ้นเป็นตัวแรกแล่าต่อไปสิครับคุณหญิงเห็นยังไงอีกเสียงฮ้าวฮาของเขาทาลายความเงียบขึ้น ฉันเห็นเหตุการณ์เท่านั้นเพียงแค่นี้เองก็พอดีตกใจตื่นพระชยันปลุกพอมาหลับตานึกทบทวนก็เพิ่งจะนึกออกเดี๋ยวนี้เองว่าปุโรหิตในฝันเหมือนกับไอศพผีตายซากลึกลับที่กำลังเป็นปริศนาของเราและกลุ่มสำรวจของเครเมอร์เมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนนี้ไม่มีผิดขท้ารูปร่างและใบหน้าของมันเครื่องแต่งกายของมันขาดอย่างเดียวเท่านั้นคือดวงตาถ้ามัน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 หรือว่าไปเห็นจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งดารินนิ่งคิดทบทวนอยู่ครู่กับริมฝีปากฉันรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์ขณะที่ฉันนอนอยู่กับพวกเราทั้งหมดตรงนี้แต่ที่ไปเห็นเหตุการณ์ในขบวนแห่อย่างใกล้ชิดนั้นจะเป็นการเห็นจากสายตาที่อยู่ตรงนี้แล้วแลออกไปพบหรือจะเป็นการเห็นขณะที่เจตสิกล่องลอยไปยังที่ใดก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน เหตุการณ์ริษฉากมันควรจะเป็นกลางวันเพราะเห็นทุกอย่างสว่างสวัยแจ่มชัดแล้วหล่อนก็ฟ้าควายฉายส่องออกไปยังราวป่าที่แวดล้อมรอบด้านแต่ภูมิประเทศมันไม่เหมือนกับป่าที่ล้อมรอบอยู่ในขณะนี้นะมันเป็นถนนสายหนึ่งมองเห็นปราการและกำแพงเมืองอยู่ทางด้านหลัง ส, ส่วนทางด้านหน้าน่ะเป็นทุ่งละเมะ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 คุณหญิงเป็นแพทย์และนักวุทยาศาสตร์อยู่ด้วยตัวเองพอจะวินิจฉัยได้ไหมครับว่าภาพที่เห็นในลักษณะฝันนั้นมันเกิดขึ้นจากข่วงคิดคำนึงสร้างมนภาพขึ้นเองหรือว่ามันเกี่ยวกันกับสภาวะเหนือธรรมชาติของจิตซึ่งส่งย้อนหลังไปกระทบเข้ากับคลื่นของภาพจริงในอดีตหมอดารินยกมือขึ้นกลุมขมับและสันศีษะอย่างอัดอัน้นฉันก็บอกไม่ถูกนะวิเคราะห์ไม่ได้ แต่สาบานได้ว่าฉันไม่เคยคิดฝันถึงภาพเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยมันเป็นไปได้เหมือนกันในข้อที่ว่าคนเราอาจฝันเลอะเทอะไปในสิ่งที่ตนไม่เคยพบเห็นหรือมีความคิดมาก่อนเอผมว่ามันก็เข้าค่าวอยู่เหมือนกันนะภายหลังนิ่งคิดเงนอยู่ครู่ใหญ่ชา ย, ยันก็พึมพำขึ้น <c oughs> ดงมาหาการที่เรากําลังมงุมมางาหร่าอยู่นี่ เมื่ออดีตสักกี่หมื่นกี่พันปีมาแล้วก็ตามมันอาจจะเป็นที่ตั้งของอาณาจักรใดาอาณาจักรหนึ่งการค้นคว้าทางโบราณคดีในยุคใหม่นี่ก็สอนให้เรารู้กันแล้วว่ะมนุษย์เราได้เกิดขึ้นมาแล้วและได้ดับสูญหมดเผ่าพันธุ์แล้วตลอดจนเกิดขึ้นมาใหม่อีกสับเปลี่ยนกันเช่นนี้วนเวียนอยู่สักกี่รอบกี่สมัยก็ยังไม่สามารถจะกําหนดได้การที่จะมองย้อนหลัง และกําหนดลงไปได้ชัดเจนมนุษย์ได้เกิดมาเจริญอยู่ในโลกนี้เพียงแค่ไม่กี่หมื่นปีและสืบทอดเผ่าพันธุ์มาจนถึงพวกเราในปัจจุบันนี้มันล้าสมัยไปซะและ้วเพราะจากหลักฐานบางอย่างที่ค้นพบปรากฏว่านับเป็นล้านล้านปีก่อนก็เคยได้มีมนุษย์เกิดขึ้นและเจริญรุ่งเรืองมาแล้วเหมือนกันการที่เราไปค้นพบหลักฐานอะไรเข้าตละชิ้นอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์ ของมนุษยชาติในอดีตจึยงยากที่จะคำนวณได้ว่ามันเป็นหลักฐานในรอบวิวัฒนาการครั้งที่เท่าใดของมนุษยชาติเพราะมันไม่ได้มีอยู่รุ่นเดียวเหมือนอย่างที่เข้าใจกันแต่แรกที่นี้ภาพเหตุการณ์ที่น้อยเห็นในฝันอาจเป็นภาพที่เกิดขึ้นจริงในอดีตการยุคใดยุคหนึ่งหลงวนเวียนปะปนอยู่ในกระแสคลื่นอากาศพอได้จังหวะเลิก ง, งามยามดีของมัน ซึ่งจะต้องสัมผัสได้กับภาวะทางจิตของน้อยเข้าพอดีบรรดาให้กรองรับภาพนั้นเข้าไว้แบบเดียวกับจอโทรทัศน์มัดรอมพิจารณาดูอีกทีมันก็เข้ากันได้กับที่ไอผีกองกอยมันเคยพูดกับเราโดยผ่านเงาซรายในคืนนั้นมันบอกว่าเราจะต้องเดินเข้ามาสู่นครแห่งหนึ่งในอดีตการเดี๋ยวนี้เราอาจเหยียบล้าเข้ามายังดินแดนที่เคยเป็นมหาอาณาจักรใดาอาณาจักรหนึ่ง ที่การเวลาได้ผ่านมาหลายกับหลายการแล้วก็ได้การเวลาและการหมุนเวียนของโลกอันเป็นดาวนพเคราะห์ดวงหนึ่งทําให้เมืองกลายเป็นป่าดงพงพีไปก็อาจเป็นได้เหมือนกันตามทฤษฎีของแกแต่สําหรับฉันอยากจะคิดว่ามันมีอานาจอาถรรพ์อะไรสักอย่างเข้ามาชักนําหรือสะกดให้น้อยฝันเห็นเหตุการณ์นั้นไปมากกว่าเชตถาพูดแผ่วเบาแล้วหันไปทางจอมพราน อ่ะหินจะไม่ต้องหินจะไม่จำเป็นต้องปิดพวกนี้แล้วละมะั้งว่าเมื่อกี้เราสองคนได้ยินเสียงประหลาดอะไรผมรู้สึกว่ามันจะเกี่ยวพันกันพอดีนะกับความฝันของน้อยคำพูดของเชษฐาทำให้ดารินกับชัยยันจ้องมาอย่างตื่นตื่นหมายความว่าไงสหายของเขาร้องถามมาเร็วปรือเชิดาก็ตัดสินใจบอกตามความจริงให้น้องสาวและเพื่อนทราบว่าก่อนที่ทุกคนจะตื่นขึ้น เขาและระพินนอนฟังเสียงประหลาดอะไรอยู่ก่อนแล้วมันแปลกอยู่ที่ว่ามีชั้นกรัระพินได้ยินพร้อมกันอยู่เพียงสองคนเท่านั้นเรานอนเงี่ยหูจับฟังกันอยู่แต่ปรากฏว่าเกิดกระจันกลับไม่ได้ยินอะไรเลยหัวหน้าคณะบอกในตอนท้ายจะยันหันขวับไปทางพรานใหญ่โดยเร็วจริงหรือระพินที่คุณได้ยินเสียงอย่างที่เชษฐาบอกจริงครับ จอมพรานรับคำแผ่วเบาดารินอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งในลำคอลืมตาโพลทั้งนั้นมันก็ตรงกับความฝันของฉันนะสิคุณหญิงฝันเห็นภาพโดยถนัดชัดเจนแต่สำหรับผมกับคุณชายแวววมาแต่เสียงเท่านั้นถ้าจะผิดกันก็แต่เพียงคุณหญิงฝันส่วนผมกับคุณชายได้ยินกับหูจริงๆขณะยังตื่นอยู่แรกก็เข้าใจว่าประธาน แต่พอซักซ้อมกับคุณชายก็ปรากฏว่าเราได้ยินตรงกันทุกอย่างเมื่อลอยๆมาอย่างไงก็บอกไม่ถูกกำหนดทิศที่มาไม่ได้ด้วยชยันถูฝ่ามือทั้งสองเข้าหากันแรงๆเพื่อเกิดความร้อนความรู้สึกของเขายามนี้ยากที่จะบรรยายได้สีหน้าปั้นยากที่สุดขณะนั้นมาเรียผู้แยกไปนั่งผิงไฟอยู่ก็เดินกลับเข้ามารวมพวกและได้รับทราบเรื่องราวโดยตลอด นักผจญภัยสาวเลือดอยุโรปตกอยู่ในอาการมุนงงอัศจรรย์ใจไม่น้อยไปกว่าทุกคนนี่เรากําลังหลงเข้ามาในดินแดนแห่งความลี้ลับมหาศัจรย์อย่างทายอะไรไม่ถูกสักอย่างทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามันเป็นคําถามไปหมดหล่อนร้องออกมาเบาๆบังเกิดอาการหนาวสั่นขึ้นมาอีกทั้งๆังที่ได้ไออุน่นจากกองไฟหยกหย ก, ยกไม่ใช่เพียงแค่คําถามอย่างเดียวเท่านั้น กลิ่นไอของมันส่อความไม่ชอบมาพากคกลยังไงบอกไม่ถูกมันเป็นลางร้ายมากกว่าลางดีนะชัยยันว่าปากร้านกร้าวมองเรียออกไปยังราวป่าอันมืดมิดเบื้องหน้าประดุดม่านดำที่คลุมหีบศพมาขึงกั้นไว้ <c oughs> ฉันสงสัยแต่แรกแล้วตื่นขึ้นมาเห็นพลายวันกับพี่ใหญ่นั่งซุบซิบอะไรกันอยู่มันน่าจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นแต่เห็นกลบเกลื่อนจช ผมกับพรานใหญ่พิจารณาครั้งแรกว่ามันอาจเป็นสิ่งไร้สาระจึงไม่ได้บอกให้รู้พอดีได้ยินน้อยเล่าให้ฟังถึงความฝันซึ่งเหตุการณ์บางส่วนมันตรงกันน้อยเห็นขบวนแห่ในภาพนิมิตส่วนเราสองคนได้ยินเสียงจากประสาทหูทั้งสองข้างแล้วเวลามันก็เป็นเวลาเดียวกันเชิถาตอบเนบเนบหยิบกล้องยาเส้นขึ้นมาบรรจุสูขแววง่วงของทุกคน หายไปเป็นปริดทิ้งจุดสะดุดสยองใจอย่างลี้ลับเกิดขึ้นในใจของทุกคนขณะ น, นี้มันไปอยู่ที่ประโยคบอกเล่าครั้งสุดท้ายของดารินวาราริ์ในข้อที่ว่านักบวชโลนที่หลอนเห็นในภาพฝันนั้นมีรูปลักษณะเดียวกันกับศพตายซากลึกลับที่พบเมื่อตอนกลางวันสิ่งที่จะต้องมาวินิจฉัยคร่ครวนกันก็คือความฝันของนักมนุษยวิทยาสาวเกิดขึ้นเพราะอะไร จิตใต้สำนึกอันประวันวาดเป็นทุนอยู่ก่อนแล้วของหล่อนสร้างมโนภาพขึ้นมาเองหรือว่ามันมีอะไรซ่อนเร้นแอบแฝงเป็นตัวบรรดาลชักจูงอยู่เมื่อต่างหันหน้าเข้าขบคิดไตรตรองในประเด็นนี้เฉษฐาก็ถือโอกาสเปิดเผยในสิ่งที่ทั้งเขาและรพินรับรู้กันไว้เพียงเฉพาะสองคนให้คณะพักทราบโดยตลอดเกี่ยวกับคาพูดในลักษณะเพ้อผวของแง่ทราย ณคืนที่ไอผีกองกอยปรากฏตนขึ้นให้เห็นเป็นคืนแรกนั่นคือมายาวินคัมพีอุบาทมันไกรปุโรหิตพ่อหมดร้ายและพันธุมวดีนางพญาแห่งนครหลักสิ่งเหล่านี้เมื่อนำมาประติดประต่อเชื่อมโยงกันเข้ามันก็เริ่มจะเกิดโครงร่างขึ้นไรๆสำหรับการหาสมมุติฐาน แต่ก็เป็นภาพพระเลือนสุดประมาณ <c oughs> ชั ย, ยันก็เพิ่งจะมาทราบเอาบัตรนี้เองว่าความฝันในคืนหนึ่งของเขาที่เห็นภาพของสตรีสาวสวยในอาพรประดับอันเป็นลักษณะของนางกษัตริยุคอดีตซึ่งนอนอยู่ในหีบแก้วผลึกกลางปราสาตรางนั้นก็คือภาพที่แง่ท า, ายได้เคยบอกไว้กับเชษฐาและรพินก่อนแล้วโดยที่เขาไม่ได้ยินไม่ได้ฟัง หรอรับภาพพจน์นั้นมาก่อนถ้าว่ามันก็ตรงกันได้อย่างแปลกประหลาดโลงแก้วนั้นวางอยู่บนแท่นหินใจกลางคูหาใช่ไหมเชฉถาฐานโดยยึดถือคำบอกเล่าของแงซายเป็นเครื่องตรวจสอบ <c oughs> ภายหลังจากนิ่งทบทวนอยู่อึดใจใหญ่เชฉฐาก็ก้มศรีรษะใช่มันยังติดตาฉันอยู่จนเดี๋ยวนี้แหละ เป็นภาพติดตาไม่ผิดอะไรกับที่น้อยได้พบเห็นและอ้างถึงเมื่อตะกี้นี่แหละโลงแก้ววางอยู่บนแท่นหินสูงขนาดอกเป็นฐานเรียบเกลี่ยงสี่เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะไม่ใช่ซากศพแต่เป็นเหมือนคนนอนหลับเพราะผิวพันธุ์อิ่มเอิบแต่งตึงมีน้ำมีนวลอย่างคนธรรมดาคนหนึ่งหรือมิฉะนั้นก็มีลักษณะเหมือนหุ่นขี้พึ่ง ไม่ฝันแกแกเห็นลงไปยังโพรงใต้แท่นหินนั่นด้วยหรือเปล่าไม่เห็นแต่แงส า, ายเห็นนั่นเป็นคำพูดที่มันได้บอกกับชั้นและระพินไว้ใต้แท่นหินนั้นมีกริตเล่มหนึ่งปักตรึงติดอยู่กับคำพีเล่มหนึ่งทำด้วยหนังมนุษย์ในคำพีจารึกไว้ด้วยอักษรไอคำพีอันนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมที่มีชื่อว่ามายาวินคมภีอุบา ตามที่แงสายเพิอพูและนางที่หลับอยู่ในโรงแก้วก็คือพันธุมวดีนางพญาแห่งนครหลับ <c oughs> แล้วอีกประโยคนึงละ่ะที่ว่ามันไตรบุโรหิตพ่อมดรายละ่ะชายันสวนมาโดยเร็วเต็มไปได้วยความตื่นเต้นก็ควรจะเป็นเจ้านักบวชโลน้นที่น้อยมองเห็นในภาพฝันตามที่เล่าให้ฟังเมื่อครู่นี้นั่นเอง ถ้ า, ากว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราต่างสัมผัสกันเข้ามาโดยสัญญาณประหลาดเหล่านี้ไม่เป็นเรื่องที่บังเอิญมาประสานสัมพันธ์ได้อย่างเป็นเกลียวโซ่ถูกแล้วเรารู้มาว่ามันมีความสัมพันธ์กันแต่จะสัมพันธ์กันอย่างไร <c oughs> ใครจะบอกได้มันจะต้องเกี่ยวพันกับไอ้พวกผีกองกอยที่ชักจูงให้เราเดินหลงทางมา <c oughs> เกี่ยวข้องกับไอ้ข้างเ้าผี ศพตายเร้าประหลาดและเสือดาตัวใหญ่ตัวนั้นผูกพันอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพียงแต่เรายังไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรเท่านั้นไพวันทุกคนกำลังช่วยกันคิดคุณมัวแต่ทำอะไรอยู่แล้วนั่นมาเรียหันไปถามเมบาๆอย่างขอความเห็นจอมพรานยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้าผมจนต่อปัญญาที่จะคิดอะไรได้ทั้งสิ้นครับ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 แล้วก็ออกเดินเกร์ไปรอบๆที่พักไม่มีใครอ่านใจถูกว่ารพินไพยวันกำลังคิดเช่นไรณนะบัดนี้รพินยืนอยู่แนวกองไฟสุดท้ายด้านตะวันตกหันหน้าไปยังแอ่งน้ำมัว่วซึ่งปกคลุมอยู่ในความมืดสนิทลมดึกโชยแผ่วมาวูบหนึ่งเป็นสางชุนกึกที่ลอยมาตามลมทำให้แทบพังะ สัญชาตญาณของจอมพรานทำให้เขาต้องถอยหลังพ้นแนวกองไฟกลับเข้ามายังแคมป์โดยเร็วดาจับจ้องควา้าความมืดไปยังทิศทางเดิมอยู่เช่นนั้นส่งไฟฉายกับไรฟุ่นให้ผมเร็วเขากระซิบเร็วปรือทุกคนใจหายวุบโดยน้ำเสียงและอาการของเขาดารินกับมาเรียขยับตัวแต่ชยายันกดไล่สองหญิงไวบังคับให้นิ่งสงบอยู่กับที่อย่างทันต่อเหตุการณ์ ส่วนเชิด้าส่งจุด458และไฟฉายของตนเองไปให้อย่างเบากริรบรพินรับมาถือกระชับไว้ในมืออย่างไม่กระตุกกระตากหรือเคลื่อนไหวอย่างไรใ ห, ให้มันเป็นที่ผิดปกติของกลุ่มนายจ้างตรงตามความประสงค์ของเขาเป็นอย่างยิ่งรพินประกบฮันเตอร์ใต้กระโจมมือขณะที่ประทับไรเฟิลขึ้นไลแล้วกดสวิตช์สว่างจ้าเป็นลำโพยพุ่งออกไปในทันทีนั้น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 ริมแอ่งน้ำมวกนั้นเคยว่างโล่งไม่มีก้อนหินลักษณะเช่นนี้อยู่ใกล้เคียงเลยแต่เมื่ออึดใจนี้เองไฟฉายของเขาเหตุไรจึงกราดไปกระทบเข้ากับสิ่งแปลกปลอมนั้นเขา้ากดไฟวูบลงต่ำอีกครั้งนิ้วแตะอยู่ที่ไกลหัวคิ้วขมวดเขาจะแน่ใจได้ยังไรในเมื่อไม่เห็นดวงตาอันควรจะสะท้อนแสงไฟตอบมาเลยสมมติถ้าหากว่านั่นมันเป็นสัต พอเบี่ยงไฟจะฉายไปที่อื่นอีกรัศมีจากลำแสงที่สาดพแผพ่ออกไปยังบริเวณใกล้เคียงกับโฟกัสนั้นก็ส่องให้เห็นอาการเคลื่อนไหวไหน้อยๆจากสิ่งที่มองเป็นก้อนหินนั้นครานใหญ่กวาดไฟกลับอีกครั้งก็พอดีกับเจ้าสิ่งนั้นพุ่งพรวดขึ้นเนินสูงจุด458ห้าแปก็ระเบิดตูมกึกก้องราวกับฟ้าผ่าท่ามกลางความเงียบน้าและสะเก็ดหินที่แองมว่วงแตกเป็นปีกระจายสูง กระสุนนัดนั้นช้าไปเพียงหนึ่งในสิบของวินาทีเท่านั้นทุกคนรวมทั้งพรานพื้นเมืองที่นอนหลับกันอยู่กระโจนพรวดขึ้นยืนเป็นเวลาเดียวกับที่รพินกระชากลูกเลื่อนอย่างรวดเร็วดึงปลอกกระสุนเก่าทิง้งกระแทกนัดใหม่ขึ้นรังเพลิงแล้วออกเล่นทลากลัวตามอย่างบ้าดีเดือดแต่นั่นไม่เร็วไปกว่าเชิฐถาซึ่งกระโดดเข้าล็อกคอไว้อย่าตามหัวหน้าคณะร้องห้ามสุดเสียงรพินสะบัด แ, แล้วก็ได้สติชะนักอยู่กับที่ตาทั้งคู่ลุกวาวจ้าจ้องแทบถลนจับไปยังที่เกา่าไฟใช้อีกหลายกระบอกก็ประสานจ้ากันออกไปครั้งนี้เองไร่เฟินและลูกซองอีกหลายกระบอกก็แผดระลมประสานกันหูดับตับไหม ก, ก้อนหินและพุ่งพงตามแนวเนินฝั่งตรงข้ามกับแห่งน้ำห่วงนั้นกระจายเป็นฝุ่นฟุ้งตลบทุกคนเห็นแต่ั้นท้ายดําสนิท ตัดหลบแสงไฟไปราวกังเงาปีศาจแน่กระสุนไล่หลังไปติดๆ น, ดนั่นได้ผมพลาดเรอชัยันเพนเข้ามาถามกระหืดกระหอบระพินแยกเขี้ยวสีหน้าของเขายามนี้น่ากลัวที่สุดช้าไปนิดเดียวสองพบครั้งแรกแล้วแต่เลยผ่านไปซะไอเสือมหาวายรายนั่นไม่เหมือนกระเสือทุกตัวที่ผมเคยพบตามันไม่สะท้อนแสงไฟ เสียงของเขาเกือบจะเป็นคำรามไม่หมายหมายความว่ายัางไงเชิดฐารองลั่นก็หมายความว่าทั้งทั้ ง, ท, งที่มันนอนหมอบหันหน้ามาทางแสงไฟแท้แล้วไฟก็ส่องเข้าจังหน้าแต่ไม่มีแสงสะท้อนเลยนะครับทำให้ผมคิดว่ามันเป็นพุ่งไม้หรือโขดหินมาไหวทันตอนที่มันแววงตัวกลับขนาดที่โฟกัสไฟเปลี่ยนที่ไปทุกคนอุทานก้องอยังตกใจ ในคำบอกร้อนรนของเขาตาไม่สะท้อนไฟมันก็ไม่ควรเป็นเสือสิมาเรียนหลุดปากออกไปมันไม่ควรจะเป็นเสือแต่มันก็คือเสือไอตัวมหาการตัวนั้นแหละมันมองดูเราอยู่ที่แอ่งน้ำมั่วย่องเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบบังเ อ, อิญลมเปลี่ยนพิศเลยได้กลิ่นสักก่อนที่มันจะเข้ามาได้ใกล้กว่านั้นไม่ทันขาดเสียงพูดเร็วปรือของเขา ก็มีเสียงคำรามฮึมดังมาเบาๆจากถ้ำหินเบื้องบนฝ้าตรงข้ามและมีเสียงอุ้งตินตะกุยตะกายกรวดหินอยู่กรูกเกลียวได้ยินถนัดมันดังลงมาจากเพิงถ้ำที่ทุกคนขึ้นไปสำรวจเมื่อใกล้คำนี่เองทั้งหมดยืนในลักษณะเตรียมระวังพร้อมไฟฉายและปืนประจำอยู่ในมือราจ้าจค้นหาไปทุกสมทุงพุ่มรึกเท่าที่ลาไฟจะส่องไปได้ แต่ก็มองไม่เห็นตัวคงได้ยินแต่เสียงที่คำรามและตะกุยสนานอยู่เช่นนั้นมันอยู่บนถ้ำ น, นั่นแน่ชายันร้องขึ้นตาลุกวาวขึ้นไปยังเนินสูงห่างประมาณร้อยเมตรซึ่งไฟฉายทุกดวงสาด จ, จับอยู่ในขณะนี้และทั้งทั้งที่ไฟหลายดวงกรายอยู่รอบแวนมันก็ไม่แสดงทีท่าว่าจะเงียบเสียงหลบหนีไปคงคำรามอยู่เป็นระยะหมายควว่ามันจะท้ายเราออกไปอย่างนั้นแหละ มารียพูดเกือบไม่มีเสียงรันใหญ่กัดกรามแน่นขยับตัวอีกครั้งจะออกจากแค้มตรงไปยังเสียงคำรามที่ได้ยินนั้นแต่เชือดเ้าเอาแขนปาดอกไว้บอกเฉียบขาดอย่าระพินอย่าออกไปไป น, น้ำขาดอยู่ในนี้แหละเห็นตัวเมื่อไหร่ ย, ยิงแต่ไม่ต้องตามออกไปไว้ผมออกไปเถอะครับจะได้จัดการกำมันให้เด็ดขาดรู้แล้วรูรอดเป็นสทีมันก็กําลังรอใผมออกไปเหมือนกัน ทุกคนคอยอยู่นี่แหละครับผมไปเพียงคนเดียวอย่บ้าแล้วเหรอมันกําลังล่อเราไปตายมล้ไม่ใช่เสือธรรมดาอย่างที่คุณเคยพบเคยเห็นมาแล้วดารินร้องลั่นออกมาและไม่ทันขาดเสียงของหล่อนกําปั้นหน้าสะเทือนเลื่อนลั่นก็ดังมาอีกจากแก้วเสียงที่กระหึ่มก้องยิ่งกว่าราชสีท่ามกลางความเงียบของราตรีสงัดมันสัานไปทั้งขุนเขาอิทธิพลแห่งเสียงคํารน ทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าหัวใจจะหยุดเป้นลงในบัตรนั้นพรานใหญ่กายสั่นเพิ่มด้วยความขุนเคืองเดือดดานใจกิริยาของเขาเต็ไมไปด้วยความหึดฮัดร่ำร่ำจะผุนผลันลุกเล่นออกจากแคมป์ไปให้ได้ช่ยันเห็นท่าไม่ดีก็โดดเข้าจับแขนไว้มัน่นชื่อพวกเราเทราพินนั่นจะเป็นอุบายของมันที่จะล่อคุณออกไปฆ่าถ้าขืนออกไปก็เสร็จมันเท่านั้น ไม่มีเสือสามันธรรมดาตัวไหนจะมาร้องคำรามยั่วท้าทายเราอยู่อย่างนี้ได้หรอกทั้งทั้ที่ถูกเรายิงไว้เมืม่อ ก, กี้นี่แต่เป็นเวลากลางวันเราจะไม่ห้ามคุณเลยแต่เวลากลางคืนคุณเสียไปอย่ามาทุกประตูนะผมทราบครับว่ามันล่อมันท้าทายพวกเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดติตามมันออกไปก็ต้องลองดูละผมจะฟาดกับมันเองถ้าพลาดก็มันเอาชีวิตผมไปแต่ถ้ามันพลาดเราก็จะได้หมดปัญหาเรื่องนี้สักที ไม่เคยมีสัตว์ป่าตัวไหนบังอาจมาท้าทายผมได้อย่างนี้ดีซะอีกที่มันร้อยผมออกไปเผชิญหน้ากับมันรู้แต่ว่ามันจะหนีไปแคเท่านั้นโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วจอมพรานพูดลอดไรฟันออกมาประสาททุกส่วนตื่นโลดระดับณบัดนี้เองกลุ่มพรานพื้นเมืองก็กลักันเข้ามาขวางหน้าเขาไว้อีกชั้นหนึ่งบุญคําจ้องหน้าเจ้านายและพูดทับทานอย่างวิงวอน เชื่อนายใหญ่กับ น, นายทหารเถินนายมันอันตรายนักบุญคําไม่เคยห้ามอะไรนายสักอย่างแต่ครั้งนี้ขอห้ามสักครั้งเถินนะนายรับพินกว่าตามองดูทุกคนที่จ้องมายังเขาเป็นตาเดียวในที่สุดก็ทิ้งแขนลงอย่างขัดใจสุดนั่งวางปืนควักบุหรี่ออกมาจุดสูบอัดควันหนักลวงดับอารมณ์ไม่กล่าวอะไรอีกทั้งคณะก็พากันนิ่งงันกันไปหมด ยืนฟังเสียงคำรนคำรามของไอ้มหาการที่ดังมาไม่ขาดระยะถูกแล้วเสียงชนิดนั้นเป็นเสียงแห่งการท้าทายและเชิญชวนให้ออกไปเผชิญหน้าอย่างไม่มีปัญหามันไม่ยอมไปไหนแต่ขึ้นไปร้องอยู่บนปากถ้ำไม่ห่างออกไปนั่นเองขณะนั้นชัยยันก็สบดพรุษสว่าตออกมาอย่างดานใจประทับจุดหกศูนยไนโตรขึ้นเหนียวไกลเสียงปานฟ้าผ่า เล็งยิงขึ้นไปยังตำแหน่งปากถ้ำที่เห็นก้อนหินใหญ่โผล่เรียงรายอยู่นั้นเสียงหัวกระสุนกระทบหินได้ยินถนัดพร้อมกับสะเก็ดที่ปายุกระจายฟุง้งด้วยอำนาจแรงประทะมหาศาลเสียงมันโฮ่กึกก้องแล้วคู่คำรามอยู่ในลำคอติดต่อกันไปโดยไม่ยอมขาดเสียงมีหนำซ้ำอย่างตะกุยกรวดหินกระจัดกระจายยิ่งขึ้น ชา ย, ยันจะลั่นกระสุนขึ้นไปเป็นนับที่สองแต่ดารินคว้าแขนไว้ยาไม่มีประโยชน์เรืองลูกเปล่าเาก่งจริงมึงโผล่าชิว้อยไอ้ดำชา ย, ยันขบเขี้ยวเขี้ยวฟันตะโกนกล้องขึ้นไป ม, มันไม่มีวันหรอกที่จะโผล่มาให้เห็นนอกจากจะดักคอยยั่วให้เราตามมันออกไปยุ่งนั้นแหละเฮะอยไปสนใจกับมันเลยอยู่ในแค้มของเรานี่แหละ มันอยากจะร้องคำรามได้นานสักเท่าไร่ก็ปล่อยมันไปสำคัญอย่าแหลมเข้ามาเท่านั้นแหละเชษถาบอกแล้วโบกมือกับทุกคนให้กลับเข้าในบริเวณที่นอนตามเดิมระพินไม่กล่าวอะไรกับใครทั้งสิ้นนอนงายสุบุรีลืมตามองดูหลังคาผ้าพลาสติกเฉยพวกพรานพื้นเมืองทุกคนก็ไม่มีใครนอนนอกอยากนั่งเจ้าพูดกันพึมพำประสาททุกคนถูกปลุกให้ตื่นโชนขึ้นแล้ว ในภาวะเช่นนี้ใครจะสงบใจนอนได้โดยไม่อนาทรร้อนใจอะไรเลยก็ต้องนับว่าผิดคนเสียงไอ้กาลพยักก่อกวนประสาททำให้ต้องผดุง้งผวาอยู่ตลอดเวลามันอาจเงียบสงบไปชั่วครู่แต่เดี๋ยวก็คำรามขึ้นอีกคราวนี้ย้ายไปตามป่าหินรอบๆแคมเหมือนจะมาเดินวนเวียนรองคาทายยั่วให้จอมพรานออกไปแต่พอใช้ไฟก็มองไม่เห็นตัว ทำเอากระสับกระสายวันกังวลกันไปหมดถ้าใจไม่ถูกว่าพริบตาใดที่มันจะจู่โจมเข้ามาอย่างกะทันหันซึ่งทำให้รับมือไม่ทันเจอสงครามประสาทจากไอเดราชาญก็ให้แล้วสิยังไงคืนนี้ก็เห็นจะไม่ต้องนอนกันละชัยันบ่นยังอึดอัดใจเชื่อเถอะมันไม่กล้าเข้ามาหรอกนอกจากจะแกล้งรบกวนไม่ให้เราได้ทักผ่อนหลับนอนเท่านั้นแหละ หัวหน้าคณะคาดการประหม่าอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับพี่ใหญ่เราเผลอหลับกันเมื่อไรมันอาจเข้ามาก็ได้ก็นั่นแหละคือสิ่งที่มันขู่เราไว้ไงคล้ายๆเตือนให้เรารู้ว่าเจ้าอย่าได้หลับนอนกันนะถ้าหลับเมื่อไรฉันเป็นเข้าโจมตีเมื่อ น, นั้นและผลก็คือพวกเราก็ต้องนั่งทางตาคอยระวังกันตลอดทั้งคืนมันเป็นแผนตัด ก, กาลังบันทอนปราสาทเราไง ถ้างั้นเราเพิ่มยาไม่มากขึ้นกว่าสองคนผลัดกันนอนก็แล้วกันมาเรียเสนอขึ้นไม่มีประโยชน์เนี่ยที่เราจะมานั่งวาปหวาตื่นกันอยู่ทั้งหมดพวกคุณหยาบกังวลอะไรเลยครับนอนก็ตามสบายเถอะผมกับพวกนี้จะรับหน้าที่อยู่เฝ้ายาไม่เองท่านใหญ่เ อ, อ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกภายหลังจากเงียบไปนานตกลงแต่คุณจะให้สัญญาอะไรกับผมหน่อยได้ไหม เชิฐาหันมาจ้องหน้าถามเสียงหนักแน่นสัญญาอะไรครับสมมติว่าพวกผมนอนหลับไปหมดแล้วไม่ว่ามันจะมาร้องหรือเดินเรียบเคียงล่อยังไงคุณก็ต้องไม่ออกไปนอกแคมป์เป็นนันขาดถ้าจะยิงก็ขอยิงอยู่ในบริเวณที่พักของพวกเราเท่านั้นแต่ไหนแต่ไรมาเชิฐถาไม่เคยขอร้องระพินเช่นนี้แต่ในครั้งนี้เขาหมายความในคาพูดอย่างแท้จริง และจอมพรานก็รู้สึกในหางเสียงชนิดนั้นสําหรับความรู้สึกของคณะนายจ้าหรือต่อให้พวกพรานพื้นเมืองทุกคนก็ตามการที่พรานใหญ่อย่างระพินไพรวันจะออกติดตามสัตว์ร้ายชนิดใดก็ตามในเวลาวิการเป็นเรื่องสามัญธรรมดาที่สุดและเขาก็ทํามาได้ตลอดเวลาแล้วแต่การที่เขาจะออกไปเผชิญหน้ากับไอ้ดําปลอดซึ่งพฤติการของมันน่าจะเป็นปีศาจร้าย มากกว่าที่จะเป็นสัตว์ป่าต่างมีความวิตกกริ่งเกรงตรงกันหมดว่ามันไม่เป็นสิ่งสมควรอย่างยิ่งและควรต้องขัดขวางทักทวงไว้ระหว่างที่เขานิ่งเชษฐาก็เอามือมาวางไว้ที่ซ่วงอกอันนอนง่ายอยู่นั้นเอ่ยต่อมาด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเอาใจระพินที่ผมห้ามคุณเช่นนี้นะ่ไม่ได้หมายความว่าจะดูถูกฝีมือหรือไม่ไว้วางใจคุณหรอกนะ พิจารณาเห็นแล้วว่ามันไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงขนาดไอ้แหวงหรือไอ้กุดผมไม่ได้ท้วงคุณเลยนะแต่คุณจะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้สําหรับไอ้เสือตัวนี้ผมว่ามันเป็นวิญญาณร้ายมากกว่าสัตว์ป่าสามัญ น, นะพูดเหมือนใจฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันชายันเสือมาโดยเร็ ว, รวผมไม่สัญญาครับเราจะเป็นห่วงไปเลยในที่สุดจอมพรานก็รับคําหนักแน่น ทุกคนเบาใจขึ้นเอนกายลงนอนลืมตาฟังเสียงการลพยักที่ครางกระหึมอยู่เป็นระยะรอบรอบทิศ ท, ที่นอนอยู่มาเรียเปลยขึ้นเบาๆว่ามันจะลงมากินน้ำหรือเปล่านะบังเอิญแคมป์ของเราตั้งคุมเชิงอยู่ใกล้แอ่งน้ำทาให้มันลงมาไม่ได้ก็เลยวนเวียนงุ่นง่านนั่นก็เป็นข้อคิดที่มีเหตุผลอยู่เหมือนกันนะระพินหัวเราะแค่น แต่ผมว่ามันไม่ต้องการน้ำหรอกเพราะเพิ่งกินไปเมื่อกลางวันนี้เองคุณเห็นมันครั้งแรกหมอบอยู่ริมแอ่งน้ำไม่ใช่เหรอดารินถามแผวเบาแห ว, วกความมืดภายใต้หลังคากันน้าค้างผืนเดียวกันมาใช่มันหมอบอยู่ที่นั่นแต่ไม่ได้กินน้ำหรอกครับเสือถ้าลงกินน้ำจะได้ยินเสียงอย่างถนัดที่สุดในความเงียบเชน่นนี้แต่ผมไม่ได้ยินเสียงมันกินน้าเลย ได้กลิ่นาสาบใช้มากกว่ามันจะต้องย่องเข้ามาอย่างประสงค์ร้ายต่อพวกเรามากกว่าอย่างอื่นและถ้าไม่บังเอิญไหวทันสะก่อนอาจจะเป็นเกิดหรือจันทร์ซึ่งจะถูกมันโจนเขาเลยงานเป็นครั้งแรกเพราะสองคนนั่นน่ะนั่งอยู่ห่างจากพวกเราทุกคนออกไปขอยสังเกตด้วยว่าก่อนหน้าที่ผมจะส่องไฟไปเห็นพวกเราตื่นและคุยกันอยู่มันต้องได้ยินเสียงแล้ว ถ้าเป็นสัตว์อื่นเพียงแค่หวังลงมากินน้ำก็จะต้องเปิดไปไกลลิบแล้วละ่ะแต่นี่มันหมอบนิ่งดูเราอยู่โดยอาศัยความมืดเป็นที่กำบังตัวมันรู้ดีว่าเรามองไม่เห็นตัวมันแม้จะย่องเข้ามาใต้สักขนาดไหนน้ำหนักในข้อวินิจฉัยของพรานใหญ่หนักหน่วงกว่าของมารีฮอคอมันซึ่งเจ้าตัวเองก็ยอมรับจริงของคุณไรวันมันกะเอาเราแน่ พวกคุณอาจไม่เคยชินกับสัตว์ป่าและมองข้ามสิ่งที่น่าคิดที่สุดไปอย่างหนึง่งเขากล่าวต่อมาด้วยความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายได้เต็มสาหรับผมและพรานทุกคนกําลังเผชิญอยู่กับปัญหาหนักชนิดหนึง่งที่ทําให้ไม่สบายใจเป็นอย่างมากผมไม่กลัวในขนาดอันใหญ่มาหคือมาของมันไม่กลัวในเล่ห์เหลี่ยมฉลาดแสนรู้เหมือนมีปีศาจร้ายคอยบงการแต่ที่ทําให้ต้องคิดมาก ในขณะนี้ก็คือดวงตาอันไม่สะท้อนแสงไฟของมันคณะนายจ้างเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้และพอคิดเข้ากับปัญหานั้นก็แทบจะสะดุ้งเฮือกคุณแน่ใจเหรอเชษฐาถามแผวเบาที่สุดแน่ใจครับวปศาสตร์ชัยันร้องขึ้นลอยลอยสั่นสะท้านก็แล้วยังงี้น่ะเลยยังจะบ้าระหัมตามมันออกไปอีก คุณไม่มีที่หมายใดๆจะสังเกตเห็นมันได้เลยต่อให้ไฟฉายแรงสูงสักขนาดไหนกว่าจะเห็นตัวเล็บหรือเขี้ยวของมันก็คงจะฝังลงมาบนขาหมองละดารินพูดแหบเครือขนลุกอยู่เป็นระลกอกจะประคุณเถอะหวังว่าขนาดที่เรานอนฟังเสียงของมันอยู่ในขณะ น, นี้มันคงไม่ได้ยินคงไม่ได้ยินมันตะโกนออกมาเป็นคาพูดของคนว่าเฮ้ยพรานรพิน ออมากัดกระค่าข้างนอกนี่หน่อยอย่างงั้นนะชัยันตลกตามเคยแต่ไม่มีใครขำด้วยดารินเอื้อมือข้ามตัวมาเรียไปทุบที่หน้าอกนี่อย่าตลกบรรยากาศตอนนี้นะมันไม่อำนวยให้ใช่นะแล้วต่างก็เสียวูบเข้าไปถึงหัวใจอีกครั้งเมื่อได้ยินเสียงจอมพรานหัวราะแปล ง, ปลงตอบคำชัยยันมาว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับ ถ้ามันรองทาเป็นเสียงคนมาได้อย่างนั้นผมจะไม่สงสัยเลยสักนิดนนคิดถึงสเตเกนเขาไม่มีวาสนาพอที่จะได้อยู่พบเห็นอะไรแปลกประหลาดมหาศักดิ์เช่นที่พวกเราพบอยู่ในขณะ น, นี้มาเรียพึมพำหรือมิฉะนั้นเขาก็มีวาสนาดีกว่าพวกเราทุกคนที่ล่วงลับไปเสียก่อนที่จะเคราะห์ร้ายได้รับรู้เห็นอะไรที่มันนรกโกกระเปรดอย่างนี้ดารินว่า เสียงคู่คำรามของมันเงียบลงแลว้วต่อมาก็มีเสียงเอาเล็บตั ก, กุยควนโคนต้นไม้ดังควากควกักอย่างน่าสยองมิชามีนานสัพพะสำเนียงที่รบกวนประสาทใดๆทั้งมวลจากไอ้มหานรกก็เป็นอันเงียบสนิทไปในความเงียบนั้นทุกคนระหนักดีว่านั่นไม่ได้หมายถึงสั ญ, ญลักษณ์แห่งความปลอดภัยมันอาจจะหมอบซุ่มอยู่ในละแวกใกล้เคียงนี้เอง แต่อำนาจความง่วงและอิดโรยเข้ามาครอบงำร่างกายและจิตจึงเงียบเสียงพูดไปทีละคนและที่สุดดูเหมือนจะเคลิ้มกันไปหมดยกเว้นรบพินเพียงคนเดียวซึ่งถึงแม้ตาจะหลับแต่ประสาทก็ตื่นพร้อมจวนจำม่อยประสาทหูอันเฉียบไวก็สัมผัสได้กับอีกเสียงหนึ่งที่ดังผิดแปลกไปมันเป็นเสียงปีนที่ย่องกริบไปตามพื้นกรุด และใบไม้แห้งทีหลักเก้าทีหลักเก้าไม่ใช่สี่ตีนหากแต่เป็นสองตีนพอลืมตาขึ้นก็เห็นตาเท้าบุญคำคลานมาเขย่าที่ปลายเท้าเขานายฟังนั่นแกรกระซิบเขาไม่กล่าวอะไรทั้งสิน้นแต่สกิดเชถ็ถาผู้นอนอยู่ใกล้หัวหน้าคณะสะดุง้งตื่นเร็วทันการตามเคยมันเข้ามาใกล้เราอีกหร้วนี่ ไกลมากแต่คราวนี้เดินสองตีนเชษดาตาหลือค่อยเลิกผ้าแบล็เก็ตที่คุ้มตัวออกการเคลื่อนไหวชนิดนั้นแม้จะแผวเบาที่สุดพักพวกที่นอนเคียงไหลกันอยู่เป็นลำดับก็พลอยรู้สึกกันขึ้นหมดอีกครั้งเพราะไม่มีใครหลับสนิทบุญคำกับขยินขณะนี้กำลังนอนเอาหูฟังแนบดินอึดใจต่อมาก็เลยหน้าขึ้นในเงามืด แลเห็นแต่ตาขาวที่กรอกกลิ้งอยู่ไปมาคนนายเดินย่องอยู่หลังพุ่มไม้ทางขวามือนั่นขยินพูดลอดริมฝีปากอันขมุบขมิบแทบไม่ได้ยินเสียงคนใครที่ไหนนั่นคือปัญหาที่วาบขึ้นกลางใจของทุกคนรพินกลั้นใจฟังด้วยโสดประสาทของเขาต่อไป แล้วก็แน่ใจว่าเจ้าอดีตนายบ้านลมช้างแม่นยำที่สุดในเรื่องการฟังฝีเท้าทุกชนิดจากแม่พระธรณีพื้นดินลูกรังกลนกรวดลั่นแผ่วเบาทีละจังหวะของการวางเท้ามันเว้นระยะห่างกันหลายอึดใจต่อการก้าวแต่ละก้าวต่อมาก็เปลี่ยนเสียงกิ่งไม้เล็กๆไหว คณะนายจ้างทั้งหมดพยายามที่จะฟังแต่ก็ไม่สามารถจับรหัสอะไรได้ทั้งสิ้นเพราะมันซ่อนเร้นเบาแสนเบายกเว้นมาเรียคนเดียวที่สืบสายเลือดพรานมาแต่กำเนิดแม่มสาวดึงกายขึ้นนั่งประทับไรเฟิลจุดส7 5เจ็ห้าแมกนัมในท่ากลางเขา่าอันเป็นท่านั่งยิงอันถนัดที่สุดบายศูนย์ไปทางพงไม้กับก้อนหินอันเป็นที่มาของเสียง แล้วกระซิบบอกชยยันผู้อยู่ใกล้ๆว่าชยยันใช้ไฟไปทางขวามือนั่นใช้เป็นแนวตรงไม่ต้องสาดจากสูงลงมาหาต่ำอดีตนายทหารปืนใหญ่คว้าไฟฉายขึ้นมากดสวิตช์ฮันเตอร์แปดท่ อ, ทอนพผยพุ่งเป็นลำออกไปในพริบตานั้นครึ่งวินาทีเท่านั้นที่ไฟฉายสาดเป็นลำขาวตัดความมืดออกไปยังพุ่งพงอันสลับซับซ้อน ก่อนที่คนอื่นๆจะทันรู้สึกตัวอย่างใดสิ่งอันอลมานก็เกิดขึ้นชนิดที่ขณะนั้นยังไม่สามารถดดงถูกว่าอะไรเป็นอะไรไฟฉายในมือของชายันดับวูบไรเฟิจากมาเรีบแทน ร, ระเบิดเพียงกึกก้องจันดารินผู้เอาศอกยันตัวครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่รู้สึกวูบที่ใบหน้าเพราะอำนาจแรงอัดของกระสุนมันดูเหมือนจะลั่นขึ้นในจังหวะเดียวกับที่ไฟดับวับลงนั่นเอง ตอมาติดๆก็มีเสียงตะโกนแหลมลั่นของมาเรียดับไฟทําไมพร้อมกับเสียงนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าชา ย, ยันตะตะโกนเอ็ดอึงเอกมาว่าหลอดแฉดหรืออะไรทํานองนั้นร่างของมาเรียจอร์พรวดขึ้นยืนปากก็ร้องใช้ไฟเร็วไฟเจ้าตัวออกมาแล่นทลาปราบพร้อมกับไบเฟินที่กระชากลูกลื่นทรงกระสุนนัดใหม่ขึ้นลําอาการของออนรวดเร็วฉับไฟจนดูไม่ทนันแต่มันยังช้าไปกว่าดารินนักมานุษยวิทยา ไปตัดข้อเท้าของเพื่อนสาวต่างผิวผู้บัดี้กำลังจะพุ่งออกนอกที่พักล้มคว่มหน้าลงกับพื้นแต่ในพริบตาต่อมาลอนก็โจรจากที่นอนกระทุบกระตะครุบตัวมาเรียวไว้ได้ก่อนที่จะทันลุกขึ้นมายื้อยุดล็อกเอาไว้อีกด้านหนึ่งระพินก็เพลผนผาขึ้นยังไม่ทันจะทรงตัวถนัดก็ล้มคว่ำลงซะอีกคนหนึ่งเพราะเชิดากกระชากข้อพับล้มทับลงมา สกัดกั้นไม่แล่นออกไปนอกบริเวณโกลาหนอึงอนไปหมดพริตตานั้นไฟฉายอีกหลายดวงจากพวกพรานพื้นโงก็สว่างจ้ากวาตัดกันไปมาสำรวจไปยังตำแหน่งที่ชายยันฉายอยู่เมื่อครู่นี้ไม่มีอะไรผิดปกติหรือแปลกปลอมให้เห็นทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดุษนีเห็นชัดที่สุดก็คือโขดหินสีดำลูกหนึ่ง เป็นรอยแตกขาวเวอร์ด้วยอำนาจกระสุนจุด3 7หของมาเรียเกิดอะไรขึ้นเมย์คุณยิงอะไรเชษดถาถามลันสุดที่จะระงับความตื่นเต้นตกใจเอาไว้ได้มาเรียบัตดนี้เบิกตาโพลงกระหืดกระหอบกายสั่นเคลิ้มลำเพิองจะถูกดารินประคองให้ลุกขึ้นมานั่งและจับตัวไว้มัน่นสุนรพินเองก็เงียบกริบจ้องนิ่งไปยังก้อนหินที่มาเรียยิงเป็นรอยไวตาไม่กระพริ นอกนั้นทุกคนงุนงงจับต้นชนปลายไม่ถูกแม้กระทั่งชายันคนฉายไฟเองเขาไม่ทันสังเกตเห็นอะไรทั้งสิ้นทันทีที่สาดไฟออกไปตามเสียงกระซิปของแมมสาวไอ้ไฟเจ้ากรรมก็ดับวับลงเฉยๆลักษณะเหมือนหลอดขาดและพร้อมกันนั้นโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวมาเรียก็ระเบิดกระสุนของหลอนขึ้นมันสุที่เขาจะทราบได้ว่าหลอนเห็นและยิงอะไรส่วนดารินที่เตะตัดขามาเรียล้มควม่ำ ก็พระหลอนเห็นอาการเพื่อนสาวจะแล่นทลาออกจากบางทักติดตามอะไรชนิดหนึ่งไปอย่างลืมตัวยังยับยั้งไว้เท่ากับที่เชษฐาก็สกัดระพินไว้อีกด้านหนึ่งด้วยสัญชาตญาณมาเรียยังนั่งหอบไม่ได้พูดคำใดทั้งสิน้นอึดใจต่อมาชา ย, ยันก็ถอดไฟฉายของเขาออกสำรวจอย่างลุกลนมันหลอดขาดจริงๆเป็นเวลาอีกครู่ใหญ่ทีเดียว กว่าที่มาเรียจะระ ง, งับสติอารมณ์และพูดกันได้รู้เรื่องแล้วคำบอกเล่าของหลอนก็ทำให้เชฐิฐถาดารินและชา ย, ยันหัวใจเกือบจะหยุดเต้นไอ้ผีตายซากรัวล้นตัวนั้นนะที่ฉันเห็นมันอย่างถ น, นัดที่สุดเห็นทั้งตัวมันยืนอยู่ที่หลังพุ่มไม้บางๆริมก้อนหินนั่นหันหน้ามาทางนี้ชา ย, ยันก็ดับไฟของเขาลงกอนที่ฉันจะเห็เหนศูญย์ได้ถ น, นัดเพียงวิบตาเดียวเท่านั้น ฉันยิงภายหลังจากที่ไฟมืดลงแล้วนั่นเป็นคำพูดอันยากเย็นที่สุดผมไม่ได้ดับไฟแต่ไฟริยำนี่มันดันหลอดขาก็พอดีผมเองก็ยังไม่ทันจะมองเห็นอะไรเหมือนกันชายันเองก็กระหืดกระหอบไม่น้อยไปกว่าหลอนพี่ใหญ่เห็นหรือเปล่าคะดารินหันไปถามพี่ชายโดยเร็วแทบไม่เป็นภาษาพี่ก็ไม่ตั้นเห็นเหมือนกันเห็นแต่เพียงไฟสว่างแวบเดียวเท่านั้น เมย์ก็ยิงตูมแล้วก็คลุกขลักเจ้าละวันกันไปหมดระพินดูเหมือนจะแล่นออกไปนอกแคมป์อีกคนพี่กระชากไว้ทันยกเว้นมารียกับระพินผู้นิ่งอึ้งแล้วทุกคนหันไปสอบถามกันแซดรวมไปถึงพวกพรานพื้นเมืองด้วยแต่ไม่มีใครเห็นอะไรอย่างมารียบอกสักคนเป็นแต่ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าเห็นไฟฉะเห็นชัยยันฉายไฟในระยะชั่วพริบตาก็มีเสียงปืนระเบิดกัมปนาคขึ้น ความตื่นตกใจของคณะมันไปอยู่ที่เสียงโวยวายเอตโรของมาเรียตั้งจนการสกัดกั้นของดารินที่รีบตะครุบตัวไว้ยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่คุณตาฝากไปหรือเปล่าเมเช็กถาถามเคร่งขืง่จ้องหน้าแล้วเอื้อมมือมาจับปลายคางของแม่มสาวโดยแรงไม่ฝากครับผมอีกคนนึงที่เห็นอย่างเดียวกับเม เสียงแหบห้าวของใครคนหนึ่งดังแทรกขึ้นและคนนั้นก็คือรบพินไพรวันระหว่างที่ทุกคนหันกวับไปจ้องเขาพานใหญ่ยกมือขึ้นขยี้ตาแผงจ้องไปยังบริเวณนั้นอีกครั้งกล่าวต่อมาว่ามันชั่วเสี่ยวของวินาทีเท่านั้นละครับที่ลำไฟฉายของคุณชัยยันสาดออกไปกระทบถ้าคุณชายไม่กระชากไว้สกก่อนบางทีผมอาจใช้ไฟแทน ให้กระลำไฟฉายที่ดับอย่างกระทันหันของคุณชยันทันและเราจะเห็นกันถนัดทุกคนรวมทั้งติดตามร่องรอยมันทันด้วยจังหวะที่พวกเรามัวอนละหม่านกันเองทําให้มันหายไปเหมือนกางเงาคุณเห็นยังไงเห็นอย่างเดียวกับฉันเหรอมาเรียร้องถามระล่ําละลักครับผมเห็นชายร่างสูงศีษะโลนในเครื่องแต่งกายของนักบวชลักษณะเดียวกับศพตายซากที่เราเห็น ยืนอยู่ตรงนั้นครับเขายืนยันอย่างช้ามั่นคงตาวาวริมฝีปากเม้มสนิทคราวนี้เชษฐาเองก้าวพรวดพรวดตรงไปยังตำแหน่งที่มาเรียยิงกระทบก้อนหินไว้ทุกคนก็พูตามเขามาทั้งหมดหลักฐานมีไว้ให้เห็นอย่างเดียวคือรอยแตกเป็นฝุ่นร่วนของหินสีดำก้อนนั้นด้วยแรงประทะสองตันของลูกรเฟิ ทั้งหมดเชื่อกันกระจายออกกวาดไฟค้นหาในละแวกใกล้เคียงต่อมาขยินก็ค้นพบกิ่งไม้เล็กๆจากพงแห่งหนึ่งห่างจากที่เดิมประมาณห้าลึกเข้าไปทางป่ารกมีรอยหักเหมือนถูกอะไรผ่านกระทบไปอย่างรีบร้อนรอยของมันยังใหม่ที่สุดหัวหน้าคณะรีตาลงขณะที่รับพินก้มลงประคองกิ่งไม้ที่หักพับอยู่นั้นขึ้นมาพิจารณา น่าแปลกนะถ้างั้นผมน้อยและชัยยันรวมทั้งพวกลูกหากทุกคนก็ตาช้ายไม่ได้เลยที่มองไม่เห็นในครั้งแรกระยะเวลามันทันด่วนเกินไปครับคุณชัยยันฉายไฟออกไปได้ปลาดเดียวหลอดก็ขาดไฟดับมืดลงสายตาของคุณอาจจะปรับไม่ทันผมจ้องอยู่ตรงนี้ก่อนแนะพอไฟสาดออกไปจึงมองเห็นได้ทันทีซึ่งคงจะเหมือนเหมือนกับเมย์นอกจากคงอาจมัวมองไปทางด้านอื่น ยังไม่ทันจะเหลียวตามแสงไฟไปพบระพินบอกเสียงแห้งชัยยันโวยวายเอ็ดออกมาผมมันสิยิ่งแล้วใหญ่เลยเป็นคนฉายไฟแท้ๆไม่ยักกัะทันเห็นพอเมยบอกให้ฉายผมก็ฉายพรานใหญ่หัวเราะออกมาในลำคอคุณชายกับคุณหญิงไวเกินไปในการสกัดกั้นผมกับเมยไว้คนละคู่ฉันจะไปรู้เหรอดารินยังไม่ไวายเสียงสัน่นแค่ กอดเพื่อนสาวไว้ด้วยแขนข้างนึง่งก็เห็นเมพูดพลาะจะวิ่งออกนอกแคมสัญชาตยานมันทําให้ฉันต้องยับยั้งเขาไว้ก่อนขณะนั้นน่ะเมเหมือนคนหมดสติเขาก็เดินข้ามตัวฉันไปเลยละ่ะตอนนั้นฉันไม่รู้ตัวนะว่าฉันทําอะไรลงไปรู้สึกแต่เพียงว่าชัยยันดับไฟก่อนที่จะเหนี่ยวไก่มือลั่นออกไปขณะที่มืดวูบลงมันทําให้ฉันผิดหวังไปหมดร้องบอกให้พวกเราใช้ไฟเพื่อเห็นเตาหม้ได้ทถนัด แต่น้อยสิกลับปัดขาฉะล้มแล้วกดฉันไว้กับพื้นชัยยันสบดสะบานลั่นเนื้อตัวตื่นเร่าไปหมด ร, บ, รบพินหันไปทางพันยาไม้ของด็อเตอร์ฮอฟมันผมกำลังรอคอยจังหวะให้มันเคลื่อนออกมาได้ระยะที่สุดเพื่อว่าถ้าฉายไฟพร้อมกันมันจะไม่มีทางหลบได้ทันอย่างเด็ดขาดแต่คุณใจร้อนบอกให้เชิด้าบอกให้ชัยยันฉายไฟซะก่อนแล้วไฟของคุณ ชัยันกระบอกนั้นก็ดันมาหลอดขาดเข้าในวินาทีสาคัญที่สุดจะด้วยเหตุการณ์มันก็เลยพลาดไปหมดมันเป็นความลี้ลับที่เรายังไม่มีโอกาสจะค้นหาคำตอบได้ก็ให้มันลี้ลับไปก่อนแล้วกันทุกคนทำดีที่สุดแล้วแต่โชคไม่เข้าข้างเราเองเชษฐากล่าวขึ้นแล้วชวนให้ทุกคนกลับเข้าที่พักเหตุการณ์อันสั่นสะเทือนขวัญตื่นระหนก เกิดขึ้นอย่างประดังซับซ้อนภายในระยะเวลาอันไม่ห่างกันเท่าใดนักมันทำให้จิตใจของทุกคนตั่นปวนเหลือที่จะกล่าวบางอยากจะเข้าใจว่ามารีอาฮอกมันตาฝาดไปเองถ้าไม่ได้รับการยืนยันจากรพินอีกคนหนึ่งรวมทั้งหลักฐานกิ่งไม้หักที่ตามออกมาค้นพบมันอะไรกันแน่สำหรับชายศีสษะโลนลักษณะเดียวกับศพตายซากที่พบ ซึ่งปรากฏกายในลักษณะสิ่งมีชีวิตย่องเรียบเคียงเข้ามาใกล้ที่พักโดยมาเรียกกับพระพินมองหินพร้อมกันถึงสองสายตาแม้จะชั่วพริบตาเดียวก็ตามมันเกิดขึ้นภายหลังจากสงบวี่แววของเจ้าเสือโคร่งดำตัวนั้นหลอดไฟเจ้ากรรมของชายันก็จำเพราะเจาะจงมักขาดอาในเวลาแห่งการพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงนี้ แต่ช่วงระยะเวลาคลุกขลักสั้นๆที่พักพวกกำลังสาละวนอยู่กับการสกัดกัน้นพรานใหญ่กับมาเรียไม่ให้ทะเลอร์ทลาตติดตามออกไปนอกแคมป์มันก็อันตรธ า, านไปอย่างมืดมนเพว่าก็ไม่ปราศจากข้าวเงื่อนจนเกินไปนักอย่างน้อยที่สุดก็พอจะทิ้งหลักฐานไว้ให้บ้างเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานเ ท, าเท่ากับมีสิ่ค้านอยู่ในตัวของมันเอง อย่างบอกไม่ถูกมันเป็นคืนอันหนักหน่วงสยองใจขีดสุดต่างสุดที่จะหลับนอนต่อไปได้อีกนอกจากนั่งจับเจา้ารวมกลุ่มผิงไฟหันหน้าเข้าหารือกันอย่างเคร่งเครียดปืนพาดอยู่กับตักพร้อมไฟฉายซึ่งสามารถหยิบฉวยขึ้นมาได้ในทันทีเชษฐาสั่งให้ต้มน้ำเอากาแฟผงสำเร็จรูปออกมาชงแจกจ่ายกันจิบ ดารินเกิดอาการหนาวสะท้านจับจับไข้ขึ้นเป็นครั้งแรกต้องหายากินนอนห่อตัวอยู่ภายใต้ผ้าห่มกลางวงล้อมผู้ที่กุลีกุจอเข้ามาช่วยเหลืออย่างรักสนิทคือมาเรียไฟทุกกองถูกใส่ฟืนเข้าไปจนลุกโฉดสว่างสวัยช่วยให้เกิดความอบอุ่นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจขึ้นขณะนั้นเข็นนาฬิกาพลายน้ำของเชษฐาชี้บอกเวลาสามนาฬิกาสิบ รพินคุณเห็นอย่างเดียวกับที่เมบอกจริงๆอะในที่สุดหัวหน้าคณะก็เอ่ยถามขึ้นแผ่วเบาผมหมายถึงว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นร่างในลักษณะเดียวกับศพตายซาที่เราพบมันจะเป็นไปได้ไหมอะสมมุติว่าเป็นความจริงสมมุติว่าความจริงเป็นแง่ทรายที่ย่องเข้ามาใกล้แคมป์เราแต่ทั้งคุณและเมมองเห็นเป็นอย่างอื่นไปเพราะเป็นการเห็นเพียงแวบเดียวเท่านั้นอะ ผมเองก็อยากจะบอกกับตัวเองว่ามันเป็นแง่ทายเหมือนกันนะครับไม่อยากเชื่อสายตาแต่แล้วก็ต้องแน่ใจว่ามันไม่ใช่แง่ทายภายหลังเมื่อเ ม, อเมพูดขึ้นเพราะสิ่งที่เมเห็นและบอกมานั้นมันตรงกับที่สายตาผมเห็นทุกอย่างครับเชิฐาหันไปสบตาสหายของเขาซึ่งพูดอะไรไม่ออกได้แต่กรอกหน้าแล้วมองไปยังร่างอันห่อตัวคู่หนาวสั่นของน้องสาวถ้าเช่นนั้น แล้วจะวินิจฉัยยังไงไอ้ศพตายซากนั่นมันเคลื่อนไหวเดินได้จริงๆเหรอทั้งหมดเงียบงันกันไปชั่วขณะมาเรียโอบกอดร่างดารินไว้น้อยยืนยันกับเราไว้ก่อนแล้วนะคะในเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีเหตุผลพอที่เราจะรับฟังได้จนกระทั่งชั้นกับไพร์วันมองไปเห็นภาพเมื่อหยกุกยกนี่จริงอยู่มันชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นที่ภาพของมันปรากฏแต่ก็กระจ่างชัดทีเดียว ความดี้ลับทั้งหลายมันไปแฝงเงาซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ไฟของชยันเกิดอุบัติภวะเหตุหลอดขาดขึ้นเราจรึงเห็นมันเพียงชั่วไม่ถึงกลั้นใจแล้วก็อันตรธานไปเหมือนภาคมายาถ้าไฟไม่ดับเราจะพิสูจน์อะไรต่ออะไรได้มากทีเดียวและฉันรับรองว่าระยะขนาดนี้ถ้าเห็นศูนย์ถนัดจะต้องยิงไม่พลาดและเมื่อกระสุนพุ่งเข้าปะทะมันจะเกิดลักษณะอาการยังไง หรือมันจะหนีหายหลบไปทางไหนแต่นี่มันมืดลงอย่างกระทันหันมันก็สูญหายไปพร้อมกับความมืดนั้นสังเกตจากแนวกระสุนที่กระทบก้อนหินฉันรู้ว่ายิงพลาดเป้าหมายตำแหน่งที่มันปรากฏตัวนะ่ะยืนอยู่ทางด้านขวาห่างประมาณสอกเศษช่วยไม่ได้เลยไฟชิงดับตัดหนทางซะก่อนนี่ที่แรกฉันก็สงสัยว่าทาไมชยยันจึงดับไฟซะพ่อจะมารู้อาภายหลังว่า เกิดอุบัตาเหตุหลอดขาดชะนิผมก็ห่วงแต่เรื่องกลัวรพินจะเพ็นเอาไปพบกับอันตรายที่เรามองไม่เห็นนอกแคมป์จึงยึดตัวเขาไว้ทำให้เกิดคลุกขลับทอดระยะเวลาออกไปอีกเชษฐาพูดพลางโครงศีรษะอย่างเสียดายต่อเหตุการณ์เรื่องของเรื่องก็คือไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนั่นเองก็ดีแล้วที่แกฉุดรพินไว้ซะก่อนตอนนั้นเท่าๆกับที่น้อยก็สกัดเมยซะทัน ใครจะบอกได้ว่าในตอนนั้นหากพวกเราคนใดคนหนึ่งแล่นติดตามสวนออกไปอันตรายชนิดใดมันจะรอคอยจังหวะอยู่น้อยนะเชื่อมั่นมานานแล้วว่าไอ้ผีนั่นมันลุกขึ้นเดินได้บันทึกของเคลเมอร์ก็ให้รายงานโน้มเอียงไปในทางนั้นทีนี้ถ้าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ตามที่รับพินกามยืนยันว่าเห็นอย่างนั้นจริงมันก็ไม่มีข้อกังขาอะไรอีกแล้วนี่ บุญคำก็เชื่ออย่างที่นายหญิงพูดแต่แรกแล้วนะแต่บุญคำไม่กล้าพูดปลาพรานเท้าสอดขึ้นเบาๆมาถึงคราวนี้นายแมมบอกก็ไม่สําคัญนะักมันสําคัญเราที่แพรนใหญ่ก็เห็นด้วยสายตาอย่างแพรนใหญ่ระพินเห็นอะไรยังไงก็เชื่อมั่นเถอะว่ามันต้องของจริงอ้าวแล้วถ้ามันเดินได้จริงมันก็ต้องเป็นสิ่งมีชีวิตทิเฉตถาพึมพันย่องหน้าพรานใหญ่ใช่ไหมระพิน ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันครับถ้าจะถือตามหลักทฤษฎีของชีววิทยามันก็ควรเป็นเช่นนั้นแต่ทุกทิ้งทุกอย่างที่เราพบจากศพตายซากนะหลักของชีววิทยาก็บอกเราอยู่ทนโทว่ามันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแม้แต่นิดหนึง่งร่างกายแข็งทื่อยังหินไม่มีชีพจรไม่มีกระแสโลหิตหรือลมหายใจสาหรับกรณีนี้ผมก็ยังไม่อาจยืนยันได้ว่าร่างที่เห็น มันจะเป็นร่างเดียวกับศพน่าหรือเปล่าเพียงแต่ลักษณะป้ายเคียนเท่านั้นเท่าที่เห็นชั่วแวอวกปัญหาข้อแรกที่สุดลองมาช่วยกันคิดดูสิว่ามันย่องเขามากไล่แคมเราเพื่ออะไรชัยยันตั้งคาถามก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ควรเชื่อได้ก็คือมันไม่ได้มาอย่างมิดแน่ถ้าเมไมใ่ใจร้อนให้คุณชัยยันทากระตกกระตากโดยการฉายไฟซะก่อนผมก็เตรียมจะดักมันอยู่แล้ว เราเถียท่าตรงที่ไม่ได้นัดแนะอะไรกันไว้ก่อนขอโทษด้วยนะถ้าฉันเป็นคนทําให้แผนของคุณต้องล้มเหลวมารียหันไปบอกพรานใหญ่อย่างจริงใจผมไม่ได้ตั้งใจจะตาหนิอะไรคุณดอกเมเพียงแต่บอกให้ทราบว่าผมเตรียมจะจัดการยังไงอยู่ก่อนแล้วเท่านั้นและถ้าเป็นผมทันทีที่ส่องไฟเห็นเป็นภาพคนผมจะยังไม่ยิงเปน็นอันขาดฉันยอมรับ ว่าตื่นเต้นตกใจเกินไปเมื่อมองไปเห็นภาพนั้นถ้ามันเป็นแง่ทรายหรือคนซึ่งมีรูปลักษณะอย่างอื่นผิดไปจากไอ้ผีตายซากนั่นฉันก็ยังไม่ยิงเหมือนกันคุณคิดว่าไอ้ร่างประหลาดนั่นมันจะมีอะไรเกี่ยวพันกระเสือโคร่งดําตัวนั้นไหมขอยสังเกตด้วยนะครับว่าเพราะไอ้มหาการนั่นเงียบหายไปเจ้าร่างประหลาดนั่นก็ย่องกลิบเข้ามาใกล้เราหัวหน้าคณะยังความเห็นขึ้นบ้า ผมไม่กล้าเดาอะไรสักอย่างทุกสิ่งมันล้วนมืดมนเต็ไมไปด้วยปริศนาทั้งหมดแต่มีเหตุผลที่จะแน่ใจได้อย่างเดียวว่าเสือโครงดําตัวนั้นจะต้องไม่เป็นพิษเป็นภัยใดๆกับมันแน่นิฉะนั้นมันควรจะถูกเล่นงานไปก่อนแล้วล่ะวันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราควรคิดละท่ามกลางภัยอันตรายร้ายกาดจากไอ้โครงดําตัวนั้นซึ่งดักจ้องเตรียมจะเล่นงานเราอยู่ ซึ่งถึงเดี๋ยวนี้ก็อาจจะซุ่มอยู่ในละแวกใกลๆ้ๆแต่ทำไมถึงมีมนุษย์ในข้อที่นี้ขอเรียกว่ามันเป็นมนุษย์ไปพลางๆก่อนแล้วกันโดยรูปร่างลักษณะของมันอย่างที่คุณกเมยืนยันมันมีมนุษย์คนหนึ่งเข้ามาเดินป้วนเปลี่ยนอยู่ในละแวกนี้โดยไม่เกิดอันตรายใดๆพูดกันตรงๆก็คือทาไมทาไมไอ้ดามันไม่ขบหัวมันจ้ะก็ไอ้หลอดริยำดวงนี้นะสิอยู่แต่ไหนแต่ไรมันไม่ขาด เสือกมาขาดอาวินาทีสำคัญสิชายันคำรามอย่างเดือดแค้นฟ้าไฟฉายประจำตัวขึ้นมาขยาัททาท่ามันจะฟาดลงกับพื้นขณะนั้นบุญคำขยับปากจะพูดอะไรออกมาแต่แล้วก็ชะ ง, งักนิ่งซะเพราะพินสังเกตเห็นซะก่อนรอบสะกิดไว้ปัญหาที่เผชิญกันอยู่ขณะนี้มันหนักยิ่งแล้วเขาไม่ต้องการให้บุญคาพูดอะไรตามระษา ข, ของแก เป็นการนำเข้าป่าเข้ารกหนักขึ้นไปอีกทุกสิ่งทุกอย่างต้องการรอผลพิสูจน์และการพิสูจ น, น์นั้นๆก็ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคณะนายจ้างโดยตรงเพราะคนเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นปัญญาชนเจริญแล้วทั้งสิน้นมันดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกซึ่งพรานใหญ่ผู้เครียงไกลยอย่างเขาไม่สามารถที่จะให้คำตอบในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ภายในอาณาจักรใคร อันดำมืดนี้ระหว่างที่ทุกคนปรึกษาหารือกันดารินเพียงคนเดียวเท่านั้นที่นอนหลับตานิ่งราชสกุลสาวอ่อนแอไปมากสำหรับคืนนี้ไข้ขึ้นสูงกายร้อนจัดยนทำให้ทุกคนเป็นห่วงมาเรียคอยเขย่าเรียกสอบถามอาการอยู่ทุกระยะเชษฐาก็คลำตัวน้องสาวอยู่บ่อยๆแลพินมองนิ่งมายังร่างที่นอนคู้สันนั้น ด้วยแววตากังวลเขาจะหนักดีว่าหญิงสาวได้รับความตกนกตกใจมากมายเพียงไรสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขวัญและกำลังใจของหล่อนกำลังศูญย์เสียไปมากประกอบกับสุขภาพที่เหนื่อยยากรากรามหนักจึงทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นลงแพทย์ประจำคณะเจ็บไข้ลงสักคนเดียวคนอื่นๆก็มืดมนกันไปหมด่วยเหลือพยาบาลกันไปตามมีตามเกิด ยางโชคดีอยู่ที่ว่าหล่อนยังมีสติรู้สึกพอที่จะหายาให้ตัวเองได้ก่อนที่จะลงนอนสงบไปกล่าวกันว่าความมืดเป็นศัตรูอันร้ายกาจต่อจิตใจของมนุษย์ทุกคนในความมืดมันเต็มไปด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นและเมื่อไม่เห็นสักอย่างเดียวก็เดาไม่ถูกว่าอะไรมันจะมาในรูปไหนเมื่อประกอบกับเหตุการณ์ร้ายที่โพราวีมาในรูปแปลก ใจิตใจก็เต็มไปด้วยความวันไหวหวาดระแวงคอยผวาอยู่ทุกขณะจิตนับประสาอะไรกับชาวกรุงที่เข้ามาบุกบันท่องไพรด้วยความจำเป็นอันบีบบังคับแม้จอมพรานผู้ยิ่งยงสามารถดำรงชีพยอยู่ในราวไพรได้เท่าเท่ากับสัตว์ป่าตัวหนึ่งก็ยังยอมรับว่าประสาทของเขาเริ่มไม่มั่นคงนกะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมหันตภัยแวดล้อมคณะอยู่ในขณะนี้มันเกินความรู้เห็นประสบการณ์ในชีวิตพรานอันช่ำชองของเขาที่เคยผ่านมาแล้วแต่ละสิ่งล้วนยังหาคำตอบไม่ได้ทั้งสิ่งไอเสือหินในถ้ำตัวนั้นพร้อมทั้งคำบอกเล่าของตาพรานเท่าบุญคำรอยตีนที่วัดได้จากขนาดของเสือตัวจริงซึ่งติดตามรังควานอยู่ เสียงมโหระทึกดนตรีโบราณที่แววเข้ามากระทบโสดปราสาทท้งเขาและเชตดฐาพร้อมกันแต่อีกสองพลานพื้นเมืองกลับไม่ได้ยินความฝันของดารินวาราริตไอ้เสือมาหาการซึ่งตาไม่มีแสงสะท้อนตอบไฟฉายแม้จะส่องตรงเข้าหน้าและท้ายสึดชายลึกลับในเครื่องแต่งกายนักบวชที่ปรากฏร่างให้เขาและมาเรียเห็นเพียงชั่วพริบตา โดยไฟฉายของชายันสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรและอย่างไรระพินนั่งสุบุรีมวนต่อมวลขอบรนดีจากชายันมาดื่มทั้งทั้งที่ไม่เคยไปร้องขอมาก่อนแล้วก็นั่งทอดสายตามองดูเปลเวไฟในกองที่กินไม้ปะทุลั่นพลวั่แพระเป็นจังหวะสมองของเขาทำงานอย่างหนักหน่วงที่สุด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 อันตรายที่รอคอยจังหวะนี้อยู่แล้วก็จะมาถึงเป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่คนอย่างรบพินไพรวันภาว น, นาขอให้ตะวันขึ้นซะโดยเร็วค่อยเงียบกันไปอีกในกลุ่มของนายจา้างชายันนั่งกอดเข่าเอาหลังพิงกองสัมภาระซุกหน้าลงกระท่อนแขนทั้งสองยามนี้อดีตนายทหารปืนใหญ่ไม่มีอารมณ์ขันใดๆเกิดขึ้นทั้งสิน้น ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณหรือมากวัดได้ว่าเวลาใดก็ตามที่บุคคลผู้นี้ยิ้มไม่ออกยามนั้นเป็นวิกฤตการณ์เลวร้ายขีดจุดความคิดของเขาล่องลอยไปไกลบางขณะก็คิดไปถึงชีวิตอันเคยเป็นสุขเพียบพร้อมอยู่ในเมืองคิดถึงชีวิตสังคมอันหรูหราแวดล้อมไปด้วยความสะดวกสบายนานาประการแล้วก็ถามตนเองว่า มันเป็นไปได้เหรอนี่มันเป็นความฝันหรือความจริงกันแน่ที่เขาต้องมานั่งอยู่กลางไพยมหาการยามราตรีที่มีแต่มหาภิบัติไทยหน้าวัดสยองเห็นหน้าผู้ร่วมชีวิตอยู่ด้วยกันเพียงไม่กี่คนห่างไกลาจากโลกอารยธรรมและแสงสีมาอย่างสุดล่าฟ้าเขียวระหนึ่งถูกตัดขาดโดดเดี่ยวอยู่ในอีกโลกหนึ่งห่างออกไป โลกของความลี้ลับมหัศจรรย์อันไม่สามารถจะเข้าใจได้และไม่เคยเชื่อมาก่อนว่ามันจะมีอยู่ในพื้นพิวนี้เฉถาก็สูบกล้องอยู่คนเดียวเงียบเงียบลักษณะครึ่งนั่งครึ่งนอนในตาคลึ้มเยือกมองฟ้าออกไปในความมืดเบื้องหน้าอย่างปราศจากจุดหมายมาเรียตะแคงตัวเบียดกายกอดร่างอันนอนนิ่งของดารินไว้อย่างแสดงความรักใคร่ หวงใหญ่และไม่ต้องการห่างในภาวะเช่นนี้เหตุการณ์ที่ผ่านแล ะ, ะเผชิญร่วมกันมาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันมันทำให้แม่มสาวเลือดผสมมีความรู้สึกต่อดารินวราริตเ ย, ยี่ยงพี่น้องคลานตามกันมาแล้วมิชามินานหล่อนก็เผลอเข้าผวังเอาใบหน้าซบแนบกับตะโพกที่นอนตะแคงของราชสกุลสาวเคลิมเคลิมไป ที่น่าประหลาดอีกอย่างหนึ่งในการเฉลียวใจคิดของจอมพรานก็คือค่ําคืนนี้ไม่มีวีวแววของไอ้ค้างคาวหรือพวกผีกองกอยแพ้วพานเข้ามาใกล้คงมีแต่เสือโคร่งดําและร่างของนักบวชลึกลับตนนั้นเท่านั้นที่โผล่เข้ามารบกวนปราสาทคืนนี้ไอ้ค้างคาวยักษ์มันไม่ออกล่าเหยื่อของมันหรือยังไงหรือว่าไปหากินทางด้านอื่น โดยไม่คิดจะหวนมาตอแยรังควานกลุ่มมนุษย์อีกก็แล้วเจ้าพวกผีกองกอยนั้นเล่ามันพากันไปไหนสมุดทั้งทั้งที่ทุกคืนจะยกขบวนมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ที่พักหรืออย่างน้อยก็มาร้องให้ได้ยินเสียงบัดนี้จิตใจของเขาบกมุ่นอยู่กับบันทึกของเครมเมอร์เกี่ยวกับศพตายซาบอันมีพฤติการประหลาดลี้ลับ และการติดต่อจองล้างจองผลานของไอ้เสือโครงดำเมื่อ น, นำมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นเมื่อกี่ยกยกมันยิ่งก่อให้เกิดเป็นปริศนาขึ้นเหลือที่จะกล่าวถูกจริงอย่างที่ชัยยันเคยพูดไว้คณะถ่ายใต้ความรับผิดชอบของเขาสิบชีวิตที่พากันเอาตัวรอดมาได้จนกระทั่งบัดนี้ก็เพราะแต่ละคนในคณะเพียบพร้อมไปด้วยความปรีชาสามารถ และไหวทันต่อเหตุการณ์ตลอดจนสามคัคคีและทำงานช่วยเหลือกันได้อย่างสัมพันธ์คนหนึ่ ง, งโง่คนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งเผลออีกคนหนึ่งก็ไหวทันและตื่นพร้อมและอีกคนหนึ่งอับจนอีกคนหนึ่งก็ยังพอจะมองเห็นลูกทางเขาเองก็อดกังขาไม่ได้ว่าในจานวนสอชีวิตที่รวมกลุ่มกันอยู่นี้ถ้าขาดใครไปเสียสักคนหนึ่ง ไม่ทราบว่าโซ่ชีวิตของคนในคณะทั้งหมดจะขาดสะบั้นย่อยยับลงหรือไม่เมื่อระลึกได้เช่นนั้นกำลังใจก็เริ่มกลับมาถูกแล้วไม่มีอะไรที่เขาจะต้องย่อท้อประวันวาดเลยคุณชายครับเสียงแผ่วเบาของพรานใหญ่กระซิบเรียกหัวหน้าคณะมาท่ามกลางความเป็นดุจศรียภาพอันยาวนานเหมือนปางคนต่างถูกสะกดให้เงียบงันไป ด้วยอำนาจลึกลับที่มีอิทธิพลอยู่เหนือจิตใจยามนีม้ผมยังไม่ได้เรียนอะไรให้คุณชายทราบอย่างหนึ่งสำหรับเหตุการณ์เมื่อตอนย่ำค่ำวันนี้นะครับอะไรรอยเท้าของไอ้เครื่องมหาการที่ลงกินน้ำไว้ริมแอ่งมวกนะครับทำไมมันมีขนาดเดียวกับอุ้งเท้าของเสือหินที่เราไปพบบนปากถ้ำเมื่อตอนเย็นวัดได้ไม่ขาดไม่เกินเลยครับ ใบหน้าอันเคร่งเครียดตายด้านของสุภาพบุรุษในราชสกุลผู้เป็นหัวหน้าคณะเบือนมาทางเขาระบายควันจากกล้องยาเส้นออกทางช่องจมูกแช่มช้าตามจังหวะหายใจคุณมีความคิดยังไงก็บอกพวกเราไว้บ้างนะจำไว้อย่างเดียวผู้กองเวลาเช่นนี้การแสดงความเห็นและให้ความจริงกันชนิดตรงไปตรงมาจะช่วยพวกเราทุกคนให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ไม่ควรจะเก็บข้อคิดอะไรไว้เพียงคนเดียวนะสำหรับเรื่องรอยตีนเสือจริงกับเสือหินที่มามีขนาดได้เท่ากันอย่างพอดีนี่ผมไม่กล้าที่จะมีความคิดเช่นไรทั้งสิ้นหรอกครับแต่เมื่อพบเห็นและสัมผัสเข้ากับสิ่งอันชวนคิดนี้ก็เลยตัดสินใจบอกครับคงจะเป็นเหตุการณ์ตอนที่คุณปลีกตัวลงไปยังแอ่งน้ำมวกอีกครั้งแล้วเมยิงงูเห่านั้นกระมา คุณหว น, นกลับลงไปพิจารณาดูรอยมันอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบใช่ไหมครับตอนนั้นแหละผมไม่ได้กะดูด้วยสายตาเปล่านะแต่วัดขนาดมาพร้อมเสร็จทีเดียวมันลงกันได้พอดีเลยครับชัยยันกามาเรียคงจะม้อยหลับไปแล้วเพราะสงบนิ่งไม่มีปฏิกิริยาใดๆต่อการพูดกันอย่างแผ่วเบาซุบซิบของทั้งสองไม่เห็นคุณบอกเรื่องนี้กับเราในตอนนั้นเลยนะ ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ยังไม่น่าสนใจนักจึงไม่ได้บอกในขณะนั้นอะแล้วทําไมถึงบอกเดี๋ยวนี้ล่ะจอมพรานนิง่งเชษฐากล่าวต่อมาขณะที่จ้องตาว่าเกิดเอกใจอะไรขึ้นมาบางอย่างแล้วไม่ใช่เหรอคุณชายว่ามันจะเป็นไปได้หรือครับภายหลังจากนิ่งไปนานเชษฐาก็พิมพ์ำขึ้นเหมือนจะรำพึงกับตนเองศพ ตายซากนับพันปีเคลื่อนย้ายตัวเองไปได้อย่างลึกลับเมื่อพ้นสายตาของเราเสือโคร่งดําอันเป็นสัตว์มีชีวิตพอจวนตัวก็แปลสภาพเป็นก้อนหินยืนแข็งทื่อแน่ละมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในโลกที่เราเคยรู้จักมาแล้วแต่สิ่งแวดล้อมมันก็มีอะไรสะกิดใจให้เราต้องคิดไม่ว่าความคิดนั้นจะทําให้เราถอยหลังเข้าคลอง เช่นไรก็ตามรพินผมอยากจะพูดนะว่าเราไม่ควรจะมองผ่านสิ่งเหล่านี้ไปซะแล้วล่ะเราเห็นภาพเหล่านี้คนละกาลเวลานะครับรบพินไทรวันกล่าวอย่างระมัดระวังเราไม่ได้เห็นตำตาคาหนังคาเขาในขณะที่มันมีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นไอศดายซากหรือไอเสือหินตัวนั้นเรากำลังลังเล และต่อสู้อยู่กับข้อแท็จริงที่ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงสิ่งแวดแล้อมมันชวนให้คิดก็จริงแต่เหตุผลที่จะยืนยันก็ยังคนไม่พบตราบใรก็ตามที่เรายังไม่มีโอกาสประจันกับมันซึ่งซึ่งหน้าชนิดเห็นดำเห็นแดงออกไปแวดเดียวเท่านั้นที่ผมเห็นไอ้ผีตายซากนั้นมายืนแล้วมันก็หายไปมันเป็นศพนั้นจริงๆหรือเปล่าก็ยังยืนยันไม่ได้เพียงแต่อนุมานเอาตามสายตามันคลายกัน ส่วนเสื้อตัวนั้นก็เหมือนกันํำรามให้เราได้ยินอยู่ไม่กี่อึดใจตามเข้าไปจนถึงตำแหน่งที่เราเชื่อว่ามันจะต้องจนมุมรอคอยอยู่เราก็ไปพบกับภาพอันเป็นหินสลักสันฐานละไม้เสือตัวที่มีชีวิตไม่มีผิดเหตุการณ์มันทำให้เราไม่กล้าจะวินิจฉัยเช่นไรลงไปได้แน่ชัดนักมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ไปทีละขั้น คำตอบต้องมีแน่เพียงแต่เรายังไปไม่ถึงเท่านั้นเดี๋ยวนี้นะผมไม่ยีระอะไรซะแล้วละ่ะมันจะเป็นอะไรมาในรูปไหนก็ได้ทั้งสิ้นขออย่างเดียวให้พวกเราพร้อมที่จะประเชิญด้วยขวัญและสะติเท่านั้นคุณหนักใจมากไหมเชิฐถาเห็นรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากอันแห้งผากนั้นครับผมยอมรับครับว่าหนักใจมากทีเดียว การอาชีพอย่างผมไม่สามารถจะใช้วิชาชีพให้เป็นประโยชน์ได้ซะแล้วเมื่อเข้ามาในป่านรกดำนี่ในจ้างสันศรีรษะแช่มช้าไม่เห็นด้วยยิ้มตอบมาอย่างปลอบใจตรงข้ามกับผมนะรพินผมยังมั่นใจอยู่เสมอว่ามันจะเป็นป่าอาถรรพ์สักขนาดไหนก็ไม่เหนือไปกว่าตบะพรานของรพินไพรวันไปได้หรอกช้าหรือเร็วเท่านั้น ก่อนที่คุณจะสะกดกำราบมันลงตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับไปสี่กว่าแล้วอีกสองชั่วโมงก็จะสว่างผมคิดว่าหมดระยะที่มันจะเล่นงานเราแล้วล่ะคุณชายงีบซะเถอะครับมไม่ต้องห่วงผมหรอกกระพิมทนไม่ไหวผมก็จะม่อยไปเองละผมจะออกไปผิงไฟมันหนาวเย็นเหลือกำลังครับเสื้อของผมรู้สึกจะบางไปหน่อยสาหรับอากาศที่นี่ เขาบอกพร้อมกับลุกขึ้นล่อตัวออกมาจากชายกระโจมผ้าพลาสติกกันน้ำค้างซุกมือทั้งสองไขว้ประสานกันเข้าไว้ในอกเสื้อแจ็คเก็ตชนิดเบาบางที่ใช้ใส่อยู่เป็นประจำในเวลากลางคืนระพินอย่าลืมที่สั่งไว้นะผมไม่ต้องการให้คุณออกนอกบริเวณแคมป์จนกว่าจะสว่างหัวนหน้าคณะกำชับเตือนมาอีกครั้ง พรานของเขาทั้งสี่รวมทั้งสา่งปลาและขยินก็ทยอยกันเข้ามารวมกลุ่มด้วยทันทีเมื่อเข้าไปย่างตัวอยู่ริมกองไฟสีหน้าและแววตาของคนเหล่านั้นบอกความรู้สึกภายในให้ทราบได้โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายออกมาด้วยคำพูดใดๆทั้งสิ้นนายไอ้ที่มายืนให้นายกับนายแหม่มเห็นเมื่อครู่น่ะมันไม่ใช่คนหรอกแต่เป็นเจตพูดของไอ้เสือโครงดาตัวนั้น บุญคำกระซิบเสียงสั่นกระซาวทางสั่นกระทบกันอยู่กราวกราวด้วยความหนาวระคนความหวาดบุญคำรู้ได้ยางไงเขาถามเสียงต่ำๆมองดูตาพรานเท่าเจ้าแห่งนิยายด้วยสายตาติ่งบุญคำทำตาลอกแหลก อ, อ, อึกอกอักอักอยู่ในลำคออธิบายไม่ถูกเหมือนกันอย่าเลอะเทอะเข้าป่าเข้ารกเลยนาะบุญคำ ขณะนี้เราเองก็บุกอยู่ในป่าอันลึกที่สุดแล้วนี่พยายามเหนียวรั้งใจไว้บ้างขายินเกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยแม้แต่จะได้ยินว่าเสือตัวไหนตามันไม่ตอบแสงไฟนานายสองเห็นตัวแล้วยังดูไม่รู้ว่ามันเป็นมันหรือเปล่าขายินสอดมาอีกคนหน้หนาซีดเผือดหวาดกลัวขีดสุดหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นและไม่เคยรู้มาก่อนเราก็ได้มาเห็น มารู้ในนรกดำแห่งนี้ก็ここไม่เห็นมีอะไรจะต้องแปลกใจตื่นกลัวไปเลยนี่นี่เลิกนิสัยขี้คลาดของเจ้าเชษฐีสิขยินป่านี้นะเราคลาดเมื่อใดเราพ่ายแพ้เมื่อนั้นจำไว้ความกล้าหาญเท่านั้นที่จะช่วยให้เราชนะมันได้นายขยินไม่กลัวคนไม่กลัวสัตว์แต่ขยินกลัวผีถ้าผีมีอำนาจกว่าคน โลกนี้ก็ควรเป็นโลกของผีไม่ใช่โลกของคนนายพูดถูกสางปาเองก็กลัวซชจนไม่กลัวละขอให้มันโผล่ตัวไม่เห็นชัดเถอะสางปาจะยิงมันเองเจ้าต้องสู่ยืดอกขึ้นประกาศขยับไรเฟิลในมือชู ข, ขึ้นฮึถ้าเองเก่งจริงเหมือนพูดแล้วก็เองก้าวไปพ้นเขตกองไฟนี่สิไอ้สีดองาด้วนบุญคำชี้หน้ารองทามาสางตายิ้มแย่ ลุงคำก็ต้องออกไปกระคาด้วยสิทุกตอนที่นายนั่งคุยกับเจ้านายอยู่ในที่นอนเมื่อครู่พวกผมได้ยินเสียงมันเดินอยู่หลังหินด้านนี้นะจันที่มือออกไปทางด้านหนึ่งแต่เป็นเสียงเสือนายไม่ใช่เสียงคนช่วยกันส่องไฟก็ไม่เห็นตัวพอดับไฟก็ได้ยินเสียงอีกพักใหญ่จึงเงียบสนิทไปนายระพินยิ้มแย้มองไปยังพรานทุกคนที่แวดล้อมรอบกายเขาอยู่ ดีล้วที่มันพยายามเข้ามาใกล้เราขอเป็นอย่างนี้ทุกคืนเถอะเราจะได้ไม่ต้องลำบากไปตามมันให้เหนื่อยแรงคราวหลังอย่าเพิ่งส่องไฟจนกว่าจะแน่ใจว่าถ้าส่องต้องเห็นตัวมันลองดีกันนายหลือเกินทำไมนายไม่ออกตามมันสะตอนนี้ล่ะเกิดไปกันนายเองเกิดถามโพร่งขึ้นโดยนิสัยอันบ้าดีเดือดประจําตัวมายใหญ่ห้ามขาดไม่ฉันตามออกไป เกิดอย่าเสือกยุกเองอะเสยหันไปตวัดเบาๆตาเขียวแยกเขียวเข้าใส่สายิไวเดียวกันนายไม่ตามออกไปน่ะดีแล้วมันไม่ใช่เสือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ยิ่งกลางคืนมันยิ่งมีอํานาจกลางวันน่ะก็อีกเรื่องนึงถึงข้าจะไม่เห็นตัวมันเลยข้าก็มีหูที่จะฟังเหมือนพวกเองทุกคนเหมือนกันไอ้นรกจกเปรตนั่นบางทีก็เดินสี่ตีน บางทีก็เดินสองตีนอาและเอ็งไทยถูกแล้วว่ามันเป็นอะไรระพินนอนคุยอยู่กับกลุ่มพรานพื้นเมืองริมกองไฟนั้นโดยไม่ได้ย้อนกลับเข้ามาภายใต้เพิงพักนอนของกลุ่มนายจ้างอีกเขาหลับหลับตื่นตื่นจนกระทั่งฟ้าสางบุญคำลุกขึ้นชวนออกเดินสำรวจบริเวณจึงคว้าปืนออกไปเชิวาวราฤทธิ์ถูกเขย่าลุก ปงวงเงียขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียประสาทหูอันลั่นกริ่งเพราะความอดนอนแหววเสียงพวกพรานพื้นเมืองพูดอะไรกันโวยวายคร่ำอยู่รอบตัวพอขยี้เปลือกตาลืมขึ้นอย่างแสบพร่ก็เห็นดารินมาเรียและชัยยันลุกขึ้นก่อนแล้วและคนที่กําลังเขย่าปลุกเขาคือชัยยันนั่นเองส่วนพรานใหญ่ระพินยืนห่างออกไปเล็กน้อยเบื้องหน้าดารินดารินกับมาเรีย กำลังรุมล้อมซักถามอะไรอยู่แซ้ฟังไม่ได้飒 แ, และที่ได้ยินชัดเจนที่สุดก็คือเสียงตะโกนกรอกช่องหูโดยสหายของเขาตื่นเร็วเช็คท้าก็อะไรขึ้นก็ไอเสือหินที่เราพบในถ้นตัวนั้นน่ะสิมันหายไปซะแล้วมันหายไปจากที่มันเคยยืนอยู่เสียงนั้นแผกกล้องมาฟังแทบไม่เป็นภาษาราชสกุลหนุ่มหัวหน้าคณะตะลึงพลงเพิดผมไม่แน่ใจว่าฝันไปหรือเปล่า เมื่อได้ยินคำบอกเล่าเช่นนั้นมารู้สึกตัวแน่ใจก็ต่อเมื่อสหายรักร่วมตายถูกกระชากแขนให้ยืนขึ้นและพร้อมกันนั้นพรานใหญ่ดารินมาเรียก็พรู ก, กันเข้ามาห้อมล้อมสีหน้าของทุกคนซีดเผือดระพินเชษฐาหลุดปากออกมาเสียงแทบไม่ผ่านลำคอจ้องหน้าจอมพรานตาเบิกโพลงเป็นความจริงเหรอมันผิดวิกฤยังไงซะแล้วล่ะครับคุณชาย ก้อนหินที่เป็นรูปเสือที่เราพบตอนบนถ้นตอนเย็นวานน่ะมันอันตรทานไปได้จริงๆผมก็บุญคำย้อนขึ้นไปดูหยกๆยกนี่เองแต่ไม่พบมันซะละ